ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีธรรมท่านกำลังรับชมรายการเล่าเรื่องเล่าธรรมทางช่อง YouTube บัวแช n n นลโปรดกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเรื่องเล่าใหม่ๆจากบัว h ช n n e l กันนะครับ วิธีการแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายเก่เราเปลี่ยนศัตรูให้กลับใจด้วยอภัยทานวิธีการแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายเก่เราทำอย่างไรให้เห็นผลเร็วที่สุดคำสอนหลวงพ่อพุทธถามการแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายเก่เราหากจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไรกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผล แสดงว่ากิเลสของผู้รับหนารับไม่ได้หลวงพ่อพุทธการแผ่เมตตานี้จะให้ได้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลเร็วนั้นมันต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายหากสมมุติว่าผู้มิถ้าหากสมมุติว่าผู้แผ่เมตตาก็มีพลังจิตพอที่จะส่งผลกระแสให้เขาได้รับผลผู้รับก็มีพลังจิต พอที่จะติดต่อสื่อสารรับรู้กันได้อันนี้สำเร็จเร็วที่นี่การแผ่เมตตาโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ว่าใครแผ่เมตตาให้แต่อิทธิพลความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเราตั้งไว้ในจิตในใจของเรานี้ก็สามารถบันดาลให้เกิดผลแก่ผู้รับได้เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ผู้รับไม่รู้เพราะมันเป็นพลังจิตอันหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุดก็คือว่าตัวของผู้แผ่เองนั่นแหละทำให้จิตใจมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นอุบายกำจัดความอิจฉาริษยาหรือกำจัดกิเลส ท, ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมในจิตในใจให้หมดไปที่มาหนังสือทำปฏิบัติ และตอบปัญหาการปฏิบัติธรรมโดยพระราชสังว ร, รยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยหน้า301การแผ่เมตตาความหมายและคุณค่าของการแผ่เมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยาและ หมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตรดังนั้นการแผ่เมตตาจึงได้แก่การส่งกระแสจิตของตนเองไปสู่ผู้อื่นที่เป็นเทวดามนุษย์และสัตว์ด้วยความหวังที่ดีจะให้เขามีความสุขได้รับความสมหวังในชีวิตเป็นการแสดงออกซึ่งน้าใจที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมของผู้แผ่เมตตาการแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบันดิต ท, ทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับเพราะเห็นประโยชน์ว่าการแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็ยนลงได้และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขได้และเมื่อตัวเองได้รับความสุขเพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลก ได้รับความสุขอย่างนั้นบ้างจึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่นผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพลอยมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นและได้พบกับความสุขทางใจไปด้วยด้วยเหตุการแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกันรักใคร่กันชั้นพี่น้อง และหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้อยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกันปราศจากความระแวงกันและกันเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้าใสใจจริงวิธีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานั้นควรแผ่ให้ตนเองก่อนคือต้องปรารถนาความสุขให้แก่ตัวเองเสียก่อน โดยวิธีสร้างความรักตัวเองในทางที่ถูกที่ควรคือไม่ทรมานตัวเองด้วยการกระทำด้วยความคิดที่ผิดๆทำตัวเองให้มีอำนาจทางจิตด้วยความดีเสียก่อนแล้วค่อยๆขยายวงเมตตาออกไปยังผู้อื่นสัตว์อื่นตามลำดับแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกันก็ตามเพราะถ้าหากสามารถแผ่เมตตา ไปให้แก่ผู้ที่ไม่ถูกกันได้นั่นแสดงว่าผู้นั้นได้ยกระดับให้พ้นจากความโกรธเคืองหรือความอิจฉาริษยาได้แล้วค่อยเมตตาเพราะเมตตานี้เป็นเครื่องกําจัดกิเลสคือโกทะความโกรธโสทะความประทุร้ายอรติความไม่ชอบใจด้วยอํานาจของความอิจฉาริษยาเสียได้ต่อไป ตัวเองก็จะประสบความสุขความสงบทางใจไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความกระวนกระวายใจอะไรต่อไปอีกเพราะปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจเสียได้แล้วซึ่งผิดกับตอนที่ยังโกรธอยู่ยังอิจฉาเขาอยู่ในตอนนั้นจิตใจจะมีแต่ความร้อนรุ่มกลุ้มอกกระวนกระวายใจและไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเห็นได้ชัด เราควรแผ่เมตตาทุกวันอย่างน้อยก็ก่อนนอนทุกคืนถ้าสามารถทำให้มากครั้งต่อวันได้ก็ยิ่งจะเป็นกำไรชีวิตเช่นนึกแผ่เมตตาทุกอริยาบทขณะเดินไปตามถนนหนทางขณะนั่งรถไปทางานขณะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือขณะนั่งพักผ่อนณที่ใดที่หนึ่งหลังจากว่างงานเพราะในขณะจิตใจปลอดโปร่ง เหมาะที่จะนึกแผ่เมตตาอย่างยิ่งและในขณะนั้นเท่ากับว่าได้ทำกรรมฐานไปในตัวด้วยเพราะการแผ่เมตตานี้จัดเป็นกรรมฐานประการหนึ่งที่จะทำให้ใจสงบเย็นลงได้และจะคอยควบคุมจิตใจให้นึกคิดไปในทางที่ถูกที่ควรได้เร็วขึ้นฉะนั้นแม้ว่าผู้แผ่เมตตาจะทำได้เพียงวันละเล็กวันละน้อย แต่ทาทุกวันจนติดเป็นนิสัยก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างหนึ่งอย่างแน่แท้คำแผ่เมตตาแบบทั่วไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์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 เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขิอั ต, ตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดการแผ่เมตตาทั้งสองแบบนี้จะเป็นเพียงแบบใดแบบหนึ่งตามถนัดก็ได้หรือจะนึกภาวนาเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างก็ได้วิธีกรวดน้ำเมื่อจะกรวดน้ำ เพื่ออุทิศ ส, ส่วนบุญนิยมทํากันดังนี้คือเริ่มต้นเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะไว้พอสมควรแก้วน้ำหรือขันก็ได้พอพระสงฆ์เริ่มสวดอนุโมทนาบุญขึ้นต้นด้วยยะถาก็เริ่มกลวดน้ำจบด้วยยะถาเราต้องหลังน้ำให้หมดในภาชนะและการหลังน้ำกลวดนั้นถ้าเป็นพื้นดินควรหลังลงในที่สะอาด ถ้าอยู่บนสถานที่ที่ไม่มีพื้นดินต้องหาถาดหรือขันรองน้ำกรวดไว้เสร็จแล้วจึงนําไปเทลงดินตรงที่สะอาดอย่าใช้กระโถนหรือภาชนะสกปรกรองรับเป็นอันขาดเพราะน้ำที่กรวดเป็นสขีพยานในการทำบุญของตนว่าทำด้วยใจสะอาดจริงๆคำกรวดน้ำที่นิยมว่ากันในเวลากรวดทั่วไป มีหลายแบบคือแบบสั้นแบบย่อและแบบยาวว่าเฉพาะคําบาลีแบบสั้นคือคํากรวดน้ําแบบสั้นอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัดไว้ในพระบาลีอังคุตระนิกายว่าผู้แผ่เมตตาเป็นประจำย่อมได้รับอนิสงส์ส1ประการดังนี้ 1. หลับเป็นสุขคือหลับสบายหลับสนิท 2. ตื่นเป็นสุขคือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัวสบายใจหายอ่อนเพลียไม่มีอาการง่วงติดต่ออีก 3. จะไม่ฝันถึงสิ่งเ็วร้ายทำให้สะดุ้งตื่นกลางคัน หรือไม่ฝันวาาเสียวต่างๆ4เป็นที่รักของคนทั่วไปคือจะเป็นคนมีสเสน่ห์ไปที่ใดก็ปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายแม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้5เป็นที่รักของมนุษย์ทั่วไปคือแม้แต่สัตว์ต่างๆก็รักผู้แผ่เมตตาไม่ขบกัดไม่ทำร้ายทำให้ปลอดภัยจากเขียวงาทุกชนิด 6. เทวดารักษาคุ้มครองคือจะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาจะไม่ประสบอุปัตตวะภัยต่างๆทางบกทางน้ําและทางอากาศ 7. ไฟศาสตรายาพิษไม่แผ่วพานคือสิ่งเหล่านี้จะทําอันตรายมิได้จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ 8. จิตเป็นสมาธิเร็วคือ ผู้แผ่เมตตาเป็นประจำถ้าทำสมาธิจิตจะสงบนิ่งได้เร็วหรือจะอ่านหนังสือจะทำงานอันใดก็ตามจิตจะไม่ฟุ่งซ่านย่อมตั้งใจได้เร็วทำงานนั้นสำเร็จสมประสงค์9หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสคือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำหน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ำมีนวลมีเสน่ห์เรียกความสนใจได้จะดูอิ่มเอิบตลอดเวลา แม้จะมีอายุมากแม้รูปร่างจะไม่สวยงามแม้จะไม่ได้รับการแต่งตัวด้วยเครื่องสำอางใดๆหน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสหน้าดูอยู่เสมอ 10. ไม่หลงเวลาตายคือเวลาใกล้าตายจะไม่หลงเพอ้อละเมอหรือโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็นจะสิ้นใจอย่างสงบเหมือนนอนหลับไปฉนั้น 11เมื่อไม่อาจบรรลุทำขั้นสูงย่อมเข้าสู่พรห ม, มโลกคือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำแม้ไม่ได้บรรลุทำชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ก็ย่อมจะไปบังเกิดในพรห ม, มโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌานเพราะฉะนั้นผู้ประสงค์เป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้อื่นหรือหวังความสุขสงบความเยือกเย็นแห่งใจจึงควรได้แผ่เมตตากันดูเถิด สร้างเมตตาทำไว้สร้างเมตตาทำไว้ในใจดีกว่าจะมานั่งเดือดร้อนใจโดยไฟโกรธไฟริษยาอาฆาตดีกว่าจะมานั่งเสียเวลาหาเมตตามหานิยมณ ห, หน้าทองเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเองเพราะวิธีปลูกต้นเมตตานี้ไม่ทำให้หนักตัวเองเพราะพกพาไปไม่ต้องกลัวหายและไม่ต้องกลัวถูกขโมย เพราะมีติดตัวติดใจประจําอยู่ตลอดคําอธิษฐานจิตประจําวันบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกกุตระธรรมเก้าโล ก, กุตระธรรมเก้าในทันทีข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องเที่ยวไปในวัตฏสงสารขอให้ข้าพเจ้า เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปประการขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งหพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในการมคุณทั้งหพึงเว้นจากพึงเว้นจากเปลือกตมดั ง, 5, งกล่ 5, วาว 5, คือการมคุณขอให้ข้าพเจ้า ไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหาเรียตปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอมงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขา่าคนหลงงมงาย ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตถะและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขัดในธรรมะที่ควรรู้ประดุดลมพัดไปในอากาศฉนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพระเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติเมื่อใดพระสัมมาสัพพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาขอได้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกตัดสรุ่ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่ง อ, อรหัตผลอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้น แต่กุศลธรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงเถิดที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีธรรมท่านกำลังรับชมรายการเล่าเรื่องเล่าธรรม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 ทำอธิษฐานต้องห้ามที่อาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเชื่อว่าแทบไม่มีใครอธิษฐานจิตหลังจากทำบุญเสร็จการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรือขัดกับหลักศาสนาแต่ประการใดตรงข้ามกันพระพุทธเจ้าและพระอรหันต่างก็ทำบุญแล้วอธิษฐานทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามคุณนัทพบธรรมได้กล่าวไว้ในหนังสือ หลุมพลางชาวพุทธว่ามีคำอธิษฐานบางอย่างเป็นคำอธิษฐานต้องห้ามที่ไม่ควรเ อ, อ่ยออกมาพระอาจส่งผลเสียกับชีวิตคุณได้อย่างคาดไม่ถึงหนึ่งขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติหลายคนเวลามีรักที่สมหวังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักก็มักอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าภพชาติไห น, ไหน จะอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้เช่นในชาติต่อไปเรากับเขาอาจเกิดมานับถือคนละศาสนากันและมีศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกัน สุดท้ายก็อาจกลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนามักนำพาซึ่งความไม่ลงรอยกันหรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกันในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดรักร่วมเพศที่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆและมีความทรมานเป็นอย่างยิ่งสองขอให้มีความรักมีความเมตตา ม, มากๆ คำอธิษฐานนี้ฟังเพลินเหมือนจะดีแต่ความจริงแล้วคำอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีความรักความเมตตาและความพยายามทำดีกับเราหลายคนจนอาจทำให้เราค่อยๆหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้หรือถ้าเรากับเขาเจอกันในตอนที่ต่างก็มีคู่ครองอยู่แล้ว คำอธิษฐานที่เคยตั้งเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักห้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัวทั้งสองฝ่าย 3. ขออย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเครียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักจะอธิษฐานแบบนี้ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลจากคนคนนั้นตรงข้ามกันจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอเขาในชาติต่อๆไปอีกหลายชาติและด้วยจิตที่ผูกโกรดนั้นก็จะทำให้ในชาติอื่นเราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาฆาตกับเราแล้วจะตามจองเวรกันไปไม่รู้จักจบสิ้นทางที่ดี โกรธเกลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีกว่า 4. ขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จแม้ความสำเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่งที่ใครๆปรารถนาแต่การอธิษฐานให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราหลงผิดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคําอธิษฐานนั้น ก็ส่งผลให้เราประสบความสําเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมายทําให้เราได้บาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่นมหาเศรษฐีบางคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิด 5. ขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศคําอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิมหายล่มจม ถือเป็นจิตอกุศลเราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าวและอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสาปแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเองก่อนจะอธิษฐานอะไรลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอลองคิดให้รอบครอบด้วยว่าคำอธิษฐานของเราจะย้อนมาทาลายตัวเราได้หรือไม่และไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรไว้ก่อน อย่าลืมตั้งใจลงมือทํากันด้วยนะครับหลวงปูด่ดูพรห ม, มปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่สิ่งดีๆไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวมสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตา ส่วนความสุขนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกจากทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพานปั จ, จโยโหตุ เพราะถึงแม้เราจะขอพรร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งคู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่ทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจน ก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต้อยต่ำก็ใช้ปัญญาหางานหายศดตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทา ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพานปัจโจยโหตุที่โบรณาณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพลวะปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตราย ด้วยอวิชชาที่ครอบนำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกอย่างแท้จริงวิธีเพิ่มบุญบา ร, รมีให้ตัวเองหลุดพ้นจากกรรมเก่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาตามความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วการทำความดีถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผลบุญหนุนนา ให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆมีความสุขทางใจและบางครั้งที่ชีวิตถึงจุดอับการทำบุญก็ช่วยส่งเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อช่วยผลักดันดวงชะตาให้รอดพ้นจากทุกข์หนักหรือบรรเทาให้เบาลงได้ 1. ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุข พ่อแม่คือพระประจำบ้านอย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจหรือเป็นทุกข์ใจหรือถ้ามีโอกาสทําความดีก็ควรหมั่นทําอาจจะพาไปเที่ยวซื้อของมาฝากและเรียกพวกท่านมารับของที่เราซื้อมาเท่านี้ก็เป็นบุญที่ดีที่สุดแล้ว 2. ตักบาตตอนเช้าก่อนที่จะไปทํางานตื่นเช้าขึ้นมาอีกสักนิดรู้จักการให้มากกว่าการรับ แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น 3. ส, สวดมนต์วันละหนึ่งบทให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์มากขึ้นอาจเป็นบทสวดมนต์ง่ายๆอย่างการแผ่เมตตาหรืออิตติปิโสแต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็สวดพระคาถาชินบัญชรหนึ่งจบก็จะดีเลยละ 4. ถวายน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหรืออาหารคาวหวานหรือจะเป็นดอกไม้พวงมาลายัย ให้พระพุทธรูปที่บ้านพระพุทธรูปประจําบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีของคนในบ้านเราจึงควรดูแลท่านให้ดี 5. นั่งสมาธิอย่างน้อย5นาทีแบ่งเวลาแค่เพียงวันละหนาทีอยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิเสียบ้างไม่เรียกว่าเสียเวลาหรอก6ไม่กินเนื้อสัตว์สักหนึ่งวันในสัปดาห์ลองไม่เบียดเบียนสัตว์ดูบ้างได้ทําบุญ และสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกันเจพูดคุยหรือสั่งสอนเรื่องธรรมะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมซึ่งกันและกันจะช่วยให้รอบรู้มากขึ้น 8. ทํทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทางเช่นหากพบเจอพระสงฆ์ที่รอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็อาจจะไปบอกท่านว่าเราต้องการทำบุญ เนื่องจากไม่มีเวลาจะไปที่วัดและขอเสนอตัวไปขับรถไปส่งท่านณจุดมุ่งหมายหรืออาจถวายเงินผ้าไตรจีวรหากพบว่าท่านกำลังซื้อของอยู่หรือมีร้านอยู่ใกล้ๆพอดี 9. ถ้าทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใดก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและเราจะต้องไม่เดือดร้อน ทำตามกําลังความสามารถของเราที่เราพอจะทําได้และเราต้องไม่ลำบากเช่นช่วยคนแก่ให้ข้ามถนนให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นต้นสิบให้คำแนะนำดีๆกับผู้ที่มีความทุกข์และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราคำแนะนำของเราจะต้องไม่ทําให้เขาคนอื่นเดือดร้อนด้วยอ ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเราตรงนี้ยกเว้นรัตเตอรี่นะครับเพราะหากเป็นรัตเตอรี่เรามักจะหวังผลจากรัตเตอรี่ที่ซื้อไปว่าอาจจะถูกรางวัลซึ่งการทำบุญตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นสิบสองดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดีเช่นอาบน้ำดูแลจานใส่อาหารให้สะอาด ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงที่อยู่มันพูดคุยคอยสังเกตว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไปเช่นชอบนอนในถุงหรือชอบนอนกับตุ๊กตาว่าโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกันอย่าคิดว่าเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยง13จานชามกินเสร็จแล้วควรล้างขึ้นมาทันทีหรือ ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาอาหารออกให้หมดก่อนเพราะไม่เช่นนั้นมดจะเดินเข้ามาขึ้นบนเศษอาหารทําให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมดและจะเป็นการฆ่าสัตว์แบบไม่ได้ตั้งใจ 14. ถือศีลห้าข้อที่ 1. ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่สองตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย ข้อที่3ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมข้อที่4ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคําหยาบคําส่อเสียดเพลอเจอข้อที่5ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรา 15. ให้อภัยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามการให้ทานแม้จะหมายถึงร้อยครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานแม้จะได้เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้อภัยทานก็คือการไม่ผูกโกรธไม่อาคาตจองเวรไม่พยายามคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรูซึ่งได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทาน1ิบหกสิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์เช่นเสื้อผ้าหนังสือ ที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่มีค่าแล้วสำหรับเราอาจมีค่าอย่างยิ่งสำหรับคนอื่นลองแบ่งปันให้พวกเขาดูบ้างทาบุญง่ายๆเพิ่มพลังทาบุญทวีคูณลงทุนน้อยได้กำไรมากกว่าตามแนวหลวงปู่ดูพรมปัญโยการทาบุญเสริมบรารมีตัวเองเป็นการสร้างความดีหลายคนอาจมองว่าทาบุญแล้ว ทำไมยังไม่มีอะไรดีขึ้นอา น, นิสงค์ของการทำบุญและพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ทว่ายังส่งผลไม่ได้จนกว่ากรรมนั้นหรือกรรมดำนั้นจะลดลงจึงจะเข้าไปส่งผลกับชีวิตของเราหลายคนอาจมองว่าการทำบุญเป็นเรื่องยุ่งยากต้องไปทำที่วัดต้องใช้เวลานานบางคน ก็ไม่มีเวลาวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการทำบุญเพิ่มพลังบุญง่ายๆกันซึ่งบางวิธีอาจจะทำได้ง่ายกว่าที่เราคิด 1. การเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวคล็ดวิชานี้เป็นของท่านหลวงปู่ดูพรหมมะปัญโยท่านสอนไว้ว่าเวลาตื่นเช้าขึ้นมาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้า ให้ท่องว่าพุทธังสารนังคชามิทำมังสารนังคชามิสังคังสารนังคชามิเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่ก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดีเป็นต้นว่าเห็นเขาใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนนก็ให้นึกอนุโมทานกับเขาด้วยเดินผ่าน เห็นดอกไม้บูชาพระวางขายอยู่ก็ให้เอาจิตนึกอธิษฐานขอถวายดอกไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยโดยระลึกว่าพุทธะธรรมะสังคสะปูเชมิแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้พ่อค้าแม่ค้านั้นด้วยเวลาไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระรัตนตรัย โดยระลึกว่าโอมโอมอคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาสองการเพิ่มพลังบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่การสร้างบุญที่เป็นมหากุสลอาทิการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระมหาเจดีย์สร้างยอดฉัตร หรือสร้างศาสนสถานอื่นใดก็ตามรวมถึงทำทานด้วยเพื่อลดวิบากกรรมหนักสามารถทาได้แม้แต่ผู้ที่มีเงินน้อยการทาบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากเหมือนที่หลายๆคนในปัจจุบันเข้าใจและติดกันเป็นค่านิยมการทําบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่ให้ทาตามแต่กาลังของเราที่สามารถจะทาได้ และต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแม้แต่เงินสลึงเดียวก็สามารถสร้างมหากุศลได้ขอให้เพียงเงินนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนของใครมาก็พอและที่สาคัญเจตนาตอนที่ทำต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทำเกิดความสุขและความอิ่มเอมใจนั่นแหละมหากุศล์ทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีเงินจริง ก็ยังสร้างมหากุศลได้โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยก่อสร้างหรือแม้แต่การไปชักชวนเปล่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญและอนุโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นด้วยทุกครั้งก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจเป็นที่ตั้งสรุปสั้นๆว่าการทำบุญนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุญเท่าใดก็ได้บุญเช่นกันยิ่งการทำบุญใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากหรือต่อสังคมบุญนั้นก็จะมากขึ้นทวีคูณไม่มีวันหมดอาทิเช่นสังฆทานสร้างโรงทานวิหารอุโบสถถนนเป็นต้นจนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานนั้นที่ร่วมสร้าง จะพังทลายไป 3. การสวดภาวนาให้ได้บุญมากขึ้นการสวดภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์หรือมนตราอันศักดิ์สิทธินั้นถ้าได้ทำอย่างถูกวิธีจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพราะพลังบุญพลังอำนาจของพระคาถาและมนตรานั้นจะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วยคล็ดวิธีมีอยู่ว่าโดยก่อนสวดนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้วขอให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วอุทิศส่วนบุญทั้งหมดที่ตนเคยทํามานั้นส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตรานั้นๆด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึ่งและหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอให้มีส่วนร่วมในบุญของท่านและขอให้มีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่น ที่ได้สวดคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยเมื่อใดตามที่มีคนอื่นสวดและกระทําเหมือนกับเราเราก็ได้บุญเพิ่มทุกครั้งแม้แต่เงินสลึงเดียวก็สามารถสร้างกุศลได้ขอให้เพียงเงินนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้เบียดเบียนของใครมาก็พอและที่สําคัญเจตนาตอนที่ทําต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทําเกิดความสุข และความอิ่มเอมใจนั่นแหละมหากุสลทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ยังสร้างมหากุสลได้โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยก่อสร้างหรือแม้แต่การไปชักชวนเป่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญและอนุโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นด้วยทุกครั้งก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนา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 จนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือาศาสนสถานนั้นที่ร่วมสร้างจะพังทลายไป 4. การทำบุญด้วยการต่อชีวิตสัตว์ให้ได้บุญมากการทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้นหลายคนเรียกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ซึ่งก็แล้วแต่จิตจะพาไปแต่ในความเป็นจริงก็คือเป็นการทำบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิต ต่อโชคชะตาให้เวลากับสัตว์ที่กำลังจะถึงตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้งและเคล็ดลับสำคัญก็คือก่อนที่จะปล่อยสัตว์นั้นๆเมื่อได้ซื้อมาหรือเจอที่ใดก็ตามให้นำไปถวายกับพระเสียก่อนเพื่อเพิ่มบุญให้มากขึ้นเหตุเพราะว่าพระสงฆ์ที่รับนั้นท่านบริสุทธิ์และมีศีลมากกว่าเรา ท่านย่อมมีบุญมากกว่าเรายิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญมากแล้วบุญนั้นจะเพิ่มเป็นหลายเท่าจากนั้นก็ขอพาติกรรมชําระนี่สง์ซื้อคืนมาจากท่านด้วยเงินเท่ากับจํานวนที่เราซื้อสัตว์นั้นนั้นมาวิธีนี้เป็นการเพิ่มบุญอีกเท่าตัวได้ทั้งทำบุญต่อชีวิตสัตว์และชําระนี่สงด้วยหลังจากนั้น ก็นํำไปปล่อยในที่อันสมควรอานิสงของการทำบุญด้วยวิธีนี้ถ้าใครที่ทำได้ตามนี้บุญที่ได้จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากการที่ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยตามยะถากรรมวิธีนี้นอกจากได้บุญน้อยแล้วแถมยังได้บาปกลับมาด้วยดังนั้นจะทำบุญทั้งทีควรฉลาดในการทำบุญด้วย 5. การทำสังฆทาน ให้ได้อนิสง์บุญมากขึ้นการทำสังฆทานควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสี่มีอาหารข้าวหวานผลไม้น้ำเครื่องนุ่งหม่มผ้าไตรจีวรหรือผ้าขนหนูสีสุภาพยารักษาโรคและควรเพิ่มหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรซึ้งในรสพระธรรม มีจิตใจที่เย็นสบายผลนทุกข์เคล็ดลับสำคัญเครื่องสังฆทานและอาหารเหล่านี้เราควรที่จะต้องไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงแต่ถ้าหาไม่ได้หรือไม่ทราบให้เรานั้นตั้งจิตอธิษฐานถวายแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงและพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือ เพื่อให้อานิสงของบุญจะได้มากขึ้นทบทวีและหลังจากนั้นก็ให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดและควรกลวดน้ำหลังทำบุญทุกครั้งเพื่อให้พระแม่ธรณีและเทพเทวาทั้งปวงท่านเป็นพยานในการทำบุญครั้งนี้สรุปเมื่อท่านได้ทราบว่าทำบุญอะไรแล้วได้รับอานิสงของการทำบุญเป็นอย่างไร สมควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้รับทราบด้วยเพราะเป็นการให้ผู้อื่นได้รู้ถึงอนิสงของบุญในแต่ละอย่างจะได้สืบต่อกันไปอย่างถูกต้องดังนั้นจึงสรุปว่าการทำบุญอะไรก็ตามเมื่อได้ทำบุญแล้วก็ได้รับผลบุญนั้นในทันทีกล่าวคือขณะที่ทำบุญนั้นสภาพจิตของเราตรงนั้นเป็นอย่างไรสุขใจไหม สบายใจไหมภูมิใจไหมตรงนี้ไม่ต้องถามหวังว่าท่านที่เคยทําบุญมาแล้วก็จะตอบตัวเองได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวเมื่อเราได้ทําบุญผลของการทําบุญจะให้อานิสงไม่เหมือนกันบุญบางอย่างก็ให้ผลโดยตรงแต่บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยอ้อมไม่ตรงทีเดียวในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า อนิสงส์แห่งการทำบุญนั้นไม่เหมือนกันและผลบุญที่เราได้ทำนั้นรอให้ผลตลอดเวลาแก่ผู้ที่ได้ทำบุญไว้ตราบเท่าที่ยังมีผลบุญอยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าไม่ประมาท ถ, ถึงแม้ไม่มีอะไรจะทำบุญเพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วทำใจให้เลื่อมใสก็เป็นอันได้บุญเหมือนกันบุญชนิดนี้เรียกว่า บุญด้านปัตตานุโมทนาใหม่หรือบุญจากการอนุโมทนาบุญหลวงปู่ดูแนะคําอธิษฐานเวลาทําบุญคําเดียวสั้นๆได้ผลดีครอบคลุมทั่วถึงทุกประการเวลาทําบุญควรอธิษฐานอย่างไรคนส่วนใหญ่เวลาทําบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตําแหน่ง แต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามากหลวงปู่ดูพร ม, มปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจะโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดรวมทั้งสุขภาพดี มียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สําคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสําคัญมากดังนั้นเวลาทําบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็เช่นว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ นิพาณปัจโจยโหตุเพราะถึงแม้เราจะขอพอรร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นอาจจะเอาไปเล่นพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็ไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีแต่คนรัก คนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักหลอกคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่ทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้น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 อันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรพพสัต ท, ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำให้ผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกอย่างแท้จริงการทำบุญด้วยวิธีใดก็ตามขณะทำขอแค่ทำด้วยใจอันบริสุทธิ์ศรัทธาและเลื่อมใสในสิ่งที่ทำสิ่งที่ได้กลับมา เห็นผลเร็วกว่าบุญคือความสุขใจสบายใจบัวชาแนลร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิโพธิญาลัยที่ปุรภาขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระธาตุพุทธวงศ์โพธิญาลครอบองค์เดิม บริจาคไดที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรสิกรไทยบัญชีหมายเลข 048-820-1484 ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาไัยที่ปุรภาขอให้ทุกทุกท่านจงเจริญในธรรมขอบพระคุณครับประวัติทักษิณชินวัตรจากตำรวจนักธุรกิจสู่วิบากกรรมทางการเมืองวลีเดช ก่อโต้ขอเป็นผอบทอบอของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เนบแนมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสร้างความสะเทือนไปทั้งโซเชียลและสื่อกระแสหลักอีกทั้งยังสร้างอุณหภูมิทางการเมืองเริ่มร้อนแรงขึ้นนักวิชาการหลายคนวิเคราะห์ว่านายทักษิณออกมาตอบโต้พลเอกประวิตย์ในช่วงนี้ เป็นการส่งสัญญาณเริ่มต้นการต่อสู้กระตุ้นให้กลุ่มผู้สนับสนุนและสมาชิกเพื่อไทยว่าอุดมการยังคงเหมือนเดิมและปามอดีตซซที่คิดย้ายพักสำหรับนายทักษิณชินวัตรถือเป็นบุคคลสำคัญในวงการการเมืองไทยเขาจะถูกขนานนามทุกครั้งเมื่อช่วงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและในช่วงก่อนการเลือกตั้งแม้การปากฏตัวของเขาผ่านโลกโซเชียล ก็ยังมีการหยิบยกเป็นประเด็นทางการเมืองทุกครั้งด้วยโดยเส้นทางทางการเมืองของนายทักษินชินวัตรเขาสนใจเรื่องการเมืองตั้งแต่เด็กตัวเขาเกิดที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรคนที่สองของนายเลอชินวัตรและนางยินดีชินวัตรครอบครัวเป็นนักธุรกิจระดับกลางเชียงใหม่ซึ่งมีกิจการค้าขายหลากหลายชนิดเช่นผ้าไหมกิจการรถเมล์โรงภาพยนตร์พ่อของเขาเคยเป็นสสจังหวัดเชียงใหม่ สมัยแรกในยุครัฐบาลของจอมพลถนอมกิติคจรหลังวางมือทางการเมืองได้สนับสนุนให้น้องชายคือนายสุรพันธ์ชินวัตรหรืออาของนายทักษิณชินวัตรลงสมัครรับเลือกตั้งแทนในระหว่างที่ทักษิณเป็นนักเรียนเตรียมทหารพ่อของเขามักจะพาไปสัมผัสบรรยากาศการประชุมพักและการประชุมสภ า, าอยู่เสมอโดยทักษิณสอบติดนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10รุ่นเดียวกับบุคคลสําคัญหลายๆท่านเช่น พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกสุกรรมพลสุวรรณทั์อดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารเพื่อนๆมักจะเรียกเขาว่าแม e l เนื่องจากเพื่อนไม่รู้จักชื่อเล่นแต่จริงๆแล้วชื่อเล่นของทักษิณคือน้อยหลังจากจบจากโรงเรียนเตรียมทหารในปีพศ2512ได้เลือกศึกษาต่อในเหล่าตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่26และสำเร็จการศึกษาในปีพศ 2,516 จากนั้นจึงเข้ารับราชการตำรวจและได้ทุนไปเรียนต่อในต่างประเทศในปีพศ 2,517 ได้แต่งงานกับคุณหญิงพจมานาป้อมเพชรและรับราชการตำรวจถึงปีพศ 2,527 จึงหันเหชีวิตเข้าสู่วงการธุรกิจอย่างเต็มตัวสาหรับวิธีการคิดแบบนักธุรกิจแบบกาได้กาเสีย การตัดสินใจทันทีพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการฝึกฝนและศึกษามาแต่ยาวไวจากผู้เป็นพ่อจึงได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่โดยได้เริ่มธุรกิจแรกคือการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด IC SI ต่อมาขยายกิจการเป็นบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์จำกัดโดยได้ใช้พื้นที่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนมาในระดับปริญญาเอกประกอบกับความเข้าใจในระบบราชการ ดำเนินธุรกิจขายบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการจนประสบความสำเร็จมาเป็นลำดับและได้ขยายพัฒนาธุรกิจเรื่อยมาโดยเปิดเป็นบริษัทย่อยเพื่อดูแลธุรกิจหลากหลายประเภทมากขึ้นแต่ช่วงหนึ่งของการดำเนินธุรกิจเคยประสบ ป, ปัญหาทางธุรกิจอย่างหนักบ้างแต่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยดีจนในยุคนั้นถือได้ว่าธุรกิจในเครือชินวัตร ครอบคุมเกือบจะครบทุกด้านของธุรกิจสื่อสารธุรคมนาคมและสารสนเทศในช่วงที่เขาเป็นนักธุรกิจได้รู้จักกับพลตีจำลองสีเมืองอดีตหัวหน้าพักพลังธรรมและแก่นนากลุ่นพันธมิตรโดยตัวเขามักจะพูดคุยเสยวนาเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองกับพลตีจำลองสีเมืองอยู่บ่อยครั้งจนพลตีจำลองเอ่ยปากชวนลงสนามการเมืองแต่อย่างปฏิเสธเพราะคุณหญิงพจมานไม่เห็นด้วยจนเวลาล่วงเลยมาสักระยะหนึ่ง พลตีจำลองกลับไปชวนมาเล่นการเมืองอีกครั้งข่าวนี้เขาจึงตอบตกลงโดยครั้งแรกสนามการเมืองเขามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2537ในสมัยรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยสมัยนั้นเป็นที่ฮือฮาในแวดวงทางการเมืองอย่างมากทุกสายตาต้องจับจ้องมาที่เขาเพราะเป็นนักธุรกิจแนวคิดใหม่ไฟแรงแต่ก็ทางานในตาแหน่งได้เพียง101วัน ก็ต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนเนื่องจากรัฐธรรมนูญขณะนั้นระบุว่ารัฐมนตรีต้องไม่มีกิจการสัมปทานกับรัฐจากนั้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมพศสองพายได้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักพลังธรรมและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเขตสอ ง, สองกรุงเทพมหานครและผ่านการเลือกตั้งในวันที่สองกรกฎาคมพศ2538โดยมีคะแนนเสียงเป็นลาดับที่1 ในเขตดังกล่าวซึ่งในครั้งนั้นพักพลังธรรมได้เก้าอี้สอ ส, อสอในสภาจํานวน23าที่นั่งทักษิณจึงได้รับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีโดยรับผิดชอบงานด้านการจราจรและระบบขนส่งมวลชนในสมัยรัฐบาลของนายบรรหารศิลปะอาชาแต่ความขัดแยงระหว่างพักร่วมรัฐบาลและขัดแย้งภายในพักพลังธรรมทําให้ทักษิณตัดสินใจลาออกจากการร่วมรัฐบาลและลาออกจากพักพลังธรรมด้วย ในปีพศ2540สมัยรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธ์ได้กลับมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการปรับคลมอใหม่เมื่อวันที่15สิงหาคมปีพศ2540แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากพลเอกชวลิตประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันที่6พฤศจิกายน2540 และนายชวนหลีกภัยได้รับการสนับสนุนให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนในปีพศ2541หลังจากที่ได้ลาออกจากพรรคพลังธรรมเขาได้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นโดยมีคำขวัญของพรรคที่ได้รับความสนใจจากประชาชนคือคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนเลือกตั้งมกราคมพศ2544พรรคไทยรักไทย ได้รับชัยชนะโดยกวาดสสได้248ที่นั่งทักษิณในฐานะ ห, หัวหน้าพักและผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่1ของพักจึงได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศการบริหารงานของเขาตลอด4ปีก็เริ่มมีคำขอลหาน ห, หลายๆเรื่องเช่นเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องคองลหานเรื่องการแทรกแซงกองทัพโดยในช่วงนั้นเขาได้ย้ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ ผบอทอบอไปดำรงตำแหน่งผบสสแล้วดึงพลเอกสมทัศน์อัตานานมาเป็นผบทบจนในปีพศ .2546 เขาได้ดันพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรญาติภูพี่ขึ้นดำรงตำแหน่งผบทบแต่ก็ดำรงตำแหน่งได้แค่1ปีเขาได้ย้ายพลเอกชัยสิทธิ์ไปนั่งตำแหน่งผบสสแล้วให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณขึ้นดารงตาแหน่งผบทบแทน จนรัฐบาลทักษิณอยู่ครบวาระ4ปีและกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่6กุมภาพออันธ์2548ครั้งนั้นพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ได้เก้าอีสอ้สสมากถึง377ที่นั่งและการบริหารประเทศในสมัยที่สองของทักษิณถูกคำคอลหาหลายเรื่องจนกระแสสังคมไม่ยอมรับอย่างรุนแรงมีการกดดันจากหลายฝ่ายประจวบเหมาะกับสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนั้นก็ระทุกความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและพลเอกประวิทย์พบบทบก็กเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมพศ2548เขาจึงแต่งตั้งพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินขึ้นมาเป็นพอบบทบเพราะเชื่อว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดได้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้ในปีพศ2549กลุ่มพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลได้ชุมนุมขับไล่สุดท้ายทักษิณก็ต้องประกาศยุบสภาในวันที่24กุมภาพันธ์2549และได้จัดเลือกตั้งใหม่ในเดือนเมษายนพศสอ4 9แต่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยและพรรคมหาชนรวมมือกันไม่สงผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสุดท้ายผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น ท้ายที่สุดในวันที่19กันยายนพศ2549ก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ตามคำสั่งของสารัฐธรรมนูญรัฐบาลรักษาการของทักษิณชินวัตรก็ถูกยึดอำนาจการปกครองโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคมอชอที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรลินพบทบเป็นหัวหน้าคณะถือเป็นจุดสิ้นสุดรัฐบาลของทักษิณชินวัตร ทักษินโพส12ปีรัฐประหารอาโหสิกรรมคนให้ร้ายกันแกล้งทักษินโพสเฟซบุ๊ก12ปีรัฐประหาร19กันยายนพศ2549ขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ให้ร้ายกันแกล้งเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อวันที่18กันยายนพศ2561นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีใจความว่า12ปีจาก19กันยายนพศ2549ถึง19กันยายนพศ2561วันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองวางใจเป็นกลางแล้วหลับตานึกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ท่านคิดว่าประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นแล้วหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษา ระบบราชการบริการประชาชนยาเสพติดการสาธารณาสุขกระบวนการยุติธรรมเศรษฐกิจของท่านเองรวมถึงความสุขของท่านและคนรอบตัวท่านสุดท้ายคือศักดิ์ศรีประเทศและความภูมิใจของท่านเรามีการปฏิวัติสองครั้งใน12ปีปฏิวัตินายยกที่เป็นพี่น้องกันและได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแน่นอนมีคนได้ดี และร่ารวยจากการปฏิวัติทั้งสองครั้งแต่คนที่แย่ลงในหลายมิติมีมากกว่าและไม่สำคัญเท่ากับประเทศไทยที่เราลักถูกมองแย่ลงในสายตาคนทั้งโลกเราถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะหันหน้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อบ้านเมืองหรือว่าเราจะตะเบงฟาดฟันกันฝ่ายเดียวทั้งทั้งที่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นที่ต่างกันชอบไม่เหมือนกันบางคนต้องถึงกับชีวิต บางคนเจ็บป่วยบางคนติดคุกบางคนถูกกันแกล้งทางธุรกิจทางอาชีพและตำแหน่งหน้าที่ราชการจนอยากตะโกนแรงๆว่าเราคนไทยด้วยกันไม่ใช่หรือแล้ววันนี้เราช้ากันพอแล้วหรือยังประเทศช้าพอแล้วหรือยังรอยยิ้มของคนไทยที่เรียกว่ายิ้มสยามหายไปไหนหมดแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้ในขณะที่โลกเขากำลังเอาสมองไปคิดค้นสิ่งใหม่ นำความจเจริญให้ประเทศเขาแต่เรากาลังล้าหลังในทุกๆด้านถ้าเราเปิดใจกว้างไม่เป็นกบน้อยในกาลาเราจะรู้ว่าเราต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกเยอะเทคโนโลยีที่ทั้งโลกกาลังใช้ประโยชน์มันกำลังจะไล่ล่าประเทศที่ปรับตัวไม่ทันและไม่คิดปรับตัวในโอกาสครบรอบ12ปีนี้ผมขอเปิดอกว่าผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นผมต้องสูญเสียความสุข ความอบอุ่นในครอบครัวผมที่พ่อแม่ลูกเราอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นมาตลอดต้องมาพากจากกันผมเสียใจที่คนที่รักผมสนับสนุนผมถูกรังแกแต่คงไม่เสียใจเท่าประเทศที่ผมรักแผ่นดินที่ผมเกิดและเติบโตมาซึ่งครั้งหนึ่งได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต้องมาตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ถึงแม้ว่าผมมีอายุที่กาลังก้าวเข้าปีที่เจบแล้ว แต่ผมเสียดายประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง12ปีที่ออกมาซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่12ปีแล้วยังไม่ลืมผมยังส่งผ่านความรักความปรารถนาดีมาถึงกันเสมอสุดท้ายนี้ผมขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ให้ร้ายกันแกล้งผมมาณที่นี้ด้วย พระพุทธรูปแห่งบามิยันแล้วพระคมพีพุทธเก่าแก่ที่สุดพระพุทธรูปแห่งบามิยันเป็นกลุ่มพระพุทธรูปหลายองค์โดยเฉพาะองค์ใหญ่สามองค์ที่ตั้งอยู่ตามหน้าผาณถ้ำหุบเขาบามิยันทางตอนกลางประเทศอัฟกานิสถาน หากจากกลุงคาบูลประมาณ230กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบนความสูงกว่า 2,500 เมตรซึ่งพระพุทธรูปทั้งหลายนี้สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่10ศิลปะเกรกโศิลปะพระพุทธรูปยุคแรกที่เผยแพร่มาจากอารยธรรมกรีกโบราณในเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2,544 พระพุทธรูปแห่งบามยัน ได้ถูกรัฐบาลตาลิบันระเบิดทำลายลงด้วยอ้างเหตุผลว่าการเคารพรูปเคารพนั้นผิดหลักศาสนาอิสลามซึ่งการระเบิดครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจคนทั่วโลกอย่างมากประวัติหุบเขาบามิยันตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมระหว่างจีนอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปมีการค้นพบศาสนาสถานทางศาสนาพุทธ และฮินดูเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในบริเวณนั้นมาก่อนที่จะมีการมาของศาสนาอิสลามในช่วงพุทธศตวรรษที่13าศาสานสถานที่สำคัญที่สุดในบริเวณนี้คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สมองค์สององค์แรกสร้างในช่วงปีพุทธศักราชห0 50, มีความสูง37เเมตรและองค์ที่สาม สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1997สูง55เมตรเป็นพระพุทธรูปแกะสลักฝาผนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทั้งหมดนี้คาดกันว่าสร้างโดยพระเทละแล้วราชวงศ์แห่งราชวงศ์คุปตะแห่งอินเดียตามฝ่าถ้ำ ท, ที่ได้ขุดเจาะกันไว้นั้นมีการวาดภาพซึ่งบ่งบอกถึงการผสมผสานของศิลปะคุปตะศิลปะคันธะและศิลปะเปอร์เซียได้อย่างชัดเจน และเมื่อพระถังซำจังได้เดินทางไปชมภูทวีปในปีพุทธศักราช1173ท่านได้เล่าว่าพระพุทธรูปในเหลืองอรารามไปด้วยทองคำและมีพระกว่า 1,000 รูปจำวัดอยู่ที่นี่มีอารามมากกว่า10แห่งมีพระสงฆ์หลายพันรูปล้วนเป็นฝ่ายโล ก, กุตรายานสังกัดนิกายหินยานพระสงฆ์ที่มีชื่อของเมืองนี้คือพระอรยทูต และพระอัลยะแสนมีความรู้ในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีที่เนินเขาของนครหลวงมีพระพุทธรูปยืนจำหลักด้วยศิลาสูงร้อหเชียมาตาวัดจีนถัดจากนี้ไปเป็นอารามและพระปฏิมาจำหลักด้วยแก้วกาดสูงหนึ่งเชียอารามนี้มีพระพุทธรูปสยัาติความยาว1000เชียบรรดาพระพุทธรูปเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือที่ประณีตสวยงาม นอกจากนี้ยังมีอารยปฏิสถานพระเขี้ยวแก้วพระธันตาาธาตุของพระปัจเจกพุทธในอดีตระหว่างช่วงประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,600 ปีของพระพุทธรูปแห่งนี้ได้พบเจอกับสงครามและการจู่โจมมาโดยตลอดถึงแม้จะมีชนพื้นเมืองชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งคือชาวสหรัฐได้ปกป้องศัตวนสถานแห่งนี้มาก็าตาม เริ่มต้นด้วยการเสรื่อมถอยของศาสนาพุทธในบริเวณนี้และการมาของศาสนาอิสลามการทำลายและการบุกรุกจอรกรรมวัตถุต่างๆจากภายในธรรมตั้งแต่900ปีที่แล้วจนมาถึงปีพุทธศักราช2522เมื่อสหภาพโซเวียตนำทหารเข้าบุกโจมตีอับสกานิสถานตามมาด้วยสงครามอัพสกันและสิ้นสุดลงด้วยการระเบิดของกลุ่มทาิบัน ในปีพุทธศักราช2544จากการสำรวจได้มีรายงานมากกว่า 80% ของภาพตามฝาผนังถ้ำได้ถูกทำลายลงไปแล้วคำให้การของนายชิกมีซาฮุตเซนเมื่อระเบิดทำลายพระพุทธรูปปามิยันตามคำสั่งของอำนาจของตาลิบันกล่าวว่าถ้าเขาไม่ระเบิดพระพุทธรูปตาลิบันจะฆ่าเขาทิ้งเพราะก่อนหน้านั้น ตาลิบันฆ่าลูกชายสองคนของเขาเหมือนสุนัขข้างถนนเขาจึงต้องทำเพื่อการอยู่รอดเขามีความเชื่อว่าด้านหน้าของพระพุทธรูปที่ถูกทำลายลงมีพระพุทธรูปปางสายญติองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีพระพักอมยิ้มฝังอยู่ใต้ดินซึ่งเป็นความเชื่อที่ได้ยินมาจากบรรพบุรุษสืบขานกันต่อหลายชั่วอายุคนสอดคลึงกันคาบอกกล่าวของพระถังสัมจัง๋ง ที่ได้เห็นพระพุทธรูปปางสายญาตินี้เช่นกันซึ่งนักโบราณคดีได้ขุดพบส่วนพระบาทของพระนอนเมื่อคศ2005พุทธศาสนาในประเทศอัฟกานิสถานพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยกลุ่มชาวสักยะที่หนีตายมาจากพระเจ้าวิถูพมีเจ้าชายองค์หนึ่งได้สมรสกับพระเทพทิดาพญนาคแล้วตั้งรกรากอยู่ที่แคว้นอุทยาน ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานในปัจจุบันและต่อมาก็หลังจากทุติยสังขยาก็มีพระกลุ่มมหาสังทิกะได้เผยแพร่ในบริเวณแคว้นนครหานซึ่งใกล้แคว้นขันทระทางทิศเหนือแต่สองยุคนี้ไม่ปรากฏแน่ชัดทางประวัติศาสตร์หลายพันปีต่อมาชาวมุสลิมลุกหลานพระพุทธศาสนาจึงเสื่อมลงเรื่อย และมีการทำลายพระพักของพระพุทธรูปปามิยนทั้งสององค์แต่ในสมัยนั้นก็ยังมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่หลักหมืน่นลทัทธิการแสดงออกของเขาทำได้แค่ใช้ผ้าสีเหลืองเล็กๆผูกหางเปียกสั้นๆเท่านั้นต่อมาในยุคตลีบันเข้าปกครองประเทศนี้เป็นเวลา5ปีชาวพุทธจะต้องผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายรอดเพียงไม่กี่ราย และมีความหวังที่จะไปสัมผัสหุบเขาบามิยันสักครั้งในชีวิตแต่พระพุทธรูปแห่งบามิยันก็ถูกทำลายอย่างย่อยยับโดยกลุ่มตาลิบันและชาวพุทธในอัฟกานิสถานที่รอดชีวิตมาได้ก็อพยพไปประเทศเพื่อนบ้านของอัฟกานิสถานพบพระคำภีพุทธเก่าแก่ที่สุดในธรรอัฟกานิสถานเดือนธันวาคม2539เจมบราวิ์ก ศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีแห่งศูนย์การศึกษาก้าวหน้านอร์เวย์ได้ไปร่วมประชุมวิชาการที่เมืองไลเดนผู้ร่วมประชุมคนหนึ่งได้เล่าให้เขาฟังว่าแซมฟ็อกพ่อค้าของเก่าแห่งนคร ล, ลอนดอนได้ขายชิ้นส่วนเอกสารโบราณของพุทธศาสนาจำนวน108ชิ้นแก่นักสะสมชาวนอร์เวย์ชื่อมาตินสคอยัน ผู้เป็นเจ้าของทพิพิธภัณฑ์เอกสารโบราณที่ใหญ่ที่สุดของโลกพอได้ยินดังนั้นบลาวิกเกิดความสนใจอย่างแรงกล้าจึงได้ไปพบกับสคอยันเพื่อขอศึกษาเอกสารดังกล่าวซึ่งสคอยันก็ยินดีให้ความร่วมมือและยังบอกเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าก่อนหน้าที่ฟ็อกจะขายเอกสารให้เขานั้นฟ็อกได้ติดต่อนักโบราณคดีชื่อลอเซเซนเตอร์ ler, ให้ช่วยเขียน อธิบายความเป็นมาของเอกสารนี้ซึ่งเม่แซนเดอร์นำไปวิเคราะห์ก็พบว่ามันถูกจารึกเป็นภาษา ส, าสันสกฤตในช่วงราวพุทธศักราช 540-940 ถึงเเป็นพระคำภีในพุทธศาสนาที่ว่าถึงพระสูตรพระวินัยตลอดจนจารึกเหตุการณ์ต่างๆหลากหลายบางเรื่องก็เป็นทราบกันดีอยู่แล้วแต่เอกสารอีกหลายชิ้นมีเรื่องเล่าที่ไม่เคยปรากฏให้โลกรู้มาก่อน แล้วเรียกได้ว่าเป็นเอกสารสําคัญที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของพุทธศาสนาที่มีหลักฐานเหลืออยู่พระคำผีพุทธศาสนาเหล่านี้จะรึกอยู่บนแผ่นวัสดุต่างๆได้แก่ใบลานเปลือกไม้และหนังแกะเจาะรูแล้วร้อยได้รวมไว้เป็นเล่มบางเล่มอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ที่เป็นเศษเล็กเศษน้อยนั้นมีจานวนมากและเมื่อสืบหาข้อมูลต่อไป เปล่าวิกก็พบว่าแหล่งที่มาของเอกสารสาคัญล้าค่านี้ไม่ใช่อื่นไกลแต่เป็นถ้ำต่างๆแห่งหุบเขามามิยันในอัฟกานิสถานนั่นเองก็ตั้งเราย้อนถึงอดีตการางนี้กันหน่อยนะครับสมัยนับพันปีก่อนนู้นอัฟกานิสถานเป็นดินแดนอยู่บนเส้นทางสายไหมอันลือลั่นเชื่อมทอดระหว่างโยุโรปกับจีนและยังเป็นทางผ่านจากจีน ไปสู่อินเดียด้วยภิกษุในพุทธศาสนาได้จาริกจากอินเดียไปเผยแผ่ธรรมะยังเมืองจีนด้วยเส้นทางนี้และเนื่องจากเป็นหนทางอันยาวไกลจึงได้พำนักระหว่างทางโดยอาศัยถ้ำต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายณนะเชิงเขาบามิยันซึ่งไม่ไกลจากกรุงคาบูลนครหลวงของอัฟกานิสถานเท่าใดนักผู้จารึกศาสนาและนักเดินทางทั้งหลาย ได้พบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอารยธรรมระหว่างกันในถ้ำพมนักนี้จึงมีการจารึกพระคัมภีร์ในพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างๆทั้งจีนเจอรกีทิเบตมงกุเลียนเมื่อมีเอกสารศาสนาเพิ่มขึ้นก็ได้มีการจัดตั้งเป็นหอสมุดเก็บรักษาไว้ซึ่งนานนับ 1,400 ปีมาแล้วที่เอกสารเหล่านี้ ยังคงอยู่ในสภาพดีเนื่องจากสภาวะอากาศอันหนาวเย็นและแห้งแล้งของอัฟกานิสถานได้ช่วยรักษาสภาพไว้ไม่ให้เปลือยผุไปได้ง่ายถ้าจะเทียบนะครับพระคำภีพุทธในถ้ำบามิยันนี้ก็มีลักษณะดุจเดียวกับเหมือนพระคำภีในตุ่มแห่งเดซีของชาวยิวนั่นเองถ้าหากบ้านเมืองสงบสุขพระคมภีพุทธเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ในถ้ำนี้ไปอีกนานเท่านาน ว่าจากพุทธศักราช 1,300 เป็นต้นมาพวกมุสลิมได้ลุกราญิตดของอัฟกานิสถานเอกสารบางส่วนในหอสมุดได้ถูกทำลายเสียหายขาดวินชิ้นส่วนที่ยังเหลือรอดอยู่ได้พบว่าถูกนำไปเก็บไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งหากจากบามิยันไปทางเหนือราว300กิโลเมตรและเมื่อมุสลิมลุกราหนักขึ้นชาวพุทธเห็นว่าพระคำพีเหล่านี้ อยู่ในสถานะไม่ปลอดภัยเสียแล้วจึงได้แอบนำคัมภีร์อันล้ำค่าบรรทุกหลังลารอบหนีออกจากอับกานิสถานเมื่อราว 5-6 ปีที่ผ่านมานี้โดยเดินทางผ่านช่องเขาฮินดูกูดและได้มีการส่งทอดกันต่อๆไปจนถึงลอนดอนและไปอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์ที่นอร์เวย์ในท้ายที่สุดหลังจากที่โปรเฟสเซอร์บาวิกได้รู้ถึงแหล่งที่มาของพระคัมภีร์พุทธแล้วคราวนี้พิพิธภัณฑ์ที่สะเคยัน ก็ได้พยายามคนย้ายพระคำพีที่ยังเหลือตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานออกมาเก็บรักษาเอาไว้โดยใช้วิธีการทุกรูปแบบกระทั่งนำเอาออกมาได้เกือบทั้งหมดก่อนหน้าที่พระพุทธรูปบามิยันจะถูกทำลายและอัฟกานิสถานถูกกองทัพสัมพันธมิตรถลม่มเอกสารพระคำพีที่ทยอยนำออกมานั้นเมื่อรวมกันตั้งแต่ตนแล้วปัจจุบันมีอยู่ราวๆ 5,000 ันชิ้น ที่ยังเป็นรูปเป็นล่างกล่าวคือเป็นชิ้นส่วนของแผ่นจารึกใบลานเปลือกไม้และหนังแกะที่มีขนาดตั้งแต่2ตารางเซนติเมตรไปจนเป็นแผ่นที่สมบูรณ์นอกนั้นเป็นเศษกระชิดลิตอีกราว0 0 0ชิ้นเมื่อได้รับชิ้นส่วนพระคำผีมาแล้วทางพิพิธภัณฑ์จะทำความสะอาดจัดจเตรียมเก็บทำคัปปี้และลงหมายเลข ก, กากับแต่และชิ้นไว้เพื่อทาการศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งในการช่ำพระสังขยาพระคำผีได้ในมานี้มีใช่ของง่ายเลยครับจัดเป็นงานระดับยากที่ต้องอาศัยผู้รู้จริงจำนวนมากทางพิพิธภัณฑ์ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2540โดยมีการสัมมนาครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2540และท้ายที่สุดครั้งที่4เมื่อเดือนพฤษภาคม2542 ที่เมืองเกียวโตญี่ปุ่นโดยมีการเชิญนักโบราณคดีนานาชาติมาร่วมงานมีการจัดพิมพ์เผยแพร่บางเรื่องที่ได้แปลและเรียบเรียงเสร็จแล้วเช่นเรื่องของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอาชาติศัตรูและมหาปรินิพานสูตรเป็นต้นบูโรพุทโธพุทธสถานศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่จเจริญรุ่งเรือง ในยุค ข, ของอาณาจักรสีวิชัยมหาสถูปบุโรพุทโธมรดกโลกอันงดงามรังสรรค์ขึ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวสีวิชัยประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวมีความหมายอันมีในถึงธรรมะธรรมชาติและจักรวาลบุโรพุทโธ หรือบุโรบูดูพุทธสถานอันงามสงา่าหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตั้งอยู่ใจกลางเกาะชาวาอยู่ห่างจากเมืองยอกยากัตตาหรือยกยยของอินโดนีเซียไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ40กิโลเมตรสร้างขึ้นหลัพุทธศตรวตรรษที่14ในสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์ไซเลนแห่งอาณาจักรสีวิชัยซึ่งสมัยนั้นหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซีย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดียทางด้านการค้าและวัฒนธรรมทำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านความเชื่อของฮินดูและพุทธเป็นอย่างมากแต่กษัตริย์ของสีวิชัยซึ่งเป็นชาวฮินดูเกิดความเลื่อมใสแนวพระพุทธศาสนาและชนชาวสีวิชัยส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานทำให้เกาะชวาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสีวิชัยนี้ มหาสถตูปโบโรพุทโธอันงดงามนั้นรังสั่นขึ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปลี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวสีวิชัยปฏิมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรมะธรรมชาติหรือจักรวาลโดยสร้างขึ้นจากหินลาวามีพื้นที่รวมประมาณ5 5า0 0ตารางเมตร รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างยาวด้านละ123เมตรแต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้นสู่มหาเจดีย์ซึ่งมีทั้งหมด10ชั้นชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมส่วนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมส่วนฐานของบูโรพุทโธประกอบด้วยขั้นบันไดใหญ่4ขั้นกำแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ160ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังคล่องอยู่ในกามผูกพันกับความสุขสนุกสนานความปรารถนาทางโลกอันไม่รู้จบส่วนนี้จัดอยู่ในขั้นกา ร, รมภูมิในส่วนที่สองคือส่วนบนของฐานนั้นผนังทั้งด้านนอกด้านในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกต่างๆประมาณห4 6 0ัภาพในส่วนนี้ คือเป็นขั้นรูปภูมิคือขั้นตอนที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วนพุทธศาสตร์สนิกชนร่วมจเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนที่พุทธสถานโบโรพุทโธส่วนที่สคือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงรักข่างควม่มจำนวน72องค์แต่ละองค์บรรจุ ด, ด้วยพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอยู่3ามระดับโอบล้อมพระตดีองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธจำนวน72นั้นหากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึงรูป18 7แปดเจตสิกจิตนิพพานหนึ่งและฐานพระจีดีที่เป็นรูปบัวผิบานนั้นบ่งบอกถึงการรู้ตื่นและเบิกบานส่วนพระจีดีองค์ใหญ่นั้นภายในไม่ได้บรรจุสิ่งใดไว้อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สุดของนิพพานแล้วย่อมไร้ลักษณ์ไร้รูปรอยใดๆในส่วนนี้ถือเป็นขั้นอรูปภูมิที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไปบุโรพุทโธคงความยิ่งใหญ่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนผ่านการผ่านสมัยจบจนเข้าต้นพุทธศตรวรรษที่18ซึ่งกลายสิ้นยุคของศรีวิชัยซึ่งในเวลานั้นชาวโปรโ ต, ตุเกส ได้เริ่มเข้ามายึดคลองหมู่เกาะต่างๆและอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้เข้ามาแทนที่บูโรพุทโธได้ถูกลบเลือนไปและถูกทิ้งร้างแทมกลางปากเขาเป็นเวลานา 100, 100ับร้อยร้อยปีจนกระทั่งพุทธศตวรรษที่24เซอร์โทมัสสแตนฟอร์ดลาเฟินชาวดัตได้กลมพบบูโรพุทโธขึ้นอีกครั้งในสภาพที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง และมีการบูรณปฏิสังขอนครั้งแรกในระหว่างปีพุทธศักราช2448ถึง2453ต่อมาในปีพศักราช2516รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มต้นโครงการปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งโดยมีองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติได้ให้ทุนสนับสนุนรวมทั้งเงินทุนอุดหนุนจากบางประเทศที่นับถือพุทธศาสนา ซึ่งประเทศไทยก็มีส่วนร่วมด้วยขอเพิ่มเติมว่าท่ารำของระบำสีวิชัยในบ้านเรานั้นได้ค้นพบมาจากภาพจำหลักที่บุโรพุทโธนี่เองแล้วความสง่างามของบุโรพุทโธก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเชกเช่นในอดีตบุโรพุทโธพุทธสถานอันงดงามสงา่าไม่อาจจะสรรหาคำใดมาอธิบายความยิ่งใหญ่ของบุโรพุทโธได้ แต่เอิญได้มีโอกาสอ่านหนังสือของท่านเขมานันทะเรื่องบุรีแห่งบรมพุทธโธซึ่งท่านเขียนได้ลึกซึ้งกินใจมากเลยขอถือโอกาสนำบางส่วนมาถ่ายทอดความรู้สึกปิดท้ายกันตรงนี้โบโรคือพลังสร้างสรรค์บริสุทธิ์คือพลังแห่งน้ำใจและน้ำมือมนุษย์เดินดินด้วยรักและตระหนักรู้ต่อพุทธธรรม ว่าจะคือนคุนค้ำจูนโลกได้อย่างแท้จริงถ้าว่าความรักความงามความจริงและความดีมีอยู่จริงโบโรบูโวหรือบรมพุทโธเป็นอันคือการุญยธรรมอันสำแดงออกในงานศินละปะชั้นสูงส่งเท่าที่มนุษย์เคยสร้างสรรค์แล้วในโลกพิภพบรมพุทโธคือสื่อสืบสารมโนคติหากได้สัมผัส คงเป็นบุญแห่งขันและการจาริกมาก็เป็นบุญกิริยาและแม้ไม่มาเพียงรู้ในช่วงขณะใดาขณะหนึ่งลวง้วนผลมิติต่างๆก็ชื่อว่ามาถึงบุรีแห่งพุทโธและถ้ามันกลายเป็นวัสนาบารมีไปแล้วการเข้าผ่านประตู ก, การมุกนั้นก็คือการเข้าถึงไวยโลจนะพุทธะสภาพตื่นพลิบานอันรุ่งเรืองคือพระสทูมหาสุญญา ได้การภาวนาที่นูน่นทั้งกายว่าจาและใจเข้าทางธรรมนั้นนับว่างดงาม พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจับศึกพระอารัชีและเริ่มปฏิรูปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงกวาดล้าง จับศึกพระอารัชีส่งให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สามและเริ่มปฏิรูปเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งในอดีตพระเจ้าอโศกมหาราชส่งร่วมปฏิรูปพระศาสนาจับศึกพระอารัชีผู้ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสสังสมของมัวเมาในลาบสักระเหลวไหลนิเกียตเฮืเหิมและเพลิดเพลินในโล ก, กีวัตถุ จากนั้นทรงเป็นาศาสนุปธรรมพกในการสังคยาและส่งสมณทูตรประกาศพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดเหตุการณ์นักบวชนอกาศาสนามาปลอมบวชเพื่อหวังลาบสักการะและปิดเปือนคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนอินเดียพุทธศักราช276 ถึงพุทธศักราช312พระองค์ทรงมีพระไัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้ส่งธรรมนุบบมรุงพุทธศาสนาเช่นสร้างวัดวิหารพระสถูปพระเจดีย์และหลักศิลาจารึกเป็นต้นได้บมรุงพระพิสุสง์ด้วยปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มหม่มและยารักษาโรค การที่พระองค์ทรงบำรุงพระพิสุเช่นนี้ก็เพื่อจะได้พระพิสุในพุทธศาสนาได้รับความสะดวกมีโอกาสบำเพ็ญสมณธรรมได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลในการสแสวงหาปัจจัยสี่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นแต่กลับปรากฏว่ามีพวกนักบวชนอกศาสนาเป็นจำนวนมากปลอมบวชในพุทธศาสนาเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ เมื่อบวชก็คงสั่งสอนลัทธิศาสนาเก่าของตนโดยอ้างว่าเป็นคำสอนของพุทธศาสนาแสดงลัทธิธรรมให้ผิดคล่องพระพุทธประวัติกระทาให้สังคมนทินยุ่งเหยิงแตกสามเีรด้วยสัจธรรมปฏิรูปข้อนี้ทำให้พระโมคคัลิบุตรติสสะเถระเป็นคนละรู้กับพระมหาโมคลนะเถระในพุทธกาลซึ่งเป็นผู้ที่มีความแตกชาน แหนพระไตปิดกเกิดความระอาใจต่อการประพฤติปฏิบัติของเหล่าพระพิสุอารัชชีที่ปลอมบวชทั้งหลายจึงได้ปลีกตัวไปอยู่ที่ถ้ำอุโทต่างขบันพ์เจริญวิเวศสมบัติอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆ เ, เป็นเวลาเจ็ดปีและมอบภารกิจคณะสงฆ์ให้พระมหินทเถระดูแลแทนเมื่อจานวนพระอารัชชีมากกว่าพระภิษุแท้ๆจนพระพิสุ ผู้บริสุทธิ์งดทำอุโบสถสั่งฆกรรมร่วมถึง7ปีในสมัยนั้นจํานวนของพระอรชชีมีมากกว่าพระพิสุทิ์แท้จึงทําให้ต้องหยุดการทําอุโบสถสั่งฆกรรมถึงเจปีเพราะเหตุที่พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ยอมร่วมกับพระอรชชีเหล่านั้นจึงทําให้พระเจ้าอาโศกมหาราชไม่สบายพระทยัย ในการแตกแยกของพระสงฆ์ทรงประวารณาจะให้พระสงฆ์เหล่านั้นสามัคคีกันจึงได้ตัดสั่งให้อมัดหาทางสามคัคคีฝ่ายอมย์ฝั่งพระดำรัตไม่แจ้งชัดสำคัญผิดในหน้าที่จึงได้ทำความผิดอันร้ายแรงคือได้บังคับให้พระภิกษุบริสุทธิ์ทำอุโบสถร่วมกับพระอารัชีพระภิกษุผู้บริสุทธิ์ ต่างปฏิเสธที่จะร่วมอุโบสถสัง่งฆกรคำอา ม, มาจึงตัดศรีรษะเสียหลายองค์เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทราบข่าวนี้ทรงตกพระถ่ายยิ่งจึงเสด็จไปขอขมาโทษต่อพระพิสุสงฆ์ที่อารามและได้ตัดถามทรงว่าการที่อา ม, มาได้ทำความผิดเช่นนี้ความผิดจะตกมาถึงพระองค์หรือไม่พระสงฆ์ถวายคาตอบไม่ตรงกัน บางก็ว่าความผิดจะตกมาถึงพระองค์ด้วยเพราะอมัดทำตามคำสั่งแต่บางองค์ก็ตอบว่าไม่ถึงเพราะไม่มีเจตนาคำวิสจนาที่ขัดแย้งกันเช่นนี้ทำให้พระเจ้าอาโศกมหาราชกระวนกระวายพระทัยยิ่งนักทรงปรารถนาที่จะให้พระพิสุสง์รูปใดรูปหนึ่งผู้มีความสามารถและแตกฉานในพระธรรมวินยัย ถวายคําวิสัชนาอย่างแจ่มแจ้งจึงได้ตัดถามถึงพระภิสุท์เหล่านั้นก็ได้ตัดตอบว่ามีแต่พระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระรูปเดียวเท่านั้นที่อาจแก้ความสงสัยได้พระเจ้าอาโศกมหาราชจึงได้ส่งสารไปอาราธนาพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระให้ท่านเดินทางมายัางเมืองปาตลิบุตรแต่ไม่สําเร็จเพราะพระเถระ ไม่ยอมเดินทางมาตามคำอาราธนาพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ทรงไม่หมดความพยายามจึงได้รับสั่งให้พนักงานออกเดินทางโดยทางเรือลบทันตามคำแนะนําของพระติสเถระผู้เป็นพระอาจารย์ของโมคคลีบุตรติสเถระในที่สุดพระเถระก็ยอมมาและในวันที่ท่านเดินทางมาถึงนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชได้เสด็จไปรับพระเถระ ด้วยพระองค์เองโดยเสด็จลุยน้ำไปถึงพระชานุแล้วยื่นพระกรให้พระเทละจับแล้วตรัสว่าขอพระคุณท่านจงส่งเคราะห์ข้าพระเจ้าเถิดแล้วได้นำท่านไปสู่อุทยานได้ทรงแสดงความเคารพพระเทละอย่างสูงและได้ตรัสถามพระเทละว่าการที่อามาตได้ตัดศีรษะพระภิกษุนั้นจะเป็นบาปกรรมตกถึงตนหรือไม่ พระเถระได้ตอบว่ามหาบ่อพิษจะเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อพระองค์มีเจตนาที่จะฆ่าเท่านั้นคำวิสัชนาของพระเถระนั้นทาให้พระองค์ทรงพอพระไถ่มากพระอรชีมัวเมาในลาบสักระแม้แต่พระพิสุก็ยังตกภายใต้อำนาจฝ่ายพระอรชีผู้ปลอมบวชในพุทธศาสนานั้น ก็ยังพยายามที่จะประกอบมิจฉาชีพอยู่ต่อไปพระเหล่านั้นได้มัวเมาหลงไหลในลาบสักระไม่พอใจในการปฏิบัติธรรมอาศัยพระเหลืองเลี้ยงชีพประพฤติผิด ธ, ธรรมวินัยไม่สำรวมระวังในศีลาจารวัตเที่ยวอวด อ, อ้างคุณสมบัติโดยอาการต่างๆเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อเพื่อหาลาบสักระเข้าตัวเพราะเหตุนี้ จึงทำให้พระศธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพลอยด่างพร้อยไปด้วยความอลเวงได้เกิดขึ้นในวงการของพุทธศาสนาทั่วไปลาบสักการะมีอำนาจเหนืออุดมคติของผู้เห็นก็นได้แม้กระทั่งผู้ส่งเพศเป็นพระพิสุห่มเหลืองก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันที่จริงผู้มีลาบคือผู้มีบุญ แต่มัวเมาในลาบคือสังสมบาปการที่พระได้มามากๆจากประชาชนที่เขาบริจาคด้วยความศรันั้นนับว่าเป็นการดีไม่มีผิดแต่การที่พระสังสมของมัวเมาในลาบเหลวไหลในเกียริเฮอเหิมและเพลิดเพลินในโลกลวัตถุจนลืมหน้าที่ของตนนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเริ่มกระ บ, บวนการกวาดล้างพระอรชี เพื่อทางพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ปีพุทธศักราช287พระโมคคัลลีบุตรติสเถระได้ถวายเทศนาแก่พระเจ้าอโศกมหาราชจนพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่อุทยานนับเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อชำระพระศาสนา ให้บริสุทธิ์จากเดลทีที่เข้ามาปลอมบวชในวันที่7พระองค์ได้ประกาศบอกนัดให้พระภิกษุที่อยู่ในชุมพูเทวีทั้งสิ้นให้มาประชุมที่อโศคารามเพื่อชำระความบริสุทธิ์ของตนภายในเจ็ดวันพระองค์ทรงประทับนั่งภายในม่านกับพระโมคคิิบุตรติสเถระได้สั่งให้ภิกษุผู้สังกัดอยู่ในนิ่ายนั้นๆ น, น, นั่งรวมกัน เป็นนิกายนิกายแล้วจัดถามพระพิษุิ์เหล่านั้นอธิบายคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นได้อธิบายผิดไปตามลัทธิของตนพระเจ้าอาโศกมหาราชจึงได้ตรัสให้สึกพระอารัชีเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งเป็นจำนวนหกหม0่นลูปครั้นจำกัดพระพิษุพวกอารัชีให้หมดไปจากพระพุทธศาสนาแล้วพระโมคคริบุตรติสสะเทระ จึงได้จัดให้มีการทำสังคยนาครั้งที่สณอโศการามเมืองปาตารีบุตรโดยได้รับราชูประธรรมจากพระเจ้าอาโศกมหาราชอย่างเต็มที่การสังคยนาพระไตยปิฎกครั้งที่สและเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคณะสมณทูตหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จตับขันทภริณิพานไปได้ประมาณ236ิปีเศษ คณะสงฆ์ได้ทำการสังคายนาครั้งที่สเมื่อทำสังคายนาเสร็จแล้วพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งคณะสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นและประเทศต่างๆรวมทั้งหมดมี9ก้าสายมีลายนามตามคัมภีร์ที่บันทึกเป็นภาษาบาลีดังต่อไปนี้ 1. คณะพระมัชฌันติกะเถระ ไปแคว้นแคสเมียและคันธาระซึ่งอยู่ทางทิศ ต, ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียได้แก่แคว้นแคสเมียในปัจจุบัน 2. คณะพระมหาเทวเถระไปมหิสกมณฑลอยู่ทางตอนใต้ของดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโคทาวารีทางภาคใต้ของอินเดียได้แก่แคว้นไมเชอร์ในปัจจุบัน 3. คณะพระรักษิตะเทละไปวนวาสีประเทศซึ่งอยู่ในเขตกาฬ ร, ราเนือ้อทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียแคว้นบอมเบในปัจจุบัน 4. คณะพระธรรมรักษิตะเทละซึ่งท่านเป็นชนชาติกรีกไปปรันตะชนบทอยู่ริมฝั่งทะเลอาระเบียนทางทิศเหนือของบอมเบ 5. คณะพระมหาธรรมรักิตะเทละ ไปแคว้นมหาราชปัจจุบันเป็นดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากเมืองบอมเบย์คณะพระมหารัชกิตะเทระประโยชน์กประเทศได้แก่แคว้นของชาวกรีกในทวีปเอเชียตอนกลางเหนือประเทศอิหร่านต่อขึ้นไปจนถึงเติรกีสถาน 7. คณะพระมัิชินเทระแล้วพระมหาเทระอีกสรูปคือ พระกัสสะโคตะพระมูรกะเทวะพระธุนะทั พ, พินสระและพระเทวะไปแคว้นดินแดนแถบภูเขาฮิมาลัยได้แก่เนปาลซึ่งอยู่ต่อเหนือของอินเดีย 8. คณะระโตนเถระและพระอุตระเถระไปสวรรคภูมิได้แก่ไทยพม่าในปัจจุบัน 9. คณะพระมหินทะเถระ ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานที่เกาะสิงห์หนหรือประเทศศรีลังกาเป็นครั้งแรก พระสยามเทวาทิราชคือใครมาจากไหนหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีคำตอบ สยามเทวาทิราชนี้เริ่มมีเมื่อสมัยรัชกาลที่สแต่ก่อนพระพเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นก็บูชาเทวาชื่อนั้นชื่อนี้ที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคนสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาสมัยรัชกาลที่สี่ท่านเป็นนักปราดเป็นนักบาลีก็มาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นสยามเทวาทิราชหมายถึงว่าเทวดาทั้งหมดที่รักษาประเทศสยาม ทีนี้ที่ถามว่าให้คุณให้โทษทางไหนให้โทษนี้ก็ไม่ทราบให้คุนนี้ก็ไม่รู้แต่ท่านเป็นเทวดาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อปี2518ปีนั้นพระเจ้าอยู่หัวนิมนต์เข้าไปที่พระที่นั่งภยัยศาลทักศีลพอก็ไปทาบุญวันจักรีพอเข้าไปนั่งปับ๊บก็ต้องคุยกับใครละ่ะ บรรดาพระสยามเทวาทิราชก็มากันเยอะแยะเลยโอ้โหไม่ใช่องค์เดียวสององนะไม่ทราบว่าจะมากเท่าใดในบริเวณเต็มไปหมดไม่ใช่เฉพาะในวังนะเราก็ชักสงสัยว่าองค์ไหนชื่อพระสยามเทวาทิราชพอถามว่าองค์ไหนชื่อพระสยามเทวาทิราชให้บอกชี้องค์นั้นก็ไม่ใช่ชี้องค์นี้ก็ไม่ใช่ต่างคนต่างบอกชื่อของตัวหมด ก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอ อ, อยังไงเทวดานี้เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่พระสยามเทวาธิราชแล้วมาทำไมละ่ะพระเจ้าอยู่หัวก็ดีพระราชินีก็ดีท่านทำบุญเพื่อพระสยามเทวาธิราชท่านก็บอกว่าเขาอยากจะเรียกผมอย่างนั้นทำไมละ่ะผมไม่ได้ชื่อนั้นนี่ก็รวมความว่าพระสยามเทวาธิราชจริงๆก็เป็นเทวดาที่รักษาประเทศไทยทั้งหมด สมัยก่อนเรียกว่าประเทศสยามใช่ไหมถ้าถามว่าให้คุณแบบไหนก็ต้องถือว่าเทวดามีความดีอะไรบ้างแต่ละคนมีความสามารถไม่เสมอกันอันนี้ตอบไม่ได้เกินวิสัยพระสยามเทวทาธิราชนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโดยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชดำริว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้งแต่บังเอิญมีเหตุให้ลอดพ้นพยันตรายมาได้เสมอชรอยคงจะมีเทพพยายดาที่ศักดิ์สิทธิ์คอยอภิบาลรักษาอยู่สมควรที่จะทำรูปเทพพยายดาองค์นั้นขึ้นสักการะบูชาจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการปั้นรูปสมมติขึ้นแล้วหล่อด้วยทองคําแท่งมีลักษณะแบบเทวรูปมีความสูงแปดนิ้วส่งเครื่องอย่างเทพรักทรงมงกุฎประทับยืนพระหัตตขวาส่งพระขันพระหัตตซ้ายยกขึ้นในท่าจีบเสมอพระอุระประทับในเลื่อนแก้วทําด้วยไม้จันท์มีลักษณะแบบวิมานเก๋งจีน และถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชโปรดเก้าให้ประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งขรรพบูชาพระสยามเทวาธิราชเป็นอย่างสูงส่งถวายเครื่องสักการะเป็นประจำทุกวันและส่งถวายเครื่องสังเวยทุกวันอังคารและวันเสาร์ก่อนเวลาเพล กับโปรดเกให้จัดพิธีสังเวยเทวดาในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5อันตรงกับวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติแบบโบราณด้วยทั้งเป็นที่ร่ำลือว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งขอรบนับถือพระสยามเทวาธิราชเช่นเดียวกับพระราชบิดานอกจากจะโปรดเก้า ให้สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าในเครื่องทรงแบบพระสยามเทวาธิราชขึ้นองค์หนึ่งประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิท์เพื่อส่งสักการะแล้วยังปโปรดเก้าให้นำรูปพระสยามเทวาธิราชประทับนั่งใส่ในด้านหลังของราคาเซี่ยวอัดและโซลตซึ่งออกใช้ในราชการสมัยของพระองค์ด้วย ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาหรือพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่สเสด็จแทนพระองค์ไปส่งถวายเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราชในวันขึ้นหนึ่งคำเดือนห้าและระหว่างงานฉลองกรุงเทพ200ปีในปีพุทธศักราช2525 ได้ทรงโปรดก้าให้อัญเชิญพระสยามเทวทิราชออกมาให้ประชาชนทั่วไปในสักการะบูชาเป็นครั้งแรกคนไทยเราเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่ามีเทวดาผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทยัยมีพระขภุงผีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชื่อกันว่าถ้าไหว้ดีพลีถูกบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าว่วดีผีไม่ถูกบ้านเหมืองก็ล่มจมพระคภุงผีนี้เข้าใจกันว่าน่าจะเป็นเทวรูปศิลาของเทวนารีซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแมยา่ย่าซึ่งสันนิษฐานว่าพ่อขุนลามคำแหงให้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมารดาคือนางเสืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาและต่อมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีความเชื่อว่า เทวดาที่คุ้มครองบ้านเมืองคือพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและพระหลักเมืองสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ส่งให้ความหมายของพระเสื้อเมืองว่ามีมันลิตาลีพาวเวอร์คืออำนาจทางทหารพระทรงเมืองเป็นซีวิลพาวเวอร์คืออำนาจของข้าราชการพลเรือนส่วนพระหลักเมืองเป็นจูดิคัตพาวเวอร์ คืออำนาจจัตุราการซึ่งสื่อความหมายว่าบ้านเมืองจะร่มเย็นได้ก็ต้องประกอบด้วยความเข้มแข็งทางทหารการปกครองที่ดีงามและกระบวนการด้านความยุติธรรมอันถูกต้องเที่ยงตรงอย่างไรก็ตามในส่วนของชาวบ้านโดยทั่วไปยังให้ความเคารพย้ำเกรงต่อพระแก้วและพระกาบจนมีคำสาบาน ที่อ่างพระแก้วพระกาบอย่างติดปากพระแก้วก็คือพระแก้วมรกตซึ่งถือได้ว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองโดยแท้เพราะชื่อของเมืองคือรัตนโกสินทร์ก็หมายถึงที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนั่นเองส่วนพระกาบหรือพระกาบชัยสีเป็นบริวารพระยมมีหน้าที่ดำดวงวิญญาณของมนุษย์ไปยมโลกส่วนพระสยามเทวาธิราช ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินนั้นพระมหาโพธิธรรมอาจารย์วงศักยะได้เล่าไว้ว่าชื่อพระสยามเทวาทิราชนั้นเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างหนึ่งไม่ใช่ชื่อของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะและผู้ดำรงตำแหน่งพระสยามเทวาทิราชนั้นเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนตัวบุคคลได้ตามความเหมาะสมแก่การสมัยไม่เป็นการตายตัวว่าท่านผู้ใด ได้ดำรงตําแหน่งนี้แล้วจะต้องอยู่กี่ปีหรือต้องอยู่ตลอดไปคำว่าพระสยามเทวาทิราชนั้นมีมานานแล้วเป็นตําแหน่งที่พระมหาพม์ซึ่งมีหน้าที่ปกปักรักษาเมืองสยามตั้งขึ้นโดยมีการประชุมเทพพรมที่เป็นฝ่ายรักษาบ้านเมืองและเห็นสมควรบัญญัติคำว่าพระสยามเทวาทิราชขึ้นและส่งประธานหน้าที่นี้ให้แก่พระมหากษัตริย์ ผู้ครองเมืองสยามทรงทําหน้าที่นี้ผู้ดํารงตําแหน่งพระองค์แรกและเรียงกันลงมาตามลําดับคือ 1. พระขุนสีอินทราทิ 2. พย์สพ่อขุนผาเมือง 3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4. พระเอกาทศรส 5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและ 6. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเมตตามหาราชปิยะมหาราชพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาจากเบื้องบนเมื่อพุทธศักราช 2,520 ครั้งแรกได้ทรงแต่งตั้งพระอนุชาและพระโอรสให้ช่วยงานการตำแหน่งอีก13พระองค์กมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นองค์ที่13แต่บัดนี้เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป จึงทรงลำดับใหม่ดังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรอหทรงเป็นองค์ประธานทรงมีผู้ช่วยอีกสี่พระองค์คือ 1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรอสีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรอหก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรอเจดโดยอาจจะทรงมีการแต่งตั้งอีกในภายหน้าการที่เบื้องบนได้ทรงแต่งตั้งให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรอหขึ้นดารงตำแหน่งพระสยามเทวาธิราชนี้ได้ประชุมและตกลงกันโดยให้ทรงพริจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระองค์ที่เหมาะสมที่สุด ในปัจจุบันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรหพระเมตตามหาราชพระองค์นี้เมื่ อ, อยังเสด็จประทับอยู่ในโลกมนุษย์ทรงมีพระเมตตากรุณาไปอย่างสูงเมื่อได้เสด็จสวรรคตแล้วได้ทรงใช้กรรมเล็กกรรมน้อยเพียงช่วงเวลาอันลวดเร็วก็ได้ขึ้นเป็นเทพเมื่อปีพุทธศักราช2509 ผู้เขียนหมายถึงท่านพระมหาโพธทธธรรมอาจารย์วงสักยะเองได้พบพระองค์ในฐานะเทพชั้นหแต่จากนั้นไม่ถึง5ปีก็ได้ขึ้นเป็นพรหมและบัดนี้ทรงเป็นพระมหาพรหมแล้วส่งพระนามว่าพระมหาพรหมปิยะวงวิสุทธิราชเสด็จประทับอยู่ณพมโลกผู้ช่วยพระองค์ที่หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รขณะนี้เสด็จประทับอยู่บนเทวโลกชั้นดาวดึงตอนต้นตอนนี้ท่านพระมหาโพทิธรรมจารย์วงศักยะได้ทราบจากนักสืบองค์น้อยว่ากำลังบำเพ็ญสมาธิทางพระจิตอยู่เพราะเมื่อยังเสด็จประทับอยู่ในมนุษยโลกนั้นต้องส่งภักเพียรเรียนทางบาลีและอังกฤษจึงไม่มีเวลาพอที่จะตั้งพระไัยบาเพ็ญทางพระกรรมฐานได้ ครั้งไม่ได้ทรงลาศิขาบทแล้วก็ยิ่งต้องทรงมีธุรกิจทางปกครองบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นขณะนี้ถ้าเวลาใดพอมีเวลาว่างบ้างก็ทรงตั้งพระทยัยที่จ ะ, สะแสวงหาความรู้ทางฌานและญาณเพื่อประโยชน์จะได้ทรงช่วยพระศ า, าสนาได้บ้านเมืองผู้ช่วยองค์ที่สองพระสยามเทวาธิราชองค์ที่สาม ขี่กรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์นี้ทรงเข้มแข็งและเด็ดขาดและทรงมีหลายพระภาคเรื่องการสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วรับรองได้ว่ามีได้เคยทรงย่อท้อต่อภายลีเลยแม้แต่ก้าวเดียวเรื่องรักชาติแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองผู้ช่วยองค์ที่สและ 4, ส่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ส่งพระเมตตาต่อประชาชนเป็นอย่างมากแต่เวลาที่ทรงของราชสั้นไปถึงกระนั้นเรื่องการเอาพระไทยใส่ต่อบ้านเมืองแล้วก็ทรงหนักแน่นอยู่เสมอแม้จะบัดนี้ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นเทพชั้นจตุมหาราชประทับอยู่ณสมสรสุกเสมบนเทวโลกตลอดหลายร้อยปีของการมีประเทศไทยและ229ของการมีกรุงรัตนโกสินทร์ บูรพกษัตริย์ไทยส่งให้ความเคารพบูชาเทพยาฟ้าดินผู้พิทักษ์รักษาคุ้มครองบ้านเมืองจนปัจจุบันนับเป็นปีที่229แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือนับเป็นพุทธศักราชที่2553มีบุคคลบางกลุ่มที่พยายามกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ซึ่งนับเป็นวันที่บูรพกษัตริย์ไทย ทรงถือเป็นวันสมคัญแห่งการบูชาองค์พระสยามเทวาธิราชคงไม่อาจคิดเป็นอย่างอื่นได้นอกเสียจากการให้ร้ายแก่แผ่นดินนี้และสมสถาบันสูงสุดของชาติไทยขอพระสยามเทวาธิราชและบูรพก ษ, ษัตริย์ไทยส่งคุ้มครองคนดีและบ้านเมือง น, นี้ด้วยเถิดในสมัยรัชกาลที่ 4, สทรงยังถือเอาวันแรมหนึ่งค เดือนอ้ายซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นั้นพระราชพิธีในวันนี้ทรงกําหนดการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลขึ้นเวลาเช้ามีการสดับประกรณ์พระบ ร, รมอัฐิณนะพระที่นั่งอมรินทร์ทารวินิฉัยเวลาคล่ําเชิญพระสยามเทวาธิราชและเชิญเจวดลดูพระผุ่จ้าที่ออกจากหอแก้วออกมาตั้งที่บทศบกมุกเด็ด พระที่นั่งดุสิตมหาปรษาศาสตตั้งเครื่องสังเวยมีละครหลวงแสดงและตั้งโตพระราชทานเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งตรงกับการเลี้ยงโตแบบฝรัง่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่หทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นขึ้นหนึ่งคำ่ำเดือนห้าตรงกับวันเดือนเมษาจึงจัดทรคติตามเดิม ผอนราชพิธีก็ยังเป็นไปตามกำหนดในราชการที่สเพียงแต่เปลี่ยนวันแต่พระราชพิธีบวงสวงพระรัศยามเทวาทิราชไม่ได้เปลี่ยนด้วยคงยึดวันที่หนึ่งค่เดือน5ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ในราชการที่สและถือเป็นวันบวงสวงพระรัศยามเทวาทิราชตลอดมาจนทุกวันนี้พระรัศยามเทวทิราชไม่ใช่พระพุทธรูป แต่เป็นเทวรูปสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ทัทังนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นของราตนั้นเป็นระยะที่เหล่าประเทศมหาอำนาจตะวันตกออกล่าอาณานิคมในซีกโลกตะวันออกกันอย่างเมามันประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายสำคัญของนักล่าอาณานิคมเหล่านั้นด้วยโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษ พยายามหาช่องทางที่จะเข้ายึดประเทศไทยให้ได้แต่เมื่อถึงช่วงเวลาวิกฤตก็เกิดเหตุพิกผันที่ทําให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้อย่างอัศจรรย์ครองความเป็นเอกราชอยู่ได้ทรงคําหนึ่งว่าน่าจะมีเทพยญดาคอยพิทักษ์รักษาประเทศไทยอยู่ก็ได้สมควรจะสร้างรูปสมมุติของเทพพญดาองค์นั้นขึ้นเพื่อสักการะบูชา จึงโปรดเกล้าให้ประดิษฐ์สวรการนายช่างเอกเมื่อครั้งดำรงพยศเป็นหม่อมเจ้ารับราชการในกรมช่างสิบหมปั้นรูปของเทวดาองค์นั้นขึ้นมีลักษณะเป็นเทวรูปยืนส่งเครื่องต้นพระหัตถ์ขวาส่งพระขันพระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระในท่าประธานพรมีขนาดสูง8นิ้วหรือ20เซนติเมตร เมื่อได้สัดส่วนงดงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วจึงโปรดก้าให้หลอกขึ้นด้วยทองคำทั้งองค์ถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชอันเชิญไปประดิษฐานณพระที่นั่งทรงธรรมในหมู่พระพุทธมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังต่อมาในสมัยรัชกาลที่หโปรดเก้าให้รือหมู่พระที่นั่งพุทธมหามนเทียน รวมทั้งพระที่นั่งทรงธรรมโปรดให้อัญเชิญพระสยามเทวาทิราชไปประดิษฐานณนะพระที่นั่งภัสารทักษิณมาจนทุกวันนี้มีความเชื่อกันว่าพระสยามเทวาทิราชทรงเป็นประมุขของเทพ ร, รัชที่ปกปักรักษาบ้านเมืองมีเทพบริวารสำคัญได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและพระหลักเมืองเป็นต้น แม้ทุกวันนี้เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตของบ้านเมืองเกิดขึ้นและผ่านพ้นไปด้วยดีผู้คนก็ยังพูดกันว่าเป็นเพราะพระสยามเทวาธิราชส่งคุ้มครองประเทศไทยพระสยามเทวาธิราชเป็นของศาสนาอะไรถ้าพูดถึงตัวปฏิมาแล้วพระสยามเทวาธิราชเป็นรูปปั้นแบบเทวรูปคือเป็นเทวรูปเทวดา หรือเทพไม่ใช่พระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำสูงแปดนิ้วเป็นลักษณะประทับจืนส่งเครื่องแต่งองค์แบบกษัตริย์และเทพ ร, รักษ์สวมมงกุฎพระหัตถ์ขวาถือพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดัชนีเสมอพระอุราองค์พระสยามเทวาทิราชประดิษฐานอยู่ในเลื่อนแก้วทำด้วยไม้จัน ลักษณะแหวบพิมานเก๋งจีนมีคำจารึกเป็นภาษาจีนที่ผนังเบื้องหลังแปลว่าที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราชเรื่นแก้วเก๋งจีนประดิษฐานอยู่ในมุกขกลางของพระวิหารไม้แกะสลักปิดทองตั้งอยู่เหนือรับแลบั่งพระรัฐาลเทวราชมเหศสวนตอนการที่นั่งภัยสารทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ประวัติความเป็นมาของพระรัศยามเทวธิราชเกิดจากการที่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สหลังจากขึ้นของราชไม่นานและเพิ่งผ่านวิกฤตความขัดแย้งกับชาติมหาอำนาจกับอังกฤษมาได้พระองค์ท่านก็ส่งพระราชดำริว่าเมืองไทยเรานี้มีเหตุการณ์วิกฤตจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายต่อหลายครั้ง แต่อเผอิญให้มีเหตุรอดพ้นได้เสมอมาจึงสงสัยว่าน่าจะมีเทพ ย, ายดาองค์ใดองค์หนึ่งที่คอยพิทักษ์รักษาประเทศสยามอยู่จึงเห็นสมควรว่าน่าจะทำรูปเทพพระองค์นั้นขึ้นไว้เพื่อสักการะบูชาหากถามว่าพระสยามเทวาธิราชนี้เป็นของศาสนาใดาพุทธก็ไม่ใช่พรหมณ์ก็ไม่ใช่คงต้องตอบว่า นี่เป็นศาสนาที่มีบุคคลหนึ่งได้จินตนาการและเชื่อจึงสร้างให้เป็นศาสนาอย่างจริงจังขึ้นมาโดยสร้างเรื่องราวสตอรี่และพิธีกรรมเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและสามารถที่จะทําให้การสร้างเทพองค์ใหม่หรือศาสนาใหม่ง่ายเช่นนี้ก็ออกเพราะหนึ่งสร้างให้อิงศาสนาเดิมของสังคมไทยที่พอดีก็เอื้อให้บูชาเทพต่างๆได้หลากหลายอยู่แล้ว แม้จะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยก็ตาม 2. เป็นศาสนาหรือเทพที่ถูกให้ความหมายว่ามีแต่ช่วยปกป้องดูแลและไม่ได้บังคับให้ต้องถือศีลหรือต้องทำอะไรยากๆและ 3. อีกสาเหตุที่สำคัญคือเป็นการสร้างเทพใหม่ศาสนาใหม่โดยมีผู้นำสังคมช่วยค้ำจุน ซึ่งผู้คนในสังคมก็ยอมรับทั้งศาสนาแบบนี้และอำนาจผู้นำสังคมแบบนี้อยู่แล้วทั้งสามสาเหตุนี้จึงทำให้เป็นเรื่องไม่ยากและไม่มีการต่อต้านและที่สำคัญคือเมื่อผู้นำสังคมทำการคารพบูชาและเผยแพร่ต่อเนื่องหนานเข้าศาสนาใหม่ก็จะเรื่อมีชีวิตของตัวเองนั่นหมายความว่าแม่ผู้ที่สร้างศาสนานี้เองจะจากไป แต่เทพเทวดาองค์นี้ก็จะยังคงมีชีวิตอยู่สืบไปเป็นนิรันด์กลายเป็นเทพผู้คอยคุ้มครองดูแลประเทศไทยตลอดมาและตลอดไปหรืออาจเรียกว่าเทพเจ้าประจำชาติสยามนั่นเอง วันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันหยุดราชการของไทยซึ่งประวัติวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานมาบรรจบกันในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญตักบาตรเวียนเทียนที่วัดสำหรับวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่18พฤษภาคม เชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขาบูชากันดีอยู่แล้วแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขาบูชาความหมายของวันวิสาขาบูชาคําว่าวิสาขาบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขาดังนั้นวิสาขาบูชาจึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน6การกำหนดวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ําคำเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนแต่ถ้าปีใดมีอธิกรมาตคือมีเดือน82สองหนก็เลื่อนไปวันที่15ค่ําคำเดือนเจ็ด ร, ราวเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามในบางปีของบางประเทศอาจกำหนดวันวิสาขาบูชาไม่ตรงกับของไทยเนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตําแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทยทําให้วันเวลาคาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้นๆประวัติวันวิสาขาบูชาและความสำคัญของวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิดสามเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปีซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์สามประการได้แก่ 1. วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทุษ เมื่อพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุนโธทนะแห่งกรุงกบินพัทส่งพระคันแก่จวนจะประสูตรพระนางแปลพระราชฐานไปประทับณกรุงเทวทหะเพื่อประสูตรในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้นขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาระณสวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูตริพระโอรสณนใต้ต้นสาระนั้นซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนหกราช80ปีครั้นภักุมารประสูติได้ห้าวันก็ได้รับการถวายพระนามว่าสิท ธ, ธะแปลว่าสมปรารถนาเมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิดาบท4ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัยและมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุนโทธทนะ ดาบทจึงเดินทางเข้าไปเฝ้าและเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทํำนายได้ทันทีว่านี่คือผู้ที่จะตัดสั้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวพยากรณว่าพระราชกุมารนี้จากบรรลุพระสัมพันธยุตยานเห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งส่งหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากจะประกาศธรรมจากพรหมจันท ร, ร์ของพระกุมารนี้ จากแพร่หลายแล้วกลาบลงแทบพระบาทของพระกุมารพระเจ้าสุนโถธนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นส่งรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปิติถึงกับสุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดบท 2. วันวิสาขบาูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หลังจากออกผนวดได้หปีจนเมื่อพระชนมายุ35พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตัดสลุเป็นพระพุทธเจ้าณใาตา้ร่มไม้สีมหาโพฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอรุรเวลาเสนานิคมในตอนเช้ามืดของวันพุธขึ้น15้าค่ำเดือนหรักกาก่อนพุทธศักราช45ปี ปัจจุบันสถานที่ตสัสลุแห่งนี้เรียกว่าพุทธขยาเป็นตำบลหนึ่งของเมืองขยาแห่งรัฐพิหารของอินเดียเสิ่งที่ตสัสลุคืออรยะสัจ ส, สี่เป็นความจริงอันประเสริฐสประการของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพลและทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่สี่ แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌานสาคือยามต้นส่งบรรลุบุพเพนิวาสานุสติยานคือส่งระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ยาม2 ส, ส่งบรรลุจุดูบ ป, ปาตยานคือการรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการมีตาทิพสามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย ยามสามหรือยามสุดท้ายส่งบรรลุอสวรคขยานคือรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วยอริยสัจ ส, สีทุกสมุทยัยมีโลธมักได้ตัดสรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คืนวันเพ็ญเดือน6ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้35พรรษา3 วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพานดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติสร้างพบอีกต่อไปเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง45ปีจนมีพระชนมายุได้80พรรษาได้ประทับจำพรรษาณเวลุคามใกล้เมืองเวสาลีแคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นส่งพระประชวนอย่างหนักครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ไปรับพัะตาหารบบญทบาทที่บ้านนายจุนทะตามคำกราบทูลนิมนต์พระองค์สเสวยสุกรมันทวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลงแต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับหน้าป่าสาระเพื่อเสด็จดับขันปารินิพานเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ก็ส่งประทานประชิมโอวาทว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันวัดสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังเกียรติทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่น ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาเทเถิดหลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันปาริณิพาน์ในลาตีเพนเดือนหกนั้นประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าวันวิสาขบูชาเริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานี สันนิฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกานั่นคือเมื่อประมาณพุทธศักราช420พระเจ้าพาติกุราชกษัตริย์แห่งกรุงลังกาได้ประกอบพิธีวิสาขบาูชาขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นกษัตริย์ลังกาพระองค์อื่นๆก็ปฏิบัติประเพณีวิสาขบาูชานี้สืบทอดต่อกันมา ส่วนการเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นเพราะประเทศไทยในสมัยกรุงสุขโขทยัยมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิดเห็นได้จากมีพระสงฆ์จากลังการายลูกเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนำการประกอบพิธีวิสาขบาูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วยสาหรับการปฏิบัติ พิธีวิสาขบาูชาในสมัยสุโขทัยนั้นได้มีการบันทึกไว้ในหนงังสือนางนพมาศสรุปได้ว่าเมื่อถึงวันวิสาขบาูชาประเจ้าแผ่นดินข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทยัยจะช่วยกันประดับตกแต่งพระนครด้วยดอกไม้พร้อมกับจุดประทีปโคมไฟ ให้ดูสว่างสวายไปทั่วพระนครเป็นเวลาสามวันสามคืนเพื่อเป็นการบูชาพระรัชนไตยขณะที่พระมาหากษัตริย์และพระบร ม, มวงศานุวงศ์ก็ทรงศีลและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆครั้นตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และนางสนองพระโอษฐ์ตลอดจนขรร้าราชการทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายในไปยังพระอารามหลวงเพื่อส่งเวียนเทียนรอบพระประธานส่วนชาวสุโคไทยจะรักษาศีลฝังธรรมถวายสลากพัด ส, สังฆทานอาหารบิณฑบาตแด่พระพิสุสามัญนิมบริจากทานแก่คนยากจนทำบุญไถยชีวิตสัตว์หลังจากสมัยสุโคไทยประเทศไทย ในรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มากขึ้นทาให้ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์ต่อต้นไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการประกอบพิธีวิสาขบาูชาจนกระทั่งมาถึงรั ช, ชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2360นมมีพระราชดำริ ที่จะให้ฟื้นฟูพิธีวิสาขบาูชาขึ้นมาใหม่โดยสมเด็จพระสังฆราชสำนักวัดราชบนะูรณะถวายพระพ ร, พรให้ทรงทำขึ้นเป็นครั้งแรกในวันขึ้น14ค่ำ15าค่ำและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน6พุทธศักราช2360และให้จัดทำตามแบบอย่างประเพณีเดิมทุกประการเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญ กุศลโดยทั่วหน้าการการลือฟื้นวิถีวิสาขบูชานี้จึงถือเป็นแบบอย่างถือปฏิบัติในการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาต่อเนื่องมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลของสหประชาชาติถือเป็นวันสําคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระาศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัดสลุและปรินิพานดังนั้นพุทธศาสนิ ก, กชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขาบูชานี้และในวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกโดยเรียกว่าวิสาขาเดตามคาเรียกของชาวศรีลังกาผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณาและได้กำหนดให้วันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยทางนี้เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูตร ศาสลูและปริณิพนธ์ของพระบรมศาสดาโดยการให้สหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบาูชาเป็นวันสำคัญของโลกนั้นได้ให้เหตุผลไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและส่งสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาที่คุณโดยมีคิดค่าตอบแทนการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาจะแบ่งออกเป็นสามพิธีได้แก่ 1. พิธีหลวงคือพระราชพิธีสาหรับพระมหากษัตริย์ บรมวงศสานุวง์ประกอบในวันวิสาขบูชา 2. พิธีราชคือพิธีของประชาชนทั่วไป 3. พิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนากิจกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบาูชาได้แก่ 1. ทําบุญไสบาตรกรวดน้ํา อุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 2. จัดสำรับข่าวหวานไปทำบุญถวายพระทหารที่วัดและปฏิบัติธรรมรธรร ม, มเทศนา 3. ปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศล 4. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำเพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ห้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาหกจัดแสดงนิทรรศการประวัติหรือเรื่องราวความเป็นมากเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาตามโรงเรียนหรือสถานที่ราชการต่างๆเพื่อให้ความรู้และเป็นการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชาเจ็ดประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนวัด และสถานที่ราชการ 8. ปําเพ็ญสาธารณประโยชน์หลักธรรมที่สำคัญในวันวิสาขบาูชาที่ควรนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบาูชาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นในหลักธรรมซึ่งหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบูชาได้แก่ 1. ความกระตัอยูคือการรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกะตะเวทีซึ่งหมายถึงการตอบแทนคนที่มีผู้ทำไว้ความกระตัญญูและความกะตะเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสุขซึ่งความกระตันยูกระตะเวทีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งบิดามารดาและลูกครูบาอาจารย์กับสิทธ์นายจ้างกับลูกจ้าง แน่พระพุทธศาสนาเปรียบพระพุทธเจ้าเหมือนกับผูพการีผู้ชี้ให้เห็นทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนความกตัญญูกะตะเวทีด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป 2. อริยสัจ ส, สี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ในวันวิสาขบาูชาได้แก่ทุกข์คือปัญหาของชีวิตสภาวะที่ทนได้ยากซึ่งทุกขั้นพื้นฐานคือการเกิดการแก่และการตายล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญส่วนทุกจรคือทุกที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการปัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก หรือความยากจนเป็นต้นสมุทยัยคือต้นเหตุของปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดทุกข์และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจากตัณหาอันได้แก่ความอยากได้ต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนิโรธคือความดับทุกข์เป็นสภาวะที่ความทุกข์หมดไปเพราะสามารถดับกิเลสตัณหาอุปทานออกไปได้มัก คือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหามีแปดประการได้แก่ความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบกระทาชอบเลี่ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งมั่นชอบ 3. ความไม่ประมาทคือการมีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไร พูดอะไรคิดอะไรหลวนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทาให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทซึ่งความประมาทนั้นจะทำให้เกิดปัญหา ย, ยุ่งยากตามมาดังนั้นในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความมีสติ วันวิสาขบาูชานับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนเป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชาเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณและพระมาหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสัตว์อีกทั้งเพื่อเป็นการลําลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้งสาประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกันและนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการนำรงชีวิต ที่มาของประเทศสยามหรือเสียมจากบันทึกแห่งพระเจ้ากรุงจีนคำว่าเสียมหรือสยามมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีจุดหมายเหตุจีนบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช 2,311 พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากศินซึ่งมีเชื้อสายชาวจีนส่งกับกู้บ้านเมืองมีชัยชนะต่อพม่าแล้วพระองค์ส่งส่งราชทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการและพระราชสารแต่พระจกักรพรรดิเฉิ่นหลงพระองค์รับส่งให้เจ้ากลมพิธีการทูตตรวจสอบเรื่องราวของประเทศสยามเจ้ากลมพิธีการทูตรายงานว่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ในตรวจดูเรื่องเสียมหลวกั้วหรือเสียมหลอกกกแล้วเห็นมีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คขังราชวงศ์สวยราชวงศ์ถังสมัยนู้นเรียกว่าประเทศซื่อถูกัวหรือเสียโทหรือเฉยตูโดยขังพระเจ้าสุยถาเตพระเจ้าสวยเอียงเตขึ้นของราชสมบัติปีอิทธิทิ้วขุนนางสุนทั่วจูชื่อเสียงจุน ได้จดความไว้ว่าซื่อถั่วกลัวองนับถือศาสนาพุทธคาดคเนว่าพระเจ้าแผ่นดินแท้เดียวกับพระพุทธเจ้าชาวเสียมลวกกลัวเป็นชนชาติเดียวกับชาวหูหลัมอาณาจักรฟูนันประเทศนี้ตั้งอยู่เรมทะเลทางที่ใต้ราชวงศ์ซุยมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศักราช 1,124 ถึง1นึ แล้วราชวงศ์ถังมีอายุระหว่างพุทธศักราช1 1 6 1งบถึง้าบ้านเมืองถังแหลมมาลายูหรือปลายแหลมทองในสมัยเดียวกันนั้นมีอยู่หลายเมืองเช่นเสียโทกพันผา น, านลังกาสุกะกันโทลิประเทศตันซุนหรือเตียนซุนกิมหลินอู่ทองเป็นประเทศอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน กับอาณาจักรฟูนันดังนั้นเมื่อพระเจ้ามาเห็นทราวรมันหรือจิตเสนกวาดล้างราชวงศ์สายเลนที่อาณาจักรฟูนันแตกสลายราชวงศ์สายเลนหนีหลงใต้ราชวงศ์สายเลนสายหนึ่งไปตั้งดินแดนที่ริมทะเลสาบแคมนต่อมาจีนเรียกว่าเจละน้ำอีกสายหนึ่งได้อพยพลงไปหาถิ่นเดิม ที่ดินแดนรอบอ่าวบ้านดอนดินแดนของพระเจ้าโกธัญญาพมนักอยูุ่ก่อนได้รับการอัญเชิญให้ไปของราชอาณาจักรฟูนันประเทศเสียโทเป็นประเทศอิสระมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการปกครองการเศรษฐกิจไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ราชอำนาจของพระเจ้ามเหหนทราวรมันจนกระทั่งพระเจ้าสุนเอียงเต้ต้องส่งราชทูตหนงพระราชสารของพระจักรพรรดิ มาเจริญสัมพันธ์ไม่ตีด้วยนครเสียโทูเรียกว่านครดินแดงเพราะบันทึกจีนมีว่าเมืองนี้มีดินเป็นสีแดงจึงเรียกว่านครดินแดงภาษาสันสกฤตเรียกว่าแควนลักตมลิติกามีจาลึกแผ่นอิดพบที่นครไทยบุรีหรือลัดเเคดประเทศมาเลเซียมีข้อความว่ามหานาวิก า, ามพุทธคุป ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ภูมิลักษณ์ตมลิติกาขอให้การเดินทางประสบความสำเร็จนครเสียโทหรือแคว้นตมลิติกาอยู่ที่ไหนจากเส้นทางการเดินทางของราชทูตเสียงจุนบันทึกไว้ว่าเรือออกจากท่าน้ำให้ในกว่างตุง้งเดือนที่10ของปีพุทธศักราชหนัรเดินทางระหว่างลมดีมา20วัน 20คืนถึงภูเขาเจียวเจีย้ยผ่านเลยไปทางตะวันออกเฉียงใต้หยุดทอดสมอที่เกาะลิงข้าบอนพธ์ซึ่งทางซีกตะวันตกอยู่ทางแคว้นจามปาจากนั้นผ่านไปตามเกาะอีก 2-3 วันต่อมาและเห็นทิวเขาของแคว้นหลังยิซิลอยู่ทางทิศตะวันตกทิวเขา300ยยอดจากนั้นเล่นลงไปทางใต้ผ่านเกาะหลังเต้า เกาะรังไก่รังนกอยู่หน้าตำบลปะทิวจังหวัดชุมพรแล้วก็ถึงอนณาเขตแคว้นเซียโทเรือของคณะทูตต้องถูกลากโยงไปอีกวันหนึ่งเดือนจนไปถึงนครหลวงจดหมายเหตุราชวงศ์เชงบันทึกไว้อีกว่าเสียมหลอกกมีภูเขาใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงหัวนอนหรือเฉียงใต้แม่น้าในเสียมหลอกกออกจากภูเขา ฝ่ายที่หัวนอนหรือทิศใต้ไหลลงสู่ทะเลข้อความนี้เป็นหลักฐานทางภูมิศาสตร์ภูเขาและแม่น้ำเกิดขึ้นโดยธรรมชาติยากที่มนุษย์จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทิศทางที่อยู่ของมันได้ยังคงดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงการที่เรือของราชทูตเสียงจุนต้องถูกลากโยงผ่านในกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดของแม่น้าหลวงหรือแม่น้ตาตะปี ซึ่งเป็นฤูดูน้ำหลากพอดีพระราชทูตเสียงจุนมาในเดือนสิบสอน้ำไหลนองตะลิงแม่น้ำหลวงไหลออกจากภูเขาหลวงฝ่ายทิศใต้ไหล ย, ย้อนออกไปทางทะเลทางทิศเหนือตามบันทึกของราชทูตเสียงจุนดังนั้นเลือราชทูตเสียงจุนต้องถูกลากโยงผ่านทวนกระแสน้ำอันเจ้วกลากเข้าทางปากผ่านคูหา อันเป็นช่องทางผ่านเข้าไปสู่เมืองพันพานหรือเมืองเวียงสะเกลอันตั้งอยู่เหนือแม่น้ําหลวงขึ้นไปผ่านเขาศรีวิชัยซึ่งมีพระนารายณ์ศิลาสวมหมวกแขกประทับอยู่ผ่านเนินเข้าท่าข้ามที่มีปราสาทประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปแล้วแยกไปสู่เมืองพันพานซึ่งมีทั้งพระนารายณ์เวียงสะพระอิศวรอยู่ในพระวิหาร จากนั้นนาจะทูตเสียงจุนไี่เดินทางไปสู่นครเซียโถและนครหลวงของเซียโทต่อไปนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดียอมรับกันว่าคือเมืองตามาลีต่อมาเรียกว่าตามพอหลิงบันทึกจีนเรียกว่าตามเม๋อหลิวภิกษุอี้จิงเรียกว่าโพลิงต่อมาเรียกว่าโฮลิง จนกระทั่งขึงนครศรีธรรมราชนครเซียโต้นับว่าเป็นประเทศทั้ง10บแห่งทะเลใต้ที่ภิกษุอี้จิงบันทึกไว้ประเทศเหล่านี้เป็นอิสระต่อกันแต่จะเลือกกษัตริย์จากประเทศใดประเทศหนึ่งให้เป็นประมุขและสถาปนาเป็นนครหลวงต่อมานครหลวงประเทศทั้ง10แห่งทะเลใต้ย้ายจากนกครเซียโต้ มาตั้งอยู่ที่นครชา ย, ยาเมื่อพุทธศักราช1213โดยพระเจ้าโฮมิโตแห่งเชลิโฟชิทรงส่งราชทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการแ ด, ดจ่จักรพรรดิจีนให้ยอมรับว่านครเชลิโฟชิเป็นนครหลวงของสีวิชายแล้วพุทธศักราช1318พรพระเจ้าวิษณุประมุขของราชวงศ์ไซเลน ของนครหลวงศรีวิชัยส่งสร้างปราสาทสามหลังเพื่อประดิษฐานพระผู้ป็จนมานประดิษฐานพระโพธิสัตว์ปัณฑมปานีแล้วประดิษฐานพระโพธิสัตว์วัทราปพานีดีวัดเวียงวัดหลงและจีดีวัดแก้วที่นครชายาพุทธศักราช1323พัรพระเจ้าวิษณุประมุขของราชวงศ์สายเลน เสด็จชวากลางเพื่อไปสร้างแบบแปลนและฐานรากของเจดีบรมพุทโธ ท, ที่ชวากลางเจดีนี้เริ่มสร้างตั้งแต่พระเจ้าวิษณุมาแล้วเสร็จบริบูรณ์รัชกาลพระเจ้าสมรตุงคะพุทธศักราช1360เป็นประสาทหินศิลปะชั้นเยี่ยมของราชบงไซเลนที่ฝากไว้เป็นมรดกโลกทางศิลปะ พุทธศักราช1446พระเจ้าชีวกะแห่งกรุงศรลินธรรมมหานครพระเจ้าแห่งกรุงตามพร ล, ลิงยกกองทัพไปโจมตีละโวมีชัยชนะในสงครามเข้าครองลโวพุทธศักราช1447ประกาศย้ายราชธานีศรีวิชัยมาอยู่ที่กรุงศรีธรรมราชมหานครจีนเรียกชื่อใหม่ว่านครซั น, น, นฟชิ พุทธ ศ, ศ, ศักราชหนึ่ัตริยสาสัสันฟชิองหนึ่งมีพระนามตามสำเนียงจีนว่าชิลิหุตะลิเชียลิตันแห่งราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายจากักรพรรดิจีนพุทธศักราช1504มีกษัตาริย์องมีกองใหม่พระนามเชลิวูเยส่งราชทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการ จกักรพรรดิจีนเพื่อรับรองความเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ราชทูตรายงานว่าแคว้นซันโฟชิของพวกเขามีชื่อเรียกกันว่าประเทศเซียนหลิวประเทศเซียนหลิวก็คือเสียมหลอหรือเสียมหลอเป็นชื่อที่จดหมายเหตุจีนใช้เรียกประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่าชนชาติสยาม ได้มาตั้งบ้านชุมชนเมืองบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ประเทศไทยหรือปลายแหลมทองมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่11สร้างศิละปะวัฒนธรรมนับถือพุทธศาสนาสร้างศิละปะแบบทวารวดีและสีวิชายไว้ในคาบสมุทรภาคใต้ต่อมาได้แพ่ขยายอา น, นาจมาเสริมสร้างศิละปะวัฒนธรรมมาถึงล่อหก หรือระโบจดหมายเหตุจีนจึงเรียกว่าประเทศเสียมโลโกกกเรียกให้สั้นเข้าเป็นเสียมโลโกกเรื่องพันนาว่าด้วยกรุงสยามซึ่งขุนนางจีน66หนายเป็นเจ้าพนักงานเรียบเรียงในสมัยราชวงศ์เชงเมื่อพุทธศักราช 2,320 จีนอักษรได้แปลขึ้นในสมัยรัชกาลที่หในประชุมพงศาวดาร ภาคที่5อธิบายว่าเสียมหล อ, อกกอยู่ฝ่ายทิศตะวันออกเมืองกว้างหล่ำเฉียงหัวนอนเฉียงใต้ของเมืองกัมพูชาครั้งโบราณมีสองกกเสียมสยามหรือสุขโขทัย ก, กกหนึ่งหลอหกละโบกกหนึ่งความสำคัญที่สังเกตตรงนี้คือเสียมหล อ, อก ก, กอยู่เฉียงหัวนอนเฉียงใต้ของเมืองกัมพูชา ถือตามตัวหนังสือจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้ข้อความไม่ชัดถ้าถือตามภูมิศาสตร์ควรเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะถ้าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นประเทศเวียดนามใต้ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่าเสียมเรียบเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของกบูชาถ้าถือตามการแปลของพระเจนอักษรเสียมหมายถึงสุโขทยัย หลอหฮกซึ่งอยู่ใต้สุโขไทยลงมาคือลาโวหรือหลอหฮกข้อความสำคัญเนื้อความตรงนี้คือเมื่อรวมเขตสุโขไทยกับลาโวเป็นอนาณาจักรเดียวกันเรียกว่าเสียมหลอหกฮกคือตามทิศทางก็อยู่ฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาไม่ใช่อยู่ทางเฉียงใต้ของกัมพูชาอย่างข้อมูลในจดหมายเหตุจีนการแปลของพระเจนอักษร จึงเป็นการแปลที่สอดคล้องกับทฤษฎีของฝรั่งที่ว่าพวกสยามเพิ่นมาตั้งอาณาจักรสุโขทัยเมื่อพุทธ ศ, ศักราช1781ต่อมาโจตา้ากวนซึ่งเดินทางไปนคนรธมเมื่อพุทธ ศ, ศักราช1839ได้เขียนหนังสือว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจนละแปลโดยเฉลิมยงบุญเกิดมีข้อความสอดคล้อง กับจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์เฉ่งว่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช้เวลาเดินทางครึ่งเดือนถึงเสียมลอเสียมลอในจดหมายเหตุจีนและบันทึกของโจตากวนจึงหมายถึงเสียมศรีวิชัยหรือเสียมชวา ก, กะที่อยู่ในคราบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยในตำราประวัติศาสตร์ไทยที่เล่าเรียนกันถึงทุกวันนี้ ให้ความรู้ว่าในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีพระยารามราษรามคำแหงเป็นมหากษัตย์เคยติดต่อเป็นไมตรีกับกษัตย์ราชวงศ์งวนถึงกับกล่าวในพุทธศักราช1839ขณะ ก, กรุงสุโขทยัยทำการลบพุ่งกับชาวมาลีอีเอือ่อกกนั้นมีการแปลจดหมายเหตุจินว่าเสียนสุโขทยัย กำลังทำสงครามรบพุ่งกับชาวมาลายูกษัตริย์จีนราชวงศ์งวนทรงต่งทูดมาห้ามปรามให้พระณีประนอมปองดองกันเสียแต่ฉะไหนในปีพุทธศักราช1839นั่นเองโจต้ากวนกลับบันทึกว่าเสียมหลอกกกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาซึ่งเมื่อจับทิศทางแล้วจะเป็นแผ่นดินปลายแหลมทองคือแคว้นชาว ก, กะ หรือสีวิชัยในขณะนั้นนครหลวงอยู่ที่นครศรีธรรมราชกำลังทำการลบพุ่งกับพวกชาวมล า, ายูหรือพวกโมโลยูในบันทึกของภิกษุอี้จิงตามประวัติศาสตร์แล้วในสมัยสุขโขไทยนครศรีธรรมราชยังเป็นนคร อ, อิสระอยู่เพิ่งมาอยู่ในรัฐรวมศูนย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียฉาพุทธและนักปราชญส่วนมากมักสงสัยว่าเพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงได้เสื่อมไปจากประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนก่อกาเนิดของพุทธศาสนาปัญหานี้มีคนสงสัยกันมากมูลเหตุมาจากสาเหตุหลายประการแต่ที่สาคัญแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ 1. ภัยภายในสอง ภัยภายนอกภัยภายในเพราะแตกสามคัคคีพระสงค์เกิดแตกสามคัคคีไม่มีความปรองดองกันชิงดีชิงเด่นกันเป็นใหญ่ลหลงไหลในลาบยศสักระไม่ประพฤติตามพระวินยัยเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสอนอันดั้งเดิมเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ทำให้เกิดสัตรธรรมปฏิรูปแม้แต่สมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ เช่นเรื่องการแตกสามัคคีของพระพิสุชาวเมืองโกสัมพีและพระเทวทัตเป็นต้นและได้มีการสืบต่อๆกันมาไม่ขาดระยะนับว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในวงการพุทธศาสนาอันเป็นเหตุให้ศาสนาอื่นๆช่วยโอกาสโจมตีได้เท่ากับเป็นการเปิดประตูบ้านให้พวกโจรเข้ามาขโมยของในบ้านสังายาแต่ละครั้งที่ทาในอินเดีย จึงมีมูลเหตุมาแต่การแตกแยกของพระภิสุสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ 2. เรียนแบบลัทธิตันตระในศาสนาฮินดูเมื่อพุทธศักราช 1,500 พุทธศาสนาได้รับเอาลัทธิตันตระของฮินดูมาปฏิบัติแล้วเรียกในชื่อใหม่ว่าพุทธตันตระซึ่งเป็นการขัดต่อคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาคาว่าพุทธตันตระหมายเอาพุทธศาสนา ในยุคหลังอันมีมนตรายานวัชรายานและสหัสยานลัทธินี้ก่อนที่จะเสื่อมจากอินเดียได้ไปเจริญรุ่งเรืองในประเทศทิเบตเนปาลและภูธานเมื่อพระพุทธศาสนาถือเอาลทัทธิตันตระมาผสมผสานกับาศาสนาของตนจึงไม่มีความแตกต่างจากฮินดูทำให้ห่างจากหลักการเดิมออกไปทุกที 3. พระสงฆ์ลืมหลักการเดิมเมื่อพุทธประลินิพานราวหนึ่งร้อยปีเป็นต้นมาพุทธศาสนาเปรียบเหมือนเหลือไม่มีหางเสือลูกที่กำพร้าพ่อแม่จึงเริ่มไม่เก่งใจกันและกันในเริ่มมีทิฏฐิไม่ยอมอยู่ร่วมกันแยกออกเป็นนิกายมากมายต่อมาเริ่มรับเอาแนวความคิดแบบฮินดูเข้าไปมากเช่นแนวความคิดพระโพธิสัตว์ ที่เริ่มเน้นแบบเทพเจ้าฮินดูแนวความคิดเกี่ยวกับพระอาทิตย์พุทธะที่เรียมแบบพระพรมและการถือเอาลัติตันตระของฮินดูเข้ามาผสมทำให้ลืมหลักการราวพุทธศักราช1600เป็นต้นมาก่อนการลุกรานอินเดียของกองทัพมุสลิมพระสงฆ์บางกลุ่มลืมหลักการเดิมไปมากถึงขนาดมีภรรยาเป็นพมดหมอผีเองเพื่อหาเลี้ยงชีพ และเรียกตนเองว่าสิทธะไม่ใช่ภิกษุเหมือนเดิม 4. พุทธบริษัทไม่สนใจปกป้องศาสนาของตนเองในอินเดียโบราณพุทธบริษัทสมัยหลังมีแนวความคิดว่าชั่วช่างดีดีช่างสงกล่าวคือพระสงฆ์จะดีจะเลวกว่าช่างไม่ใช่ธุระไม่ใช่ภาระของตนเองที่จะต้องสนใจ ต่อมาพระสงฆ์เริ่มห่างเหินจากชาวบ้านชาวบ้านก็ห่างเหินวัดไม่ได้สอนบุตรธิดาให้ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือโดยถือว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเมื่อกองทหารมุสลิมเข้ามาโจมตีจึงไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือพระได้เลยเมื่อทหารมุสลิมทำลายพระสงฆ์จนหมดชาวบ้านก็ลืมพุทธศาสนาได้อย่างง่ายดายเพราะไม่มีใครแนะนา ส่วนศาสนาพราหมณ์นั้นมีพราหมณ์เป็นแกนนำที่แต่งตัวไม่แตกต่างจากชาวบ้านการทำลายจึงทำได้ยากและมีระบบสอนลูกจากลูกไปสู่หลานตามลําดับจึงรักษาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูไว้ได้ห้าพุทธศาสนามีคำสอนที่ทวนกระแสเพราะเหตุที่คำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ส่วนกระแสคือด่งสู่ความเป็นจริง เป็นการฟื้นใจคนอินเดียในสมัยนั้นแนวคำสอนของพุทธศาสนาเรื่องการไม่สนับสนุนการอ้อนวอนก็ขัดต่อความรู้สึกคนสมัยนั้นที่นิยมการอ้อนวอนบูชาบวงสรวงสิ่งใกล้ตัวเพื่อหวังลาบสักระละหวังเป็นที่พึ่งแนวคำสอนของพุทธศาสนาดึงคนเข้ามาเป็นหลักไม่ใช่ดึงหลักเข้ามาหาคนไม่บัญญัติไปตามความชอบพอของคนบางคน ทำให้ปุุ้ชนผู้เบาปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายและหันไปนับถือศาสนาอื่นได้นอกจากนั้นหลักคำสอนเกี่ยวกับปฏิเวทวั น, นะของคนชั้นสูงก็ไม่อยากให้มีการล้มเลิกลัทธิประเพณีของเขาบางครั้งคนเหล่านี้ไม่ได้นับถือศาสนาด้วยปัญญาแต่นับถือด้วยการยึดมั่นอยู่กับพิธีกรรมจึงทาให้เป็นการขัดต่อความเชื่อถือของเขา 2. ภัยภายนอก 1. ขาดผู้อุปถรรัมภ์ผูทธศาสนาเจริญและดำรงอยู่มาได้พเพราะมีพระมหากษัตริย์ให้ความอุปถัมภ์บังโรงอย่างแข่งขันเช่นพระเจ้าอาโศกพระเจ้ามิลินพระเจ้ากนิกกะพระเจ้าหันสวัณฑนะพระเจ้าธรรมปละพระเจ้าเทวปละเป็นต้นทําให้พุทธศาสนาแผ่กระจายอย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอกชมพูทวีปแต่บางคราวที่กษัตริย์อินเดียนับถือศาสนาอื่นจะทาให้พุทธศาสนาโดยรวมขาดการอุปถัมภ์พระสงฆ์อยู่ด้วยความลำบากหรือถูกขัดขวางเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำและปุย๋ยแล้วพระมหากษัตริย์บางพระองค์นอกจากไม่คุ้มครองและยังทำลายพุทธศาสนาอย่างย่อยยับ 2. เพราะถูกศาสนาฮินดูเบียดเบียน ศาสนาฮินดูนี่เป็นคู่แข่งของพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งสมัยปัจจุบันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินธิพานแล้วพวกพรามในฮินดูก็ได้เริ่มประกาศคำสอนของตนเป็นการใหญ่ส่วนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาไม่ได้การตั้งรับบางครั้งก็เปิดช่องว่างให้เขาหรือไม่ก็หลวมตัวเข้าไปหาเขาจึงเท่ากับว่า เราทำลายตัวเราเองแล้วและถูกคนอื่นทำลายด้วยถ้าหากพระสงฆ์และชาวพุทธยังยึดมั่นอยู่ในคำสอนและรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ได้ดีแล้วคนอื่นหรือศาสนาอื่นก็ทำอะไรได้ยากเพราะพุทธศาสนาย่อมได้เปรียบศาสนาอื่นในหลักคำสอนอยู่แล้วการทำลายของศาสนาฮินดูมีใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง ไม้อ่อนคือโจมตีด้วยคําสอนลอกเลียนแบบคําสอนนำพระพุทธเจ้ามาเป็นอวตานไม้แข็งคือทําลายวัดยึดวัดพุทธมาเป็นฮินดูวัดส่วนมากกลายเป็นฮินดูเช่นในอินเดียภาคใต้พุทธคยาตะโปธารามราชคึกวารุการามที่สังคยาครั้งที่สองวัดถ้ำที่อินเดียภาคใต้โบสถ์พระรามที่อยุธยา ก็กลายมาเป็นสมบัติชาวฮินดูไปนอกจากนั้นอย่างซ้ำเติมยามภาพพรังเช่นพรามคมหนึ่งหลังมุสดิมเติกกลับจากเผามหาวิทยายลัยนาลันธาแล้วก็กลับมาเผาซ้ำอีกในสมัยต่อมานักบวชฮินดูได้เปลี่ยนแนวการสอนใหม่จากเดิมที่ไม่อยู่หลักแหล่งมาเป็นการตั้งสํานักจากไม่มีองค์กรคณะสงฆ์ก็ตั้งคณะสงฆ์จากนักบวชพราม ที่นุ่งห่มสีขาวกลายมาเป็นแต่งชุดสีเหลืองเหมือนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานักบวชที่แต่งชุดเหลืองถูกเรียกว่าสาธุแม้พระสงฆ์ไทยเมื่อไปอยู่ที่อินเดียก็ถูกเรียกว่าสาธุเช่นกันและคิดมาว่าเป็นฮินดูทั้งหมดเมื่อฮินดูปฏิรูปการนุ่งหม่มทาให้ความแตกต่างลดน้อยลงและการกลืนก็เป็นไปโดยง่ายขึ้น 3. ถูกมุสลิมทำลายเมื่อสมัยที่มุสลิมเข้ามามีอำนาจในอินเดียกษัตริย์มุสลิมไดแผ่อำนาจไปในส่วนต่างๆของอินเดียราวพุทธศักราช 1,700 กองทัพมุสลิมได้ทำลายวัดวาอารามหรือถอนสิ่งปลูกสร้างฆ่าฝันพระสงฆ์อย่างมากมายจนพระสงฆ์และชาวพุทธต้องหนีกันออกนอกประเทศอินเดียเข้าไปอาศัยในเนปาล สิกิมที่เบตต่อมาเมื่อมุสลิมยึดอินเดียได้อย่างเด็ดขาดอิทธิพลของศาสนาอิสลามก็ได้แผ่ตามไปด้วยเป็นเหตุให้พุทธศาสนาพลอยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างหนักจนสูญหายไปในที่สุดหลายฝ่ายเชื่อ ว, ว่าถ้าไม่ถูกมุสลิมถอนลากถอนโครนพุทธศาสนาวัดวาอารามก็คงเหลืออยู่เต็มอินเดียเฉพาะรัฐพิหาร รัฐเดียวก็มีวัดเป็นหมื่นวัดจนกลายมาเป็นชื่อรัฐในปัจจุบันรัฐพิหารประเทศอินเดียพุทธศาสนาก็คงอยู่ได้แต่อาจจะลดจำนวนลงบ้างและอาจจะปฏิรูปเข้ากับศาสนาฮินดูบ้างการมาของมุสลิมเหมือนกับพายุกระหน่ำต้นไทรที่ผูกข้างไหนบ้างแล้วให้ล้มลงในที่สุดในประเทศอินเดียนั้น เป็นประเทศที่มีความนับถือศาสนาที่หลากหลายลทัทธิหลากหลายศาสนาส่วนศาสนาพุทธนั้นได้แบ่งออกเป็นสองนิกายใหญ่หญคือหินญ า, านและมหายานทั้งฝ่ายมหายานและหินญานประมาณพุทธศักราช1 7 0 0ผู้ที่เขานับถืออยู่เดิมเช่นพระวัดวาอารามปุชนียสถานอื่นๆในพุทธศาสนาก็ถูกทาลาย จนพุทธบริษัทในอินเดียหมดไปเมื่อกองทัพอิสลามไปตามชายทะเลตั้งแต่อินเดียจนถึงเขาแหลมมาลายูเกาะชวาซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันก็ถูกกำจัดหมดไปด้วยาศาสนทูตอินเดียนำาศาสนาพราหมณ์แล้วพระพุทธศาสนาไปต่างประเทศเรื่องราวของอดีต ท, ที่ชาวอินเดียนำวัฒนธรรมของตนไปเผยแพร่ ยังต่างประเทศต่างๆฐานะผู้อ่านเป็นชาวพุทธมีความรู้ว่าพระพุทธศาสนาที่แผ่เข้ามาอย่างประเทศไทยในสมัยโบราณก่อนที่ชาวไทยจะอพยพลงมานั้นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองผู้ทีน่นำพระพุทธศาสนาเข้ามาคือท่านพระโสดนะกับท่านพระอุตรเถระ เมื่อประมาณพุทธศักราช300ปีเศษซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งโมริยวงศ์ส่งเข้ามาว่าตามความเป็นจริงแล้วดินแดนสุวรรณภูมินี้อาจจะได้รับพระพุทธศาสนาก่อนสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้เพราะชาวอินเดียที่เดินทางไปค้าขายยังนานาประเทศมานานแล้วชาวอินเดียอาจเดินทางมาค้าขายตั้งแต่สมัยก่อน ขังพุทธการหรือก่อนพุทธศักราช300ปีเป็นแต่ว่าสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆนั้นมีหลักฐานปรากฏหรือจะเรียกว่าเป็นทางราชการศาสนาพราหม์ก็ดีพระพุทธศาสนาก็ดีที่เผยแผ่ออกนอกประเทศเป็นทางราชการนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวภายหลัง พุทธศักราช300ปีเท่านั้นก่อนระยะเวลาดังกล่าวเป็นการเผรยแผ่ออกไปแบบชาวบ้านดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงส่งพระนิพนธ์ไว้ในตำนานพระพุทธเจดีย์ดังนี้ลักษณะที่ชาวอินเดียผ่พาพระพุทธศาสนาไปเที่ยวสังสอนยังนานาประเทศนั้นมีข้าวเงื่อนปรากฏว่าเพราะการคมนาคมในระหว่างอินเดียกับต่างประเทศ มีมาช้านานบางทีจะมีตั้งแต่ก่อนพุทธกาลชาวอินเดียที่ไปค้าขายหรือไปตั้งผูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศใครนับถือศาสนาใดก็พาศาสนานั้นไปประพฤติและสั่งสอนชาวประเทศนั้นๆให้ประพฤติตามเป็นทํานองเดียวกันทั้งศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาแต่คติศาสนาทั้งสองนั้นผิดกันในข้อสาคัญ ที่ศาสนาพราหมณ์สอนศาสตร์อาคมคือศาสตร์และวิชาไสยศาสตร์เกี่ยวข้องไปถึงการปกครองบ้านเมืองฝ่ายพระพุทธศาสนาสอนได้ทางธรรมปฏิบัติหรือถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งศาสนาพราหมณ์ให้ประโยชน์ยิ่งและย่อนกว่ากันตามชั้นของบุคคลฝ่ายพระพุทธศาสนาให้ประโยชน์เสมอกันมีได้เลือกชั้นของบุคคล เหตุที่ศาสนาทั้งสองไปเจริญรุ่งเรืองในต่างประเทศผิดกันประเทศใดที่ชาวอินเดียได้ไปมีอำนาจปกครองประเทศนั้นศาสนาพราหมณ์มักเจริญรุ่งเรืองเช่นประเทศชาวาและประเทศกัมพูชาเป็นต้นประเทศที่ชาวอินเดียมีได้ปกครองประเทศนั้นพระพุทธศาสนามักรุ่งเรืองเช่นกันประเทศจีนญี่ปุ่นมอญ พมา่าไทยเป็นต้นคติศาสนาทั้งสองนั้นผิดกันอีกอย่างหนึ่งที่พวกเขาถือศาสนาพราหมณ์ไม่สู้ข้นขวายในการเที่ยวสอนศาสนาเพราะอาศัยอำนาจดังกล่าวมาแล้วส่วนพระพุทธศาสนาอาศัยแต่ความเลื่อมใสการเที่ยวสั่งสอนจึงเป็นสำคัญมาแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชให้เที่ยวสั่งสอน การสอนพระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศจึงนับถือกันในอินเดียว่าเป็นพระเกียรติยศอย่างสําคัญของพระมาหากษัตริย์ผู้เป็นพุทธศาสนาผู้ทำพระมาหากษัตริย์องค์ใดซึ่งเลื่อมสายในพระพุทธศาสนาได้เป็นใหญ่ขึ้นในอินเดียเช่นพระเจ้าคณิกะเป็นต้นก็เอาแบบพระเจ้าอาโศกเป็นอย่างให้เที่ยวสั่งสอนพระพุทธศาสนา ยังนานาประเทศสืบกันมาก็พวกที่ไปเที่ยวสอนสาศาสนาย่อมไปตามหนทางค้มนาคมซึ่งชาวอินเดียไปมากับประเทศนั้นมาแต่ก่อนเป็นต้น ชาวต่างชาติคิดอย่างไรจึงเปลี่ยนศาสนามานับถือพระพุทธศาสนาในขณะที่กระแสเหอและคลางคล้ายตะวันตกกำลังถาโถมเข้าสู่คนไทยจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กำลังจะเลือนลางหายไปจากสังคมไทยพร้อมๆกับนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักคลองใจในการดําเนินชีวิตก็กําลังจะกลายเป็นเพียงนับถือพุทธตามสําเนาทะเบียนบ้านเท่านั้นหากจะตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับศาสนาพุทธก็คงจะไม่ถูกนักเพราะแม้แต่นักปราชญาชาติต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอาทิเบอร์ทรันลัสเซล์ อันเบิร์ตอันสตอารเธอร์โพเซนเฮาส์รวมทั้งซปเปอร์สตาร์ระดับโลกเช่นวิชาร์ดเกียโรเบโต้บราโจก็ยังได้กล่าวคำวสดุดีและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพุทธศาสนาเริ่มเป็นที่รู้จักกันในตะวันตกเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วโดยในระยะแรกนั้นเป็นเพียงการศึกษาทางวิชาการเท่านั้น แต่เมื่อสิบปีกว่าที่ผ่านมาจากความนิยมทางหลักวิชาการก็กลายมาเป็นที่นิยมในแง่ของการปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวตะวันตกหันมาสนใจปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธมากขึ้นนั้นเป็นเพราะความน้าเลื่อมใสศรัทธาของพระหรือครูผู้สอนที่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความรู้ความสามารถ ในการทำให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติได้เข้าใจหลักธรรมและวิธีการปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการประเด็นสำคัญที่น่าคิดก็คือทำไมที่ผ่านมาชาวตะวันตกจำนวนมากจึงหันหาพุทธศาสนาคำตอบก็คือพวกเขาคิดว่าศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาอื่นมากในแง่ที่ว่าชาพุทธเป็นผู้รักสงบ และไม่ใช้ความรุนแรงในประเทศอังกฤษนั้นเป็นที่ทราบกันดีแล้วจากข่าวของพระเคมธัมโมพรพระไถยชาวอังกฤษสิทธิของหลวงปู่ชาซึ่งได้เข้าไปสอนปฏิบัติธรรมให้แก่นักโทษในเรือนจำของอังกฤษกว่า26ปีจนเกิดผลดีช่วยลดปัญหาของเรือนจำได้มากกระทั่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระราชนีอลิซาเบธ ท, ที่สอง แห่งสหราชาอาณาจักรไม่เพียงแต่เท่านั้นยังมีนักโทษจำนวนมากมายที่หันมานับถือพุทธศาสนาบางรายที่ผนโทษออกมาก็เป็นอาสาสมัครในการเผยแพร่พุทธธรรมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษชื่อว่าศาสนาพุทธจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆและจะเป็นศาสนาที่สำคัญที่สุดในตะวันตกคาสดุดีที่นักคิดนักเขียนนักประหาชาวตะวันตก กล่าวถึงพุทธศาสนาอาตเทอร์ชเปนเฮา์ขสหนอสอ 1, ถึง 1,860 นักประหาัชาวเยอรมันกล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าจะถือเอาผลแห่งประจาของข้าพเจ้าว่าเป็นมาตรฐานแห่งความจริงข้าพเจ้าก็ขอควรมีข้อผูกพันที่จ้องยอมรับพระพุทธศาสนานี้ว่าเด่นเป็นพิเศษเหนือศาสนาที่เหลือ อย่างไรก็ตามก็จะต้องเป็นที่น่ายินดีสำหรับข้าพเจ้าที่ได้พบว่าคําสอนของข้าพเจ้าเข้ากันได้อย่างใกล้ชิดกับศาสนาซึ่งมนุษย์ส่วนมากนับถือการเข้ากันได้นี้ต้องเป็นที่น่าพอใจมากเพราะในการคิดปรัชญานั้นข้าพเจ้าไม่ได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของศาสนานั้นพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนแมตสมิลเลอร์ ขสหนึอสอถึง 1,900 าศาสตราจารย์ทางนิรุติศาสตร์ชาวเยอรมันผู้นำในการศึกษาความรู้กับตะวันออกกล่าวว่าประมวลศิลธรรมของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์มากที่สุดในโลกที่เคยรู้จักมา S.G. Well, อสจ i เวลขสหนอถึง 1,946 นนักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์และนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ริเริ่มการเขียนวนวนิยายทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพระพุทธศาสนาได้กระทำไว้มากยิ่งกว่าอิทธิพลอื่นใดที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพื่อความก้าวหน้าแห่งอารยาธรรมของโลกและวัฒ น, นธรรมที่แท้จริงเบ อ, อร์ทันลัเซลคศห8 7 2รอถึง1970ั นักปรัชญานักเขียนนักคณิตศาสตร์เละีนักคัดค้านอาวุธนิวเคลียร์ชาวอังกฤษผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1950กล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นการรวมกันของปรัชญาแบบพินิษ์ความจริงกับวิทยาศาสตร์ศาสนานั้นสนับสนุนวิธีการทางวิทยาศาสตร์และติดตั้งวิธีการนั้นจนถึงที่สุด ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุผลในพระพุทธศาสนาเราจะได้พบคำตอบที่น่าสนใจเช่นจิตใจกับวัตถุคืออะไรระหว่างจิตใจกับวัตถุนั้นอย่างไนสำคัญมากกว่ากันเอกภพเคลื่อนไปหาจุดหมายปลายทางหรือไม่พระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังหานาทางไปได้ไหม เพราะความจำกัดแห่งเครื่องมือของวิทยาศาสตร์ชัยชนะของพระพุทธศาสนาเป็นชัยชนะทางจิตใจศาสตราจารย์คาวกุสตาฟจุงคอ175ถึง1961นักจิตวิทยาชาวสวิตกล่าวว่าในฐานะเป็นนักศึกษาศาสนาเปรียบเทียบข้าพเจ้าเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์มากที่สุด ที่โลกเคยเเพบเห็นมาปรัชญาของพระพุทธเจ้าทฤษฎีวิวัฒนาการและกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยิ่งใหญ่เหลือนักที่อื่นอย่างห่างไกลอันเบตชไวเซอร์ขอส1875รถึง 1,965 แพทย์นักสอนสาศาสนาชาวฝรั่งเศสนักเทววิทยาและนักดนตรี ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1952หรือพุทธศักราช2495บอกว่าพระองค์หรือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงออกซึ่งสัจธรรมอันมีคุณค่าเป็นนิรันดรและได้ทำให้จริตธรรมไม่ใช่ของอินเดียเท่านั้นแต่ของมนุษยชาติก้าวหน้าไปพระพุทธเ้า้าเป็นู้้หนึ่งในบนร้ารรา้า้า้า้า้า้า้า้า้า้า้า้า้า้า้า้า้้้า อันเบิร์อสไตร์ขศ1 8 7 9นอสถึง1955ันกักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพกล่าวว่ า, าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นาศาสนาสากลศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนและควรจะเว้นคาสอนแบบสิทธันคือเป็นแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวและแบบเทวนิยาม คืออ้างเทวดาเป็นหลักใหญ่ศาสนานั้นมีครอบค ล, ลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรมีรากฐานอยู่บนความสํานึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งพวงคือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายสระพุทธศาสนาตอบข้อกําหนดนี้ได้ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันศาสนานั้น ก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา ley, อ, อั 1, 1, 3, นดักฮักสลีย์ขศ1 8 9 4ง6 3นถึงนันเกักเขียนนวนิยายชาวอังกฤษกล่าวว่าในบรรดาศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งหมดพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวที่ดำเนินไปโดยปราศจากการเบียดเบียนทางศาสนาการตรวจควบคุมและการซักถามสอบสวนซึ่งมีลูกขุน หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อเอาผิดหรือควบคุมผู้ไม่นับถือในแง่เหล่านี้ทั้งหมดประวัติของพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่มากเหนือศาสนาอื่นซึ่งดำเนินไปในระหว่างประชาชนผู้ติดอยู่กับระบบทหารเจโลเบิร์ตอัพเพนไฮเมอร์ขศอสอบนถึงหนึักนักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ผู้นำในการพัฒ น, นาระเบิดปรมาณูกล่าวว่าขอยกตัวอย่างเช่นเราถามว่าฐานะของอิเล็ก tron เป็นอันเดียวกันใช่หรือไม่เราจะต้องตอบว่าไม่ถ้าเราถามว่าฐานะของอิเล็ก tron ปรับไปพร้อมกับการเวลาใช่หรือไม่เราก็ต้องตอบว่าไม่ถ้าถามว่าอิเล็ก tron หยุดพักใช่หรือไม่ เราจะต้องตอบว่าไม่ถ้าเราถามว่ามันเคลื่อนไหวใช่หรือไม่เราก็ต้องตอบว่าไม่พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานคำตอบเช่นเดียวกันเมื่อส่งได้รับคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวตนของมนุษย์ภายหลังความตายแต่คำตอบเหล่านั้นม่ใช่คำตอบที่คุ้นกับจารรีประเพณีของวิทยาศาสตร์สมัยศตวรรษที่17และ18สําหรับซูปเปอร์สตาร์ ที่ขนทั่วโลกชื่นชอบและข้าง้ายกันนั้นการที่เขาสนใจและบางรายถึงกับเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธพร้อมอุทิศตนทำงานเพื่อช่วยจันหลงพุทธศาสนานั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นที่พึงที่ระลึกของพวกเราได้อย่างแท้จริงริชาร์ดเกียดาราชื่อก้องชาวอเมริกันได้ชื่อว่าเป็นดาราหนุม่ม ที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในปี1980ถึง1990ภาพยนต์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากก็คือ Pretty Woman 1990และเมื่อปี2546ที่ผ่านมาเขาก็คว้ารางวัลลุกโลกทองคำครั้งที่60ในฐานะดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนต์เรื่อง Chicago Richard Gere หันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังจนพบว่าศาสนาพุทธให้คำตอบกับชีวิตของเขาได้ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและใช้เวลานอกจอช่วยเหลือ ง, งานขององค์ทลไยลามะนี่การเผยแพร่ศาสนาและเมื่อครั้งที่มีการประกาศรางวัลอสการ์ปี1993ท่ามกลางสายตาของผู้ชมนับล้านล้านคู่ริชาร์ดเกียก็ใช้เวทีนี้ เรียกร้องความรักและสัจธรรมให้กับมวลมนุษย์และในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ถล่มตึกเวอเทสเซนเตอร์ Center, เมื่อวันที่11กันยายนสี่ห้านั้นดิชาร์ดเกียร์ให้สัมภาษณ์ว่าเขากําลังศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่ที่รัฐเมิสซัสซัเซตเกียร์เคยพูดว่าเราต้องคิดว่าบรรดาผู้ก่อการร้ายนั้นได้ก่อความเลวร้วายให้กับชีวิตภายหน้าของพวกเขาไว้แล้วเรียกวัตสร้างกรรำชั่ว แล้วเราจะต้องมองให้กว้างไกลว่าเราทุกคนต่างเกี่ยวโยงกับการกระทาเช่นนี้เช่นกันเขาย้าว่าเราต้องให้ความรักและไมเมตตากับทุกคนไม่เว้นแม้พวกที่กอ่อการร้ายถ้าเราทั้งหลายสามารถที่จะมองพวกกอ่อการร้ายด้วยความคิดว่าเขาเหล่านั้นคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัด ร, รักษาอย่าที่รักษาพวกเขาได้คือความรักและมเมตตาเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรจะดีกว่านั้นอีกแล้วสตีเวนซิกัสพระเอกนักปูชื่อดังของฮอลลีวูดชาวอเมริกันโด่งดังขึ้นมาในฮอลลีวูดในฐานะพระเอกหนังแอคชั่นหนังเรื่องล่าสุดของเขาคือ Exit World สิกันได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งมีลามะในทิเบตบางรูปพูดถึงขา ว, ว่าเขาเป็นอดีตลามะองค์สาคัญ ที่กลับชาติมาเกิดทีเดียวโรเบโตบัคโจนักฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีหันมาสนใจพุทธศาสนาหลังผ่าตัดเข่าข้างขวาและต้องหยุดเล่นนานถึงสองปีช่วงนี้เขาต้องฝึกกายภาพด้วยความหวังที่เลือนลางและไม่มีความสุขหงุดหงิดอารมณ์เสียบ่อยครั้งเมาลิซิโอเบลเลนีเจ้าของร้านขายแผ่นซีดีซึ่งโรเบโต เป็นลูกค้าประจำที่ร้านจึงได้แนะนำให้เขาสวดมนต์บักโจรู้สึกดีขึ้นมากและหันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาจนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังกระทั่งอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาค่อยทุเลาลงและสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งบักโจ บ, บอกไว้ว่าเมื่อพุทธศักราช2539ว่าแม้จะปฏิบัติธรรมได้เพียง8ปีเท่านั้น แต่บุญกุศลที่ได้รับนั้นมากมายเกินกว่าจะกล่าวได้หมดอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองเพราะก่อนหน้าที่จะหันมาปฏิบัติธรรมนั้นเขาเป็นคนที่จะต้องคิดในรูปแบบที่ตัวเองวางกรอบหรือกำหนดไว้แล้วหรือไม่ก็ตัดสินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยใช้ความคิดของตนเองเป็นหลักและคิดว่าการกระทาเช่นนี้ ของตนถูกตั้งเสมอแต่หลังจากการปฏิบัติธรรมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายในชีวิตจิตวิญญาณของตนเองจึงต้องใช้สติปัญญาในการตัดสินใจแม้จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะบางครั้งจิตใจก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางกายบาคโจบอกว่าสำหรับชาวอิตาเลียนแล้วพุทธศาสนานั้นอยู่ห่างไกลและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจาวัน และชาวอิตาเลียนจะมีความเชื่อในความคิดเห็นของตนเองมากและไม่ต้องการศึกษาเรียนรู้หรือเข้าใจปัจญาอื่นๆที่แตกต่างไปจากที่พวกเขาเคยรับรู้มาแต่จะตัดสินสิ่งต่างๆตามความคิดเห็นของตนเองสำหรับเขาแล้วการตัดสินใจหันมานับถือพุทธศาสนาไม่รู้สึกว่าขาดความเชื่อมั่นและไม่แค่ว่าใครจะพูดว่าอย่างไร เพราะเป้าหมายของตนคือต้องการจะเป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดไม่เพียงแต่คนดังเหล่านี้ที่หันมาสนใจและประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเท่านั้นยังมีชาวตะวันตกอีกมากมายที่มุ่งหน้าค้นหาศธรรมของชีวิตเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นที่เบตภูฐานศรีลังกาพมา่าหรือประเทศไทย เพื่อการศึกษาหลักธรรมคำสอนและปฏิบัติกันอย่างจริงจังคอตอบรมวิปัสสนาที่วัดหรือหน่วยงานบางแห่งในบ้านเราจัดขึ้นสำหรับชาวต่างชาตินั้นได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเราชาวไทยมีพระพุทธศาสนาของดีอยู่กับตัวแต่กลับไม่สนใจสิ่งของที่เขาทิ้งแล้วแต่เรายังเก็บของของเขามาใช้อยู่ไม่ต่างอะไรกับมีสมบัติอยู่กับตัว แต่ไม่รู้จักวิธีใช้สมบัติที่อยู่กับตัวให้เป็นประโยชน์ชาวต่างชาติไม่ได้สนใจที่ตัวบุคคลแต่ให้ความสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าเพราะนำพาให้สัตว์โลกผนทุกได้ถ้าศาสนาพุทธเสริมจากประเทศไทยมีข่าวคราวเกี่ยวกับความวุ่นวายในคณะสงฆ์ไทยหลายกรณีอีกทั้งยังมีแผนทำลายพุทธศาสนาจากศาสนาอื่น จนทำให้ลูกศิษย์หลายคนเป็นห่วงกลัวว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมจากประเทศไทยหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยบอกว่าถ้าพุทธศาสนาเสื่อมจากประเทศไทยจะไปเจริญที่รัสเซียตอนนี้รัสเซียเขาก็เริ่มค้นคว้าทางจิตกันมากแม้ว่าจะมีจุดประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์ในทางโลกแตการทาสมาธิพอถึงจุดหนึ่งจะถึงจุดสันติเหมือนกัน เขาจะมีความศรัทธานในพุทธศาสนาลเนื่องจากรัเสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจเขาจะสามารถเผยแพร่พุทธศาสนาได้กว้างไกลมากคอยดูกันถ้าใครอยู่ถึง200ปีข้างหน้าถ้าไม่เป็นไปตามนี้ศพหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเหยื่ยวลดได้เลย มารู้จักกับชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยอีสานตระกูลภาษาไทยกระไดกลุ่มไทยลาวหรือทั่วไปเรียกว่าชาวอีสานที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดในอีสานซึ่งชาวภาคกลางมักจะเรียกชนกลุ่มนี้ว่าลาวเพราะว่ามีภาษาพูดเป็นภาษาเดียวกับคนลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปปลาว ต่ความจริงแล้วเป็นภาษาไทยสาขาหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆเป็นกลุ่มที่สืบทอดวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงแต่โบราณร่วมกับไทเวียงหรือชาวเวียงจันทร์มีตัวอักษรของตนเองใช้มาตั้งแต่ในสมัยอายุทยาเป็นอย่างน้อยและอาจจะร่วมสมัยสุขโขทยัยตัวอักษรที่ใช้2แบบคืออักษรไทยน้อยและอักษรไทยธรรมอักษรไทยน้อย เป็นอักษรสุขโขไทยสาขาหนึ่งส่วนอักษรตัวธรรมเป็นอักษรที่ได้ต้นแบบอักษรมอญโบราณคล้ายอักษรตัวเมืองของภาคเหนือมีวรรณกรรมท้องถิ่นของตนเองเช่นเรื่องสินไทรสายสินชัยจำปาสี่ต้นท้าวกรรมกระดำนางผมหอมไก่แก้วลิ้นทองกล่ำพ้าผีน้อยคุรูนางอ้ว เท้าผาแดงหนังไอ้อาจจะกล่าวว่ากลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มผู้นำทางวัฒนธรรมภาคอีสานฉะนั้นภูมิปัญญาสังคมเช่นฮิตคองตำนานอักษรศาสตร์จารีตประเพณีกลุ่มไทยลาวจะเป็นกลุ่มที่สืบทอดและถ่ายทอดที่กลุ่มชาวไทยกลุ่มอื่นๆอีกด้วยประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยอีสาน กลุ่มชาติพันธ์ไทยลาวหรือชาวอีสานที่มีการตั้งหลักปักฐานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหากตีความแล้วหมายถึงคนเชื้อชาติไทยที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยอีสานเป็นภาษาบาลีแปลว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่ในภาคอีสานมีกลุ่มชาติพันธ์หลายเชื้อชาติเช่นเชื้อชาติลาว ขเขมรไทยจีนเวียดนามอินเดียหรือเชื้อชาติอื่นๆที่อพยพเข้ามาอยู่แต่โบราณการหรืออพยพเข้ามาอยู่ใหม่หลังสงครามกลุ่มชาติพันุลาวเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุดและถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน ร, ราชสำนักส่วนใหญ่ในสมัยก่อนการปฏิรูปการปกครอง2435ี เรียกหัวเมืองแถบนี้ว่าหัวเมืองลาวก่าวตะวันออกจนกระทั่งปีพุทธศักราช2476เป็นต้นมาบริเวณที่เคยเป็นมณฑลต่างๆในอีสานนี่ถูกสถาปนาเป็นภาคอีสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ความเป็นมาเรื่องถิ่นเดิมของชาติพันลาวมีแนวคิดสองอย่างซึ่งก็มีเหตุผลสนับสนุนพอๆกัน 1. ทิ่เดิมของลราอยู่ที่อีสานนี่เองไม่ได้อพยพมาจากไหนถ้าหมายว่าคนบ้านเชียงคือลาวก็แสดงว่าลาวมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเชียงมากกว่า 5,600 ปีมาแล้วเพราะอายุหม้อบ้านเชียงที่พิสูจน์โดยวิธีคาร์บอน14บอกว่าหม้อบ้านเชียงอายุเก่าแก่ถึง 5,600 ปีกว่าคนบ้านเชียงจะเริ่มตีหม้อใช้ในครัวเรือน ก็ต้องสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยก่อนหน้านั้นแล้ว 2. ถิทีเดิมของลาอยู่ที่อีสานและมีมาจากที่อื่นๆด้วยแนวคิดนี้เชื่อว่าคนอีสานน่าจะมีอยู่แล้วในดินแดนที่เรียกว่าอีสานโดยประมาณ1000งพัถึงเจ็ดพันปีที่ผ่านมานักมนุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าได้มีการอพยพของพวกละวะหรือคา ลงมาอยู่ในแดนสุวรรณภูมิเป็นพวกแรกพอเข้ามาอยู่สุวรรณภูมิก็แบ่งเป็นอาณาจักรใหญ่หญสามอาณาจักรคืออาณาจักรทวารวดีซึ่งมีนครปฐมเป็นราชธานีมีอาณาเขตถึงเมืองละโวะลบบุรีอาณาจักรโยนกเมืองหลวงได้แก่เมืองเงินยางหรือเฉียงแสนมีเขตแดนขึ้นไปถึงเมืองเฉลียงและเมืองเขิน อาณาจักรสี่โคตกบูญได้แก่บรรดาชาวคาที่มาสร้างอาณาจักรในลุ่มแม่น้ำโขงมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโคขบูญซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจากแนวคิดที่สองจะเห็นว่าในคำรวมที่นักมนุษย์วิทยาและนักประวัติศาสตร์เรียกว่าคนอิสานนั้นน่าจะมีคนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ปะปนกันอยู่และในหลายกลุ่มนั้น น่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอยู่ด้วยซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากงานเขียนของนักวิชาการบางคนที่กล่าวว่าหลังจากพวกละวะหรือพวกคาหมดอำนาจลงดินแดนอีสานก็ถูกครอบครองโดยขอมและอ้ลาวต่อมาขอมก็เสื่อมอำนาจลงดินแดนส่วนนี้จึงถูกครอบครองโดยไอ้ลาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริง จึงกล้าสรุปได้ว่าไอ้ลาวก็คือกลุ่มชาติพันลาวนั่นเองไอ้ลาวเป็นสาขาหนึ่งของมังโกเดิมอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำแยงสีเกียงและแม่น้ำเหลืองก่อนที่จะอพ ย, ยพเข้าครอบครองอีสานนั้นได้รวมตัวกันตั้งเมืองสาคัญขึ้นสามเมืองคือนครลุงนครเงี้ยวและนครปาต่อมากลุ่มไอ้ลาวเกิดสู้รบกับจีน สาเหตุพระจีนมาแย่งดินแด น, นไอ้ลาวสู้จีนไม่ได้จึงอพยพลงใต้ถอนล้นลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตั้งอาณาจักรอยู่บริเวณยูนานในปัจจุบันมีเมืองแถบเป็นศูนย์กลางสำคัญแต่ก็ยังถูกรุกรานแย่งชิงจากจีนไม่หยุดยอนไอ้ลาวจึงอพยพลงมาตั้งอาณาจักรใหม่คืออาณาจักรนองแสมีขนบรองวีและบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของไอ้ลาว เป็นผู้ปกครองขุนบรมขึ้นของราชพุทธศักราช 1,272 ได้รวบรวมคนเป็นปึกแผ่นและส่งลูกหลานไปคลองเมืองต่างๆในบริเวณนั้นลูกหลานที่ส่งไปคลองเมืองมีเจ็ดคนคือ 1. นขุนหล่อคลองเมืองฉวาหรือหลวงพระบาง 2. ขุนยีผาลานคลองเมืองหอแตหรือ1 2พันนา 3. ขุนสชูสงคลองเมืองประกันหรือหัวพันธุ์ทั้ง5ทั้ง6 4. ขุนไขสงคลองเมืองสุวรรณโคมคํา 5. ขุนหัวอินคลองเมืองอโยธยาสุขโขทยัย 6. ขุนลกลมคลองเมืองมอญคือหงสาวดี 7. ขุนเจ็ดเจืองคลองเมืองเชียงขวางหรือเมืองพวน ที่น้องอ้าลาวทั้ง7ปกครองบ้านเมืองแบบเมืองพี่เมืองน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือจุนเจือกันโดยยึดมั่นในคำสาบานที่คำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันว่าภัยลบหล่าแย่งแผ่นดินกันขอให้ฟ้าผ่ามันตายสำหรับกลุ่มไอ้าลาวนี้น่าจะเกี่ยวโยงเป็นกลุ่มเดียวกับคนชาติพันลาวในอีสานน่าจะเป็นกลุ่มลาวเชียงและลาวเวียงคือกลุ่มจากอาณาจักรล้านนา ลาวเชียงและกลุ่มจากอาณาจักรล้านช้างลาวเวียงในพุทธศตรวตรรษที่17ถึง18เริ่มตั้งแต่สร้างเมืองชวาหรือเมืองหลวงพระบางมีกษัตริย์ปกครองติดต่อกันมาถึง22องค์กษัตริย์องค์หนึ่งคือพระเจ้าเงี้ยวได้กำเนิดลูกชายคือพระเจ้าฝางุ้มหรือพระเจ้าฝาลุ่มเกิดมามีฟันเต็มปากเสนาอมาตย์ในรักสำนัก เห็นเป็นอาเภทจึงทูลให้พระบิดานำไปล่องโค้งคือลอยแพร่ไปตามลำน้ำโคงมีพระขมนรูปหนึ่งพบเข้าเกิดเมตตาเอาพระเจ้าฟ้างุม้มไปชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่แล้วถวายตัวเหนราชสำนักขมนพระเจ้าฟ้างุม้มได้รับการศึกษาอบรมอย่างองค์ชายขมนและส่งเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ขมีด้วยเมื่อพระเจ้าฟ้าเงี้ยวสิ้นพระชน เจ้าฟ้าขำเซียวผู้เป็นน้องชายขึ้นของราชแทนพระเจ้าฟ้างุ้มจึงยกทัพจากขมรญทวงราชสมบัติของบิดาคืนสามารถโจมตีเมืองหลวงพระบางได้เจ้าฟ้าขำเลี้ยวเสียทีแกหลานสู้ไม่ได้น้อยใจจึงกินยาพิษตายเจ้าฟ้าลุ่มจึงขึ้นคลองเมืองหลวงพระบางเมื่อพุทธศักราช1896งรส่งพระนามว่า พระยาฟางุ้มแหล่งล่าธรณีพระเจ้าฟางุ้มเป็นกษัตริย์ที่มีพระผีชาสามารถมากเป็นนักรบผู้กาหารชาญทลาดในช่วงนั้นอาณาจักรสุขโขทยัยมีพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นกษัตริย์พระเจ้าฟางงุ้มได้ขยายอาณาเขตแผ่ไปถึงเมืองยวนลงมาถึงส่วนหนึ่งของขเขมรตอนล่างและเข้ามาสู่ดินแดนอีสานได้อพยพผู้คน จากเวียงจันทร์มาอยู่ที่บริเวณหนองหานและหนองหานน้อยประมาณหนึ่งหมื่นคนพระเจ้าฟา ง, งุ้มของราษและแผ่แสงหญานุภาพเลื่อยมาจนถึงสมัยสมเด็จพระราชาที่ปดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าฟา ง, งุ้มคิดแผ่แสงหยานุภาพเข้าครอบครองกรุงศรีอยุธยาทําให้พระเจ้าอู่ทองต้องเจรจาหย่าศึก โดยอ้างความเป็น ญ, ญาติร่วมวงขนบรมเดียวกันว่าเฮาหากแม้ไอ้น้องกันมาแต่ขนบรมพุ้นหากเจ้าเป็นลูกหลานขนบรมจริงเฮาอย่ามารบหลาค่าฟันกันเลยดินแดนส่วนที่อยู่เลยโดงสามสาวหรือโดงพญาไฟไปจดผูพระยาฟอและแดนเมืองนครไทยให้เป็นของเจ้าส่วนที่อยู่เลยโดงพญาไฟลงมาเป็นของค่อยแล้วจัดส่งลูกสาว ไปจัดที่อยู่ที่นอนให้พระเจ้าอู่ทองอยังได้ส่งช้างพลาย51เชือกช้างผัง50สบเชือกเงินสองมื่นหนอแรดแสนหนอกับเครื่องบรรณาการอื่นอื่นอีกอย่างละหนึ่ง 100, ให้แก่พระเจ้าฟ้า ง, งุ้มจากหลักฐานนี้จึงมีอำนาจครอบครองดินแดนอีสานยกเว้นเมืองนครราชสีมาที่ยังคงเป็นอิสระภาพอยู่เพราะในหนังสือ ขิงออฟลาวระบบไว้ในปีคศ3 8 5่นอาณาเขตกรุงล้านช้างทางทิศตะวันตกติดต่อกับโคราชนครราชสีมาดินแดนอีสานส่วนใหญ่ตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าฟ้าง้มเลื่อยมาจนถึงสมัยพระเจ้าชัยยเชททิฐาธิราชขึ้นของราชละวางศตวรรพักราช 2,091 ถึง 2,114 ได้ย้ายเมืองหลวง จากหลวงพระบางมาอยู่เวียงจันทร์พระองค์ได้ทำสัญญาพันธมิตรกับสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาและทั้งสองได้สร้างพระธาตุสีสองรักษ์ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรกริย์องค์นี้ได้สร้างวัดองค์ดื้และศาสนสถานต่างๆในเขตเมืองน้องคายและบูรณะพระธาตุพนมด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่า พระเจ้าชัยเชศฐาทิราศสนใจจินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงมากกว่าสมัยก่อนๆต่อมาในปีพุทธศักราช2250ได้เกิดการแข่งแย่งอำนาจขึ้นในลาวทำให้ลาวถูกแบ่งออกเป็นสองอาณาจักรมีหลวงพระบางและเวียงจันทร์เป็นศูนย์กลางในปีพุทธศักราช2256อาณาเขตเวียงจันทร์ทางใต้นี่ถูกแบ่งแยกโดย เจ้าซอยสีสมุทรพุทธังคุลเจ้าหนอกษัตริย์มีเมืองนครจำปาศักดิ์เป็นเมืองหลวงผู้ครองนครจำปาศักด์ได้ส่งจานแก้วเจ้าแก้วมงคลมาเป็นเจ้าเมืองทงหรือเมืองทุ่งในเขตอำเภอสุวรรณภูมิจงังหวัดร้อยเอ็ดนับว่านครจำปาศักดิ์ได้ขยายอำนาจเข้ามาสู่ลุ่มแม่น้ำมูลชีตอนกลางเวลาต่อมาลูกหลานเจ้าเมืองทง หรือเมืองสุวรรณภูมิได้สร้างเมืองต่างๆในดินแดนอีสานมากกว่า15เมืองเช่นสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดศรีสะเกตมหาสารคามชนบทขอนแกน่นต่อมาเกิดความไม่ลงรอยแตกแยกกันระหว่างกลุ่มขุนนางและกษัตริย์ลาวผู้คนได้อพยพหนีภัยจากเมืองจากฝั่งชายแม่น้ำโขงเข้าสู่อีสานเหนือ กลุ่มสาคัญได้แก่กลุ่มเจ้าพระขาวสมพมิตรกลุ่มนี้อพยพคนมาตั้งอยู่ริมน้ํำป่าคือบ้านแก่งสําเริงสำโรงเจ้าสมพมิตรในขราวเฝ้ารัชกาลที่หนึ่งที่กรุงเทพเพื่อถวายความจงรักภักดีและเนื่องจากมีกําลังคนถึงสี่พันคนรัชกาลที่หนึ่งจึงโปรดก้าวให้ยกบ้านแก่งสําเริงเป็นเมืองกะลาศิ์ขึ้นตรงต่อกรุงเทพ และเจ้าสมพมิตรได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาลสินกลุ่มพระวอพัตตาพระวอพัตาเป็นเสนาบดีลาวเกิดขัดข้องใจกษัตริย์เวียงจันทร์อพยพผู้คนขามโค้งมาอยู่ที่หนองบัวลุ่มภูซึ่งเป็นเมืองอยู่ก่อนแล้วตั้งชื่อเมืองว่านครนเขื่อนขันกับแก้วบัวบานแต่ได้ถูกกองทัพลาว ตามตีจนพระตาตายในที่ลบส่วนพระวอได้พาบริวารไพรพลหนีลงไปตามแม่น้ำโขงจนถึงดอนมดแดงและต่อมาลูกหลานของพระวอได้ขอตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานีและเมืองเยโสธรกลุ่มเท้าแหลเท้าแหลและสมัครพรรคพวกได้อพยพหนีภายการเมืองจากเวียงจันทร์มาอยู่ในท้องที่เมืองนครราชสีมา ต่อมาได้ย้ายไปทางตอนเหนือแล้วขอตั้งเป็นเมืองชัยภูมิท้าวแลใได้รับโปรดเก้าให้เป็นเจ้าเมืองมีบรรดาศักด์ว่าพระพักดีชุมพลต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยาพักดีชุมพลการตั้งบ้านเมืองในดินแดนอีสานตั้งแต่พุทธศตรวตรรษ24ถึง25หรือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้า แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีเมืองต่างๆเกิดขึ้นมากกว่า100เมืองมีแบบแผนการปกครองแบบหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาศักดิ์คือมีตำแหน่งอัจฉรยาสีคือเจ้าเมืองอุปหัตราชวงศ์ราชบุตรส่วนเมืองในเขตอีสานใต้คือนครราชสีมาและหัวมเมืองคำเรป่าดงได้ใช้แบบแผนการปกครองแบบกรุงเทพ คือมีเจ้าเมืองประหลัดเมืองยกกระบาดเมืองเหละผู้ช่วยราชการเมืองจากหลักฐานของลาวสามารถหาได้กลุ่มชาติพันธ์ลาวได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอีสานมานานแล้วจึงสรุปได้ว่าคนในท้องถิ่นอีสานหรือบริเวณนี้เป็นเชื้อสายลาวซึ่งมีประวัติความเป็นมา ย, ยาวนานสืบทอดสายท า, ทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนถึงปัจจุบันประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันลาวตามหลักฐานของตำนานและพงศาวดารลาวเป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่เมืองสิงห์ทางตอนใต้ของแคว้น12บัอปนามาอย่างแคว้น12จูไทยในเขตลุ่มแม่น้าดำทางตะวันออกเลคลุมลงมาทางใต้ในเขตหัวพันลงมาจนถึงบริเวณแคว้นตะวัน นินของอยวนมีลากลุ่มหนึ่งได้ขยายมาถางลุ่มในน้ำโขงถางด้านตะวันตกและด้านใต้ได้แสดงทัศนะว่าในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งขุนหลวงพงวัวตรงกับราชการของพระยาสามแสนไทยเป็นช่วงเวลาที่คนลาวเริ่มเข้ามาตั้งหลักแหล่งบ้านเมืองในอีสานการเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยของคนลาวมีการเข้ามาอยู่สองลักษณะ คือ 1. การอพยพเข้ามาลี้ภัยตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายกันอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. อการถูกกวาดต้อนเข้ามาส่วนใหญ่จะถูกนำมาอยู่ในเขตจังหวัดในภาคกลางาศาสนาและความเชื่อชาวไทยลาวิดมั่นในจารีตประเพณีดำเนินชีวิตตามฮิต คือกิจกรรมประเพณีในรอบ12เดือนนับถือศาสนาพุทธแบบชาวบ้านคือพุทธศาสนาที่รับเข้ากับจารีตของชาวบ้านมุ่งที่จะสั่งสอนให้เป็นพลเมืองดีมากกว่าที่จะสั่งสอนให้ละโลกีไปสู่นิพพานตามปรัชญาของพุทธศาสนานอกจากนี้ยังนับถือผีบรรพบุรุษผีฟ้าผีเถนรวมทั้งผีไล่นา โดยเฉพาะผีบัรภบุรุษยังมีอิทธิพลต่อสังคมมากนั่นคือผีปู่ตาทุกชุมชนในชนบทจะมีสารเจ้าปู่ตาประจำหมู่บ้านและมีตำแหน่งเท่าจำหรือหมอจำเป็นผู้ที่ติดต่อ ก, กับวิญญาณเท่าจำจะเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากผู้หนึ่งความเชื่อคนอีสานในอดีตการนั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ใหญ่ไกลเปื่อเที่ยง การดูแลทางด้านสุข อ, อนามัยเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคนอีสานจึงขันไปพึ่งพูดผีคนอีสานนั้นเชื่อในเรื่องของผีเป็นทุนเดิมไม่ว่าจะเป็นผีของปู่ญาตตายายผีป่าผีเขาผีปอบในทุกวันนี้ความเชื่อในเรื่องผีของชาวบ้านอีสานนั้นยังมีอยู่ยากที่จะลบล้างในความเชื่อนั้น ในขณะเดียวกันบนความเชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการเตือนสติไม่ให้ประพฤติผิดปฏิบัติชั่วแล้วยังทำให้เกิดประเพณีที่ดีงามงานบุญต่างๆมากมายกับคนอีสานเป็นกุศโลบายล้ำลึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนเช่นดอนปูตาดอนเจ้าปูชาวไทลาวนับถือพุทธศาสนานิกายเถราวาด และาศะลาสนาพราหมณ์ซึ่งปรากฏในพิธีกรรมต่างๆในหมู่บ้านไทยลาวจะมีวัดหรือศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมวัดจํงเป็นโรงเรียนสอนหนังสือให้เด็กๆซึ่งเด็กชายจะมีความใกล้ชิดกับวัดเพราะใช้เป็นสถานที่เรียนบทนินและอุปสมบทตามลำดับนอกจากนั้นชาวไทยลาวจะมีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณเช่นผีในต้นไม้ แม่น้ำในบ้านในไร่นาผีประจำห ม, มู่บ้านและผีบรรพบุรุษจะมีพิธีเซ่นไหว้ผีเป็นประจำในฤดูเก็บเกี่ยวหรือพอปลูกข้าวเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยชาวไทยลาวเชื่อว่ามีสาเหตุจากผีเรียกขวัญออกจากกรร่างดังนั้นจึงมีผู้ประกอบพิธีรักษาโรคและเรียกขวัญเช่นพระสงฆ์นอกจากนั้น อย่างเชื่อเรื่องผีปอบซึ่งเป็นคนที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงและสามารถทำร้ายผู้อื่นได้ชาวอีสานเป็นกลุ่มชนที่มีความเคารพนับถือและปฏิบัติตนเป็นพุทธมามะกะที่ดียึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันดังจะเห็นได้จากทุกเทศกาลสำคัญของไทยปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษา ถนนหนทางที่มุ่งสู่สายอีสานจะหนึ่งแน่นด้วยรถลาคนอีสานพากันกลับบ้านไม่เว้นแม้แต่จะไปทำงานยังต่างแดนก็ตามชนชาวไทยอีสานจะตั้งกองกะถินผ้าป่าไปทอดถวายวัดที่บ้านเกิดเพื่อนำรายได้ไปสร้างวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเป็นเนื่องนิด คนอีสานเมื่อไปเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านต่างถิ่นสิ่งแรกที่จะมองหานั้นคือวัดว า, ารามหากหมู่บ้านแห่งหนตำบลใดมีวัดว า, ารามและพระอุโบสถสิมสวยงดงามจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของหมู่บ้านนั้นๆการตั้งถิ่นฐานการตั้งผงไม่ลำเนาของกลุ่มไทยลาวก็จัดกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะตอนบนของภาคนับตั้งแต่น้องคายน้องบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาละศินป์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลราชธานีเลยมุกดาหารอำนาจเจริญและบางอำเภอของจังหวัดศรีสะเกตสุรินทร์นครราชสีมา บุริลำนิยมตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่มบนที่ดอนเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่าโนนโดยยึดทำเลการทำนาเป็นสำคัญนั่นคือบริเวณรอบหมู่บ้านจะมีที่ราบร่มกว้างใหญ่มีหนองน้ำหรือลำน้ำเล็กๆที่มีน้ำสำหรับบริโภคในฤดูแล้งไม่ห่างไกลหมู่บ้านที่มีป่าละเมะสาธารณะประโยชน์ ซึ่งใช้พื้นที่ปล่อยวัวควายในฤดูทำรรนาและเป็นแหล่งเก็บพืชผักป่าอีกด้วยหากมีวัดจะตั้งอยู่ตอนท้ายของหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เพราะความเชื่อว่าวัดควรแยกจากหมู่บ้านวิสูงขามสีมาแปลว่าเขตนอกชุมชนแต่โดยปฏิบัติแล้วพระภิกษุกับชาวบ้านจะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้ง12เดือน นอกจากวัดแล้วยังมีสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสารปู่ตาหรือเรียกตามภาษาว่าตาซึ่งมักจะตั้งอยู่ทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นดอนที่ยื่นออกมาบางแห่งมีพื้นที่กว้างใหญ่เรียกว่าดอนปู่ตาการสร้างบ้านเรือนหมู่บ้านชาวไทยลาวจะตั้งอยู่ติดแม่น้ำแวดล้อมด้วยสวนมะพร้าวและนาข้าวตัวบ้านสร้างจากไม้ไผ่ ยกพื้นสูงมีบันไดอยู่ด้านหน้าบนเรือนจะกั้นเป็นห้องนอนและพื้นที่ทำงานใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือทำนาทำไร่และใช้เลี้ยงสัตว์ส่วนยุงข้าวจะปลูกอยู่ห่างจากตัวเรือนออกไปชาวอีสานสร้างเรือนเพื่ออยู่อาศัยจึงไม่ประนีตปัญโจงมากนักนั่นคือผู้มีฐานะขนาดกลาง จะสร้างบ้านเรือนที่มีขนาดสองห้องนอนคือห้องซ่วมห้องลูกสาวและห้องหอและห้องเปิงห้องหัวหน้าครอบครัวและไว้หิงผีที่เรียกว่าห้องรักษามีส่วนที่เชื่อมต่อห้องนอนของลูกสาวกับเขื่อญาิเป็นชานโล่งไม่มีหลังคาติดต่อกับครัวซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กลักษณะเป็นบ้านใต้ทุนสูงเพื่อทำกิจกรรม เช่นถอผ้าเก็บเครื่องมือทำนาและให้บัวควายนอนส่วนหนึ่งวัฒนธรรมอาหารชาวอีสาน ร, รับประทานข้าวเหนียวอาหารหลักของชาวบ้านคือเครื่องจิ้มเช่นแจ่วบองปนกับผักส้มตำแกงอ่อมจากเนื้อสัตว์และพืชผักที่หาได้ตามไร่านาส่วนอาหารพิเศษอื่นๆได้แก่ลาบก้อย เนื อ, อย่างนั่นจะบริโภคเมื่ อ, อยามมีงานบุญหรือการเลี้ยงฉลองเท่านั้นการละเล่นกับร้องลำนำการละเล่นเครื่องดนตรีได้แก่หมอลำการขับเซิรงฟ้อนส่วนเครื่องดนตรีสำคัญได้แก่แคนซึงหรือพินชิงฉาบกลองเครื่องดนตรีอื่นๆที่เห็นในปัจจุบัน เติมเติมมาใหม่จากการผสมผสานวัฒนธรรมและการคิดค้นปรับปรุงเช่นโปรงลางโบสพิธีกินดองแต่งงานหนุ่มสาวในภาคอีสานโดยเฉพาะกลุ่มไทยลาวค่อนข้างจะอิสระในการเลือกคู่ครองนั่นคือประเพณีพื้นบ้านไม่ค่อยจะเข่งคลัดในความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาวแต่กรนั้นก็ตามหนุ่มสาวภาคอีสาน จะเก่งกลัวผีบัณพ์ผบรุดที่เรียกว่าผิดผีคือไม่กล้าที่จะประพฤติล่วงเกินประเพณีที่เรียกว่าฮีดบ้านคลองเมืองประเพณีอีสานโดยทั่วไปจะเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้คุ้นเคยร่วมกิจกรรมสาธารณะด้วยกันเสมอพ่อแม่ญาติพี่น้องฝ่ายสาวก็ไม่ได้ปกป้องแต่อย่างใดเช่นการลงควงหนุ่มๆจะมาช่วยสาวๆ ปั่น้ายและเกี่ยวพาราศีกันได้หรืองานบุญประเพณีทั่วไปหนุ่มสาวต่างหมู่บ้านจะมีโอกาสพบปะและสังสรรค์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นโอกาสเลือกคู่ครองที่พึงพอใจในงานบุญประเพณีนั้นๆพรั น, น, นหนุ่มสาวแน่ใจว่าพบบุคคลที่พึงพอใจแล้วหนุ่มสาวจะมายเยี่ยมเยือนกันที่บ้านเสืบต่อไปพิธีกินดอง เป็นการเลี้ยงในพิธีแต่งงานที่จัดเป็นพิธีใหญ่นั่นคือฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวมีฐานะมีหน้ามีตาของหมู่บ้านฝ่ายสาวจะรู้ตนเองว่าพ่อแม่เป็นคนที่ชาวบ้านนับถือครั้นเมื่อสมัครรักใคร่กับหนุ่มใดมักจะไม่ยินยอมให้ฝ่ายชายมาซูนสัมผัสแต่ต้องเพราะถือว่าเป็นการไม่รักษาหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้อง ฉะนั้นฝ่ายสาวจะยินยอมให้ฝ่ายชายมาสู่ขอตามประเพณีหรือบางกรณีชายหนุ่มอาจจะส่งเท่าแกมาขอเลยทีเดียวก็ได้การสู่ขอสาวเพื่อแต่งงานนี้เรียกว่าโอมหรือโอมสาวพิธีโอมการสู่ขอการสู่ขอนั้นฝ่ายชายจะส่งแม่สื่อไปทาบทามถามความสมัครใจจากฝ่ายสาวก่อน ฝ่ายพ่อแม่จะเรียกผู้สาวมาถามความสมัครใจหากฝ่ายหญิงสมัครใจก็จะทำพิธีโอมซึ่งในการนี้แม่สื่อจะไปป ร, รึกษากับฝ่ายสาวเรื่องการกําหนดวันทําพิธีโอมด้วยถึงวันกําหนดทําพิธีโอมกันนั้นเจ้าโคดฝ่ายชายเจ้าโคดคือบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่หรืออาวุโสของตระกูลจะเป็นเท่าแก่จัดผ่านหมักสี่คำหรือเรียกว่า ขันหมากกับเงินสามบาทไปบ้านเจ้าสาวเมื่อถึงเรือนฝ่ายสาวบิดามันดาญาติพี่น้องจะจัดการต้อนรับกับโครฝ่ายชายที่เป็นเท่าแกมาสู่ขอหรือมาโอมตามสมควรเมื่อทั้งสองฝ่ายได้นั่งตามสมควรแล้วเท่าแกฝ่ายชายจะยกผานหมากสี่คำมีผ้าขาวปิดไว้ให้มิดามันดาฝ่ายหญิงกินและรับเงินสามบาทที่อยู่ในผา น, นั้นด้วย เงินนี้เรียกว่าเงินไขปากคอการรับเงินแสดงว่าฝ่ายสาวตกลงใจแล้วหากไม่ตกลงฝ่ายสาวจะส่งเงินคืน3าบาทคืนคราเมื่อพิธีอมเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายจะปรึกษาค่าสินสอดกันเรียกว่าคาดค่าดองการประกอบอาชีพคนไทยลาวประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักนอกจากนั้นยังมีการจับปลาเป็นอาหาร และชาวลาวยังทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นปั้นหม้อสารตะกา้าถอผ้าเป็นต้นผู้หญิงลาวจะมีหน้าที่ถอผ้าเลี้ยงสัตว์ตามข้าวเตรียมอาหารทำครัวเพราะปลูกกับเกี่ยวส่วนผู้ชายจะทำงานวานไถนาชาวลาวมีการนับถือญาติเป็นสองฝ่ายเมื่อชายหญิงแต่งงานแล้วจะอาศัยอยู่บ้านฝ่ายหญิงระยะหนึ่งหลังจากนั้น จะย้ายออกไปตั้งเรือนใหม่ลูกสาวมักได้รับมรดกจากพ่อแม่และมักจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตนหลังจากแต่งงานการแต่งกายของชนชาวไทยลาวผู้ชายเมื่ออยู่กับบ้านจะนุ่งกางเกงขากไว้สั้นสวมเสื้อมอ้อมแขนสั้นคาดผ้าขาวม้าตรงตารางเมื่อออกไปนอกบ้านเพื่อร่วม ง, งานบุญจะนุ่งสโลง สวมเสื้อคอกลมแขนสั้นมีผ้าขาวม้าคล้องคอส่วนผู้หญิงจะนุ่งสิน้นนิยมนุ่งสิ้นผ้าฝ้ายมาแต่เดิมและพัฒนาผ้าฝ้ายเป็นการถอผ้ามัดหมีลวดลายต่างๆผ้าสิ้นไม่มีเชิงทั้งที่เป็นผ้าเข็นหรือทอและผ้ามัดหมีฝ้ายหรือไหมเสื้อแบบเสื้อของชนชาวไทยลาว แม้จะเป็นเสื้อย้อมสีน้ําเงินแก่แบบเสื้อคล้ายกับชนเผ่าอื่นๆแต่เนื่องจากเป็นชนเผ่าที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆและรับเอาวัฒนธรรมจากภาคกลางได้รวดเร็วจึงทําให้เผ่าไทยลาวมีแบบเสื้อแตกต่างไปจากชนเผ่าอื่นๆเช่นเสื้อแขนกระบอกคือทอจากผ้าแพรตกแต่งให้มีจีบมีระบายแขนกระบอกผ้าฝ้ายย้อมคลามหรือมัดมี กลุ่มที่แต่งกายแบบดั้งเดิมจริงๆนิยมแต่งด้วยผ้าย้อมคลามทั้งเสื้อและผ้าสินการพัฒนาของการถอผ้าทำให้ไทยลาวในปัจจุบันถอผ้าลายมัดหมีขั้นหลายสีเช่นสีเหลืองสีแดงและนิยมสีฉุดฉาดนอกจากนี้ชาวเผ่าไทยลาวยังนิยมทอผ้าหม่มผ้าจองลวดลายสวยงามซึ่งสามารถปรับแต่ง มาเป็นผ้าสบายโชว์ลวดลายของผ้าประกอบเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดีเครื่องประดับของชาวเผ่าไทยลาวนิยมเครื่องเงินเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นนอกจากเครื่องเงินอย่างนิยมสวงสร้อยที่เป็นลัตนาชาติสอดชายเสื้อในสิ้นมีไม้คาดด้วยเข็มขัดเงินจุดเด่นอีกประการหนึ่งของชนเผ่าไทยลาวคือการนิยม้าข่าวมา้าทั้งชายและหญิง ผ้าขาวมาที่งดงามคือผ้าไส้ปลาไหลมีสีเขียวแดงเหลืองตามแนวยาวสามารถดัดแปลงเป็นผ้าคล้องคอผ้าสบายของสตรีในการเสริมแต่งกายให้งดงามขึ้นบุคลิกและอุปนิสยัยด้วยเอกลักษณ์นิสัยใจคอของชาวอีสานในอดีตส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังจะเห็นได้จากเอกลักษณ์โดดเด่น ในหมู่บ้านของชาวอีสานทั่วไปจะมีซุ้มเล็กๆหรือเพิงเล็กๆปลูกไว้หน้าบ้านในซุ้มหรือเพิงเล็กๆนั้นจะมีตุ่มน้ำเย็นใสสะอาดพร้อมกับวยไ ว, ไว้ให้กับแขกต่างบ้านหรือใครที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ตักดื่มกินแก้กระหายภูมิปัญญาอีสานตุ่มน้ำจากดินเผาเมื่อใช้ไปนานๆจะมีตะไขน้าจากภายนอก ทำให้น้ำในตุ่มเย็นนี่เป็นตู้เย็นธรรมชาติที่ไม่เปลืองกระแสไฟฟ้าคนอีสานมีความเป็นกันเองกับทุกคนเป็นคนจริงใจมีความไว้วางใจไวเนื้อเชื่อายคนง่ายเพราะคนอีสานในอดีตจะเป็นชนที่ไม่ชอบพูดโกหกหรือพูดปดมดเท็จซื่อสัตย์ปฏิบัติตามศีลห้าค่อนข้างจะเค้่งครัดในศีนลธรรมถ้าใครคนหนึ่ง บอกกล่าวหรือเล่าอะไรก็จะเชื่อตามกันไปเกือบทั้งหมดนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของชนชาวอีสานในอดีต ท, ที่มักจะถูกหลอกลวงง่ายเพราะเชื่อว่าทุกคนให้ความจริงใจต่อกันและกันทำให้มิจฉาชีพบางกลุ่มอาศัยจุดนี้หลอกลวงทามาหากินบนความซื่อของชนชาวไทยอีสานมานักต่อนักเอกลักษณ์เด่นอีกอย่างหนึ่งของชาวอีสาน คือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตัญญูสูงให้ความเคารพนับถือต่อบุพการีให้ความเคารพผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุเป็นอย่างมากจะได้ยินผู้มีอายุน้อยกว่าเรียกผู้สูงอายุในเกือบทุกที่ว่าพ่อคุณแม่คุณคำว่าคุณที่ใช้เรียกชื่อผู้สูงอายุแทนการเรียกชื่อกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักมีความหมายว่า ผู้มีพระคุณบางแห่งเอื้นว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่คนอีสานและลึกเสมอว่าผู้สูงอายุเป็นผู้มีพระคุณต่อทุกคนเพราะผู้สูงอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดํารงชีวิตและเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ชนรุ่นหลังอยู่เสมอมา บัวชาแนลร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาลัยที่ปุรภาขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระธาตุพุทธวงศ์โพธิญาณรอบองค์เดิมบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรสิกรไทยบัญชีหมายเลข0488201484ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาลัยที่ปุรภาขอให้ทุกๆ ท, ท่านจงเจริญในธรรมขอพระคุณครับ คนไทยเป็นใครมาจากไหนคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตหรือว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วซึ่งมีวิทยากรอย่าง it, รรดรชานวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ รอสอสุรพลนาทพินคณะบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปกรอาจารย์สถาพรสีสัจจังศิลปินแห่งชาติและผู้อำนวยการสร้างสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณสงขลารอสอสายชนสัตญานุรักษ์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แลรองศาสตราจารย์ด็อตรดารารัตน์เมตตาริกานณ์สาขาประวัติศาสตร์แลนะโบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นมาร่วมแลกเปลี่ยนอภิปรายด็อร์ชานวิทย์กเกษตรศิลิเริ่มต้นกล่าวเกี่ยวกับเรื่องคนไทยเป็นใครมาจากไหนว่าถ้ามีใครสักคนถามคำถามนี้ ซึ่งคงจะมีสติไม่ค่อยดีที่ถามคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่รู้สิเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าถามนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งมีคะแนนกำกับอยู่จะตอบว่าคนไทยคือคนที่พูดภาษาไทยนับถือศาสนาพุทธมีเชื้อชาติไทยแล้วรักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์และอาจจะแถมด้วยการบอกว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วถ้ามีการขยันขยออีกก็จะตอบว่ามาจากภูเขาอันไตและอาณาจักรน่านเจ้าแล้วสุขโขทยัอยอุทยารัตนโกสินทร์ดรชานวิทย์จึงตั้งข้อสังเกตว่าตกลงคำตอบมีตายตัวอยู่แล้วบางคนอาจคิดว่าคำถามและคำตอบแบบนี้เฉยไปแล้วก็ได้จึงน่าจะเลิกถามและเลิกตอบ แต่ว่าทั้งคําถามและคําตอบนี้ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือของทองใบแตงน้อยที่ได้กล่าวไว้ว่าคนไทยมีพัฒนาและเริ่มขึ้นจากภูเขาอันไตในมองโกเลียเหนือแม่น้ำ่วงโหและเหนือกำแพงเมืองจีนตั้งแต่เมื่อห0 0 0ปีมาแล้วคนไทยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่างแม่น้ำฮวงโหและแม่น้าแยงซีจึงถูกคนจีน รุกลานจึงอพยพมาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าอยู่ได้ไม่นานก็ถูกจีนและมงโกเลียรุกลานก็เลยต้องมาตั้งอาณาจักรสุโขทัยอุธยารัตนโกสิอ น, สนอันนี้คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาโดยทองใบแต่งน้อยซึ่งเสี่งเหล่านี้เปรียบเหมือนโปรแกรมสาเร็จรูปที่ฝังลงไปในหัวของเราดรชานวิทย์กล่าวและอธิบายต่อไปว่าต่อมาคนไทย ก็สร้างอาณาจักรสุขโขไทยจนเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่กินพื้นที่ไปจนถึงมาลากาและสิงคโปร์เรื่องนี้เป็นโปรแกรมที่ใส่เข้าไปในหัวของเยาวชนด้วยเพราะแผนที่นี้ได้บรรจุลงในแบบเรียนจากอาณาจักรสุขโขไทยก็เรื่อยลงมาจนถึงอาณาจักรอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประเทศไทยยิ่งใหญ่มาจนถึงสมัย ทนบุรีและรัตนโกสินที่ยิ่งใหญ่แต่พอมาในสมัยรัชากาลที่หก็เสียดินแดนในหนังสือของทองใบแตงน้อยบรรจุไว้เลยว่าไทยเสีย12จุดไทยถ้าถามว่าทองใบแตงน้อยไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนคาดว่าคงเอามาจากคุณวิจิตมาตราและหลวงวิจิตวาทการทั้งนี้คุณวิจิตมาตรา ผู้ที่ชนะเลิศในการเขียนเรื่องหลักไทยพุทธศักราช2471ซึ่งเขียนบอกไว้ว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตต่อมาไม่มีการคิดต่อไปว่าคุณพิจิตมาตรานาเรื่องราวเหล่านี้มาจากไหนคำตอบที่ได้คือได้มาจากหลวงวิจิตวัทการซึ่งเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ส า, ศากล5เล่มเป็นทางเดิมของความรู้ แล้วเรื่องราวของคนไทยมาจากไหนถ้าไล่ข้อมูลต่อไปอีกจะพบว่าหลวงวิจิตวาทการนําข้อมูลเหลา่านี้มาจากสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพที่เขียนไว้ในพระนิพนธ์คํานังของพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่เคยได้อ่านเพราะข้ามไปอ่านเรื่องในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรอย่างไรก็ตามดรชานวิตร ะ, ระบุ ส่วนของคํานำของพระราชพงศาวดารเป็นส่วนที่สำคัญมากเขียนไว้ในปีพุทธศักราช2457สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่าคนไทยในเมืองจีนนั้นคือเมืองไทยเดิมกล่าวโดยสรุปในเมื่อสมัยอยุธยาหรือสมัยต้นลัทนโกศิล์เราไม่รู้จักเทือกเขาอันไตไม่รู้จักอาณาจักรนานเจ้าจนกระทั่งมรัฐทอาณานิคม ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาลัตที่อาณาจักรนิคมอังกฤษและฝรั่งเศสที่เข้ามาพร้อมความรู้ทางวิชาการแบบใหม่ๆที่ว่าด้วยภาษาศาสตร์มนุษยวิทยาโบราณคดีนักวิชาการเหล่านี้ก็ได้จัดแบ่งกลุ่มคนแล้วได้มีเขียนเรื่องน่านเจ้าเทือเขาอันไตคนไทยในส่วนต่างๆรวมทั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นคนไทยรุ่นแรก ที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือกับพวกฝรัง่งและได้รับข้อมูลเหล่านี้จนในที่สุดได้มาปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์พงศาวดารสยามนับตั้งแต่นั้นมาความรู้เรื่องของคนไทยจากภูเขาอันไตยนานเจ้าอายุทยาสุขโขทยัยแล้วรัตนโกสินใช้เวลาเดินทางมารวมร้อยปีความรู้แบบนี้ถูกสร้างขึ้น และฝังลึกอยู่ในสมองของเรายากแก่การเอาออกและลบเลือนนอกจากนี้ดรชานวิทย์ยังได้กล่าวถึงข้อแตกต่างระหว่างประวัติศาสตร์ของทองบายแตงน้อยและสุจิตวงเทศไว้อย่างชัดเจนอีกว่าในหนังสือเล่มนี้มี11บทในบทแรกสุจิตขึ้น 5,000 ปีแรกมีชุมชนดึกดำบรรสุวรรณภูมิบรรพบุพ ร, บรุษคนไทย และคนอุสาคเนซึ่งสุจิตใช้วิธีเหมารวมแล้วก็นำเอาหลักฐานทางโบราณคดีมาเช่นหลักฐานว่าด้วยบ้านเก่าบ้างบ้านเฉียงบ้างบอกว่ามีคนอาศัยอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะยังไม่มีภาษาที่สามารถจารึกได้พอบทที่สองส0พปีถอยมาเรื่อยๆมนุษย์ในแถบนี้ รู้จักถลุงโลหะทำเครื่องมือเครื่องใช้แทนเครื่องมือหินที่เคยใช้แต่เดิมมีศาสนาคือนับถือผีนับถือดินฟ้า 4,000 ปีเริ่มมีชุมชนถลุงเหล็กเติบโตเป็นบ้านเมืองบนเส้นทางการคมนาคมทางบกและทางทะเลมีแผนที่ในการประกอบการอธิบายเหมือนกันทองใบแตงน้อยแล้วก็ขยับมาประมาณหลัง พุทธศักราชหนึ่งเป็นสุวรรณภูมิมีการเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกหมายความว่าจากด้านทะเลจีนกับมหาสมุทรอินเดียและก็มีแผนที่และชุมชนต่างๆเมื่อพุทธศักราช500มีลัดเล็กๆรับพระพุทธศาสนามีพรามมีผีเป็นพระบุุษของคนที่นี่และก็มีแผนที่อีก หลังพุทธศักราช 1,000 รัฐใหญ่ในสุวรรณภูมิเริ่มเข้าเรื่องราวของความเป็นไทยเป็นต้นทางของประวัติศาสตร์สยามประเทศไทยดูไปจนถึงบทที่7หลังพุทธศักราช 1,500 รัฐพื้นเมืองเริ่มควบคุมการค้าด้วยตัวเองมีภาษาซึ่งเป็นภาษาการค้าคือชวามาลายูและไทยลาว ซึ่งเป็นภาษาที่ใหญ่จนทำให้คนอื่นหันมาใช้ภาษานี้กันเยอะมากทำให้มีลัฐใหญ่เกิดขึ้นหลังพุทธศักราช1700มีความเปลี่ยนแปลงโดยมีการเกิดขึ้นของาศาสนามนชนซึ่งาศาสนามวนชนนี้แปลว่าอิสลามพุทธศาสนาแบบเทรวาดในขณะที่าศาสนาพรามหมณ์อินดูนับเป็นาศาสนาของชนชั้นปกครองซึ่งจุดนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ของศาสนามลชนแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีอักษรไทยและคนไทยหลังพุทธศักราช 2,000 มีกรุงศรีอยุธยาศูนย์กลางการค้านานาชาติเรียกประเทศว่าเมืองไทยเรียกตัวเองว่าคนไทยแล้วสุจิตก็ไล่มาหลังพุทธศักราช 2,300 เป็นกนรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยามจนกระทั่งหลังพุทธศักราช2400เกิดรัฐประชาชาติประชาธิปทพไตยยกเลิกชื่อสยามใช้ชื่อประเทศไทยนี่คือเส้นทางของสุจิตวง์เทศเมื่อเทียบกับทองใบแตงน้อยจากนั้นดรชานวิทย์วิเคราะห์เพื่อสรุปว่าสุจิตได้ทำอะไรและไม่ได้ทำอะไร ถ้านำมาเทียบกับประวัติศาสตร์ของทองบายแตงน้อยแนวการเขียนของทองใบจะเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ด้วยการใช้แผนที่เป็นกรอบคือแผนที่ประเทศไทยปัจจุบันเป็นกรอบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ไทยในกรอบแผนที่ประเทศไทยและทัศนคติอุดมการ์ในการเมือง น, นั้นเป็นประวัติศาสตร์แบบประราชาชาตินิยมและเสนาอม า, ยาตย์ยาธิปไตย เป็นชาตินิยมในรูปแบบของพระราชากบดดาเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายนี่คือประวัติศาสตร์ในแนวของทองใบแตงน้อยส่วนของคนสุจิตสิ่งที่พยายามทำก็คือการเขียนประวัติศาสตร์โดยใช้แผนที่ซึ่งเป็นประชานิยมเพราะฉะนั้นในแง่นี้สุจิตใช้มา ก, กะทองใบแตงน้อยใช้คือการนาโบราณคดีอันเป็นการใช้หลักฐานบางอย่างที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งมีการขุดค้นอยู่บ่อยๆนับตั้งแต่ทศวรรษ 1,960 หรือประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมามาใช้ในแผนที่ประวัติศาสตร์โดยบวกกับหลักฐานด้านมนุษยวิทยาซึ่งจุดนี้สุดจิตมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยทำให้งานมีความหลากหลายที่ทำให้เห็นความหลากหลายทางชาติทางด้านชาติพันธุ์เด่นชัดมากและยังนาเอาประวัติศาสตร์ มาเป็นกรอบในการวางแผนที่อย่างไรก็ตามแม้จะเห็นได้ชัดเจนว่างานของสุจิตใช้ทั้งมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ใส่เข้าไปในแผนที่ของเขาที่ทำให้เห็นมากกว่าแผนที่ของทองใบแต่งน้อยแต่ก็ยังเป็นเวอร์ชันที่ไม่เป็นแบบปราชาชาตินิยมเสียทีเดียวเพราะยังมีกลิ่นอายของราชาชาตาินิยมและอมต ร, ราชธาิปยตยอยู่ดังนั้น หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์สยามประเทศไทยเล่มนี้คงเป็นเพียงกรอบหรือโครงที่ยังไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจนอย่างต้องการการศึกษาใหม่อย่างละเอียดปัญหาที่เกิดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้คือ 1. ต้องทำการศึกษาถึงที่มาของคนไทยใหม่เพราะแทบจะไม่มีใครเชื่อแล้วว่าคนไทยเดิมจากเทือกเขาอันไตซึ่งอยู่ในกาแพงเมืองจีน มาจนถึงประเทศไทยในปัจจุบันได้ 2. จะต้องศึกษาแผนที่ซึ่งเป็นวิวัฒนาการสมัยใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมากับลัทธิจักรวรรดินิยมมาจากการค้นพบภายในของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาในเมืองไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 3. ในการศึกษาแผนที่ประวัติศาสตร์จะต้องใช้ทฤษฎีเป็นตัวส่องนาทางงานสองชิ้น ที่จะช่วยเป็นทฤษฎีในการสองทางนั้นก็คืองานที่เกี่ยวกับรัฐชาติและลัทธิชาตินิยมเพื่อที่จะเข้าใจงานของทองใบแตงน้อยและงานของสุจิตวงศ์เทศในจุดที่ว่าทําไมางานของทองใบจึงมีการกล่าวว่าไทยมีการเสียดินแดน 5-6 ครั้งแต่งานของสุจิตกลับไม่มีตรงนี้จึงทําให้ควรต้องมีการศึกษากันใหม่อย่างละเอียดอีกครั้ง สำหรับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ได้มาให้มุมมองในเรื่องนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏในประเทศไทยคือรองศาสตราจารย์สรพลนาถพินคณะบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนี่กล่าวว่าคนไทยอาจจะอยู่ที่นี่เริ่มต้นที่นี่ไม่ได้มาจากเขาอันตายพราะพบส่นกระโลกของออสตาโลพิเทคัส ที่เกาะคาจังหวัดลำปางอายุนับแสนปีหรือพบโฮโมสเปียนที่ทำรอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนอายุ 1,200 ปีและพบอารยธรรมอื่นๆกระจายไปทั่วในหลายพื้นที่ช่วงเวลาที่เกิดหมู่บ้านเกษตรกรรมนั้นโครงสร้างทางสังคมมีการแยกแยะตามแบบลักษณะของที่มาอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการปรากฏขึ้น ของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมหมู่บ้านเกษตรกรรมก็คือการติดต่อแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกันทำให้พบเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยทะเลที่เหมือนเหมือนกันในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางเห็นได้ชัดว่ามีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้เห็นถึงการแบ่งแยกสถานะทางสังคมอย่างเด่นชัดโดยของที่ได้มาจากที่อื่นจะเป็นของที่หายากเป็นตัวแปลกำหนดให้เกิดความแตกต่างเมื่อผู้ใดมีจะทำให้ดูมีฐานะมากกว่าผู้อื่นทำให้เกิดสังคมที่เป็นไปนในลักษณะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญทำให้เห็นถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกัน อันเป็นปัจจัยทำให้เกิดพัฒนาการทางสังคมก็คือได้พบว่าในช่วงประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ปีมาแล้วในพื้นที่บางแห่งของประเทศไทยเกิดชุมชนที่มีความสามารถในการทำงานหัตถกรรมบางอย่างและผลิตสิ่งของบางอย่างที่บางชุมชนต้องการเช่นมีเหมืองทองแดงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ลูโล้นและในบริเวณใกล้ๆเขา ว, วงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีได้พบแหล่งถลุงทองแดงยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่าแสนตันพื้นที่ที่เป็นตลาดสําคัญของทองแดงจากบริเวณเขา ว, วงพระจันทร์นั้นสันนิษฐานว่าจะเป็นบริเวณภาคอีสานของไทยและบริเวณประเทศเพื่อนบ้านเพราะพบของใช้ที่ทําจากทองแดงมากมายจะเห็นว่า การปฏิสัมพันธ์กันนั้นกินพื้นที่ไกลามากนำมาซึ่งพัฒนาการของสังคมที่มีสถานะแตกต่างกันเริ่มชัดเจนมากขึ้นรองศาสตราจารย์สุรพลกล่าวต่อไปว่า <c oughs> เมื่อศึกษาจากของใช้ของคนแต่ละภาคของไทยทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมบางประการที่แตกต่างกันในช่วงระยะเวลาที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่หลากหลายกลุ่มด้วยกันอาจจะพูดภาษาที่แตกต่างกัน แต่เมื่อพื้นที่ต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กันก็ทำให้เกิดพัฒนาการไปพร้อมๆกันจนในท่วง 2,500 ปีมาแล้วพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่สำคัญคือมีการผลิตเหล็กและกระโจกมากมายอีกทั้งเกิดวัฒนธรรมที่มีที่มาจากดินแดนไกลในประเทศไทยวัฒนธรรมดังกล่าวเช่นอินเดียจีนตอนใต้ เวียดนามตอนเหนือและตอนกลางผลที่ตามมาก็คือการเกิดชุมชนขนาดใหญ่มีการแบ่งพื้นที่ภายในชุมชนอย่างชัดเจนโดยผู้มีอำนาจสูงสุดในชุมชนเป็นผู้แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ในระยะเวลานั้นก็กระบวนการในการแลกเปลี่ยนค้าขายมีการพัฒนาไปอีกในระดับหนึ่งในช่วง 1,500 ถึง 1,600 ปี ประชาชนในท้องถิ่นของไทยบางกลุ่มตัดสินใจที่จะรับศาสนาพุทธที่มาจากอินเดียมาเป็นศาสนาประจำชุมชนทำให้เปลี่ยนกรรยภาพของชุมชนมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากมีการขุดขูร้อมรอบชุมชนจนกลายเป็นเมืองประชากรเหล่านั้นได้กลายมาเป็นประชากรยุคประวัติศาสตร์ของไทยเมื่อมองจากข้าวของเครื่องใช้ที่เห็นจากยุคประวัติศาสตร์ช่วงแรก ในมุมมองของนักโบราณคดีเห็นว่าในบริเวณประเทศไทยปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่นานแล้วตั้งแต่ราว 5,000 ปีคือมีวัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบของวัฒนธรรมในปัจจุบันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วและกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นราว 5,000 ปีมาแล้วนั้นมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนในพื้นที่ออกไปแล้วมีการย้ายเข้าของกลุ่มคนจากต่างพื้นที่เข้ามา กระบวนการเคลื่อนย้ายแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้มีการผสมผสานของวัฒนธรรมเกิดขึ้น